มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีมือหนึ่งจับฝามือที่ปิดหน้าของหล่อนออกพระพินสีหน้าเครียดขึ้มยืนอยู่ตรงหน้าของหล่อนพี่ใหญ่ลิมฝีปากอันแห้งผ่าของหล่อนขมุกขมิบแทบไม่มีเสียงผ่านลาคอออกมาเขาตายเสียแล้วใช่ไหมพรานใหญ่สั่นหน้าช้าช้าประคองหล่อนให้ลุกขึ้นยืนตอบแผ่วเบายังหลอกฮับคุณหญิงแต่หนักหน่อยเลือดออกมากเหลือเกิน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 รพินเรียกแง่สายให้เข้ามานั่งเป็นเพื่อนหญิงสาวอยู่ตรงนั้นเขากับชายยานพระไปที่ก้อนหินที่เชื่านอนหมดสติติดอยู่ภายใต้อีกครั้งภายหลังจากตรวจดูบริเวณอย่างรอบคอบแล้วก็บอกว่าหินก้อนนี้น้ำหนักประมาณสองตันเศษเราพอจะขยือนมันออกได้โดยใช้ควายทั้งสิบห้าตัวที่มีอยู่ช่วยกันฉุดร่างชายยานเม้มริมฝีปากแน่นส่องฝฉายตรวจดูซอกภายในอันมีร่างของเชืานอนคว่ำหน้าติดอยู่อีกครั้ง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 ชายยานคลางอยู่ในราคอหันไปมองดูรพินสั่งมาเถิดครับคุณหญิงต้องการให้พวกเรารับใช้ายไรได้บ้างพรานใหญ่พูดโดยเร็วดาดินกํามือทั้งสองแน่นพยายามระ ง, งับความรู้สึกอย่างยากเย็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือเราต้องการสถานที่มันต้องไม่ใช่ที่นี่แน่และต้องเร็วที่สุดด้วยเดี๋ยวนี้แหละรพินลุกขึ้นมองลงไปยังบริเวณแคมป์เบื้องล่ลางขณะ น, นี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นรางรางแล้ว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 ชีวิตของพี่ชายจะอยู่หรือจะไปย่อมขึ้นอยู่กับหล่อนคนเดียวเท่านั้นหญิงสาวปฏิบัติงานอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วแต่รอบคอบทุกกระเบียดนิ้วด้วยอาการเคร่งครึ่มชายยันทำหน้าที่เป็นพยาบาลลูกมือผู้ช่วยเหลืออยู่ใกล้ชิดรพระผินยืนห่างออกมาเล็กน้อยคอยช่วยเหลือในวงนอกส่วนที่หน้าประตูกระจงแง่ซ า, ย, า ย, ยืนตต่งานในตาเบิกสว่างโพนอยู่ที่นั่นใบหน้าสีทองแดงนั้นดูเผืดขาวผิดไป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 น้อยเสียงชายยันหลุดปากออกมาแหบเหือดแทบไม่ผ่านลำคอจ้องหญิงสาวด้วยดวงตาอันเบิกกว้างบอกสิเช่ทถเป็นไงดาดินเงยหน้าขึ้นอย่างเช่มช้าริมฝีปากสั่นริกน้ำตาที่สะกดกั้นไว้เป็นหยิเวลานานบัดนี้ไหลลินเป็นทางหล่อนมองดูนหน้าพรานใหญ่กับเพื่อนชายอยู่เช่นนั้นสอื้นขึ้นมาติดอยู่ที่ลาคอ ไม่สามารถจะกล่าวคำใดออกมาได้นอกจากสายหน้าอยู่ไปมาชายยันจับไหายทั้งสองข้างของหลงขยับโดยแรงกระหืดกระหอบลั่นเต้นน้อยเธอคงไม่บอกฉันนะว่าเช่ถามหมดหวังเสียแล้วฉันก็ไม่อยากบอกตนเองเช่นนี้เหมือนกันหล่อนพูดอย่างยากเย็นกัดกรามแน่นหน้าขาวเปื้อนปลาจากสีเลือด พี่ใหญ่เสียเลือดมากเกินไปความหวังของเรามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการให้เลือดโดยเร็วที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันกลางป่าลึกเสียงของหลอนขาดหายไปเพียงแค่นั้นมันเป็นความเงียบสงดจนแท่ว่าจะได้ยินเสียงหัวใจของแต่ละคนเต้นชายยันกัดริมฝีปากแน่นหันไปมองหน้ารพินอย่างมืดมนพลางใหญ่ปาดแขนขึ้นเช็ดปลายจมูกผมคิดว่าควรจะมีหวังนะครับคุณหญิง อย่างน้อยพวกเราก็มีกันอยู่หลายคนและทุกคนพร้อมแล้วที่จะช่วยคุณชายไม่ว่าจะหนักหนาสักขนาดไหนถ้าหากว่าเราช่วยกันได้ฉันเข้าใจดีในข้อ น, นั้นและขอขอบคุณดาลินพูดด้วยเสียงไม่เกินกระซิปลักษณะของหลอนยามนี้เมื่อรอยสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากต่อทุกสิ่งเพราะความทุกข์กัดกลุ้มก็ครอบงำไว้โดยตลอดแต่คุณครองพอจะเข้าใจนะการถ่ายเลือดไม่เหมือนกับการถ่ายน้ํา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 หากคุณเคยเทสไว้ก่อนแล้วฉันจะบอกคุณเองว่าคุณจะกู้ชีวิตเขาได้ไหมกุ๊ปบีตรงกันกับของคุณชายหรือเปล่าดารินทิ้งมือลงอย่างสิ้นหวังหล่อนไม่ได้ตอบคําใดเกี่เขาแต่สายตาที่มองมานั้นย่อมบอกชัดขณะนั้นเองเงาต่ ง, งานเนื้อมของแง่ทายก็เคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างเตียงคนเจ็บทําไมนายหญิงไม่ถามแง่ทายดูบ้างเสียงห้าวๆนั้น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 หญิงสาวซอยปื้อตาทีเร็วแล้วที่เธอว่าเธอจำกลุ่มเลือดของเธอได้นั้นนะกลุ่มอะไรกุ๊ปอะไร AB นว่ายังไงนะบอกใหม่สิงแงซายหม่อมราชุงหญิงดาดินร้องล่านออกมาเะอึ่งพวดขึ้นยืนลืมตากว้าง AB นกาติ A B ดาลินตัวสั่นเทาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้อยู่ในความหมายตื่นเต้นสมนัตแทบจะระงับไว้ไม่ได้ ใบหน้าอันซีเซียวปรากฏสีเลือดขึ้นในบัตรนั้นตาเป็นประกายตรงเข้ามาขย่าวแขนแง่ซ า, ายโดยเร็วร้องถามระร่ำรักเธอแน่ใจหรือแ ง, ง่ซายว่าเลือดของเธอกรุ๊บนี้จริงๆโดยจำไม่ผิดทุกคนเห็นใบหน้าสีทองแดงดวงนั้นยิงมฟันยิ้มแน่ใจครับนายหญิงและถ้าหากเลือดของแง่รา ย, ายเป็นกลุ่มเดียวกับของนายใหญ่ก็ขอให้เลือดทุกหยดของแง่าย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 หลอนตอบอย่างระหวยดวงตาอดิโรยมองเมอชายยันก็ก้าวเข้ามาโอบกอดไหลไหว้กระซิปอ่อนโยนเอาละ่ะนอนพักเสื้อเถิดน้อยเธอกระปกกระเปีเ้ยเต็มทีแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้พักเลยทั้งคืนไม่ต้องกังวลอะไรหรอกฉันจะเฝ้าเชี่ยวขาเองถูกของคุณชายยันคุณหญิงควรจะพักได้แล้วพรานใหญ่พูดแผ่วต่า ม, มาอีกคนหนึ่งดาดินไม่เอ่ยคาใดอีกครั้งนี้ ใช้ปลายนิ้วขยี้เบาๆที่ดวงตาทั้งสองข้างแล้วเดินโผลเพไปทิ้งตัวอย่างหมดแรงบนเตียงของหล่อนมือทั้งสองประสานวางไว้บนอกพร้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพรียวเพียแรงภายในไม่กี่อึดใจต่อมาแง่าสายค่อยๆลุกตาขึ้นพร้อมกับยันกายพองหัวจะลุกขึ้นแต่รพินกด อ, อกไว้กระซิบเจีบขาดแกก็เหมือนกันแง่ า, ายลืมคาสั่งของนายหญิงเส็จแล้วหรือว่าให้แกนอนพัก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 ทางนี้ไม่ต้องห่วงผมจะดูแลเขาเองบรรยากาศของแคมป์ตลอดทั้งวันนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดขี่สุดลูกหาบเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด1ิบที่เหลือเท่าๆกับที่หัวหน้าคณะก็ตกอยู่ในอาการหนักอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดฝันมาก่อนอันเนื่องมาจากผลของการบุกเข้าโจมตีของกองทัพช้างมฤุตยูภายใต้การนาของไอแวงจอมมหาการ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 ไม่มีวันศีละทุกสิ่งทุกอย่างมันไปรวมอยู่ในข้อที่ว่าพวกเราเป็นห่วงแกเท่านั้นและความเป็นห่วงกังวลนี่แหละทำให้ทำอะไรไม่ได้ถนัดนักเชี่ยถาโบกมือสรุปอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเพราะฉะนั้นเป็นอันหมดปัญหาไปพรางหันมาทางละพินถึงผมจะเจ็บนอนแซ่ลอยู่กับที่ชั ย, ยันยังอยู่น้อยก็ยังอยู่คุณเองหรือแง่ทาย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 จำไว้นี่เป็นคำสั่งแผนไายแหว่งจะต้องไม่ชะ ง, งักใดๆทั้งสิ้นล้มมันให้ได้ชายยันเอื้อมือมาบีบไหล่คนเจ็บเบาๆเอาละสบายใจได้แล้วเชษฐาเราจะปฏิบัติตามที่แกต้องการพักผ่อนเชษเถอะฉันก็คิดเหมือนกันว่าแกจะต้องหายในเร็ววันพรานพื้นเมืองและพวกผูกหาบทั้งหมดเข้ามาเยี่ยมดูอาการของหัวหน้าคณะและก็พากันกลับออกไปภายหลังเมื่อดาลินให้ยานอนหลับแกคนเจ็บ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 ในวิกฤตการณ์ที่แวดล้อมอยู่ขณะ น, นี้อำนาจของป่าไม่เคยมีอิทธิพลยิ่งใหญ่อยู่อำนาจของป่าไม่เคยมีอิทธิพลยิ่งใหญ่อยู่เหนือจอมพรานอย่างเขาแต่บางขณะมันก็สแสดงดิ้ดเด็ดคุกคามผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของเขาจนยากที่จะสกัดกั้นป้องกันไว้ได้ทันสิ่งที่น่าวิตกสำหรับทุกคนต่อมาก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นอาการของเชือถาสุดหนักลงอีก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 ไอ้แหวงก็จะต้องแยกไปกับบริวารชุดเดิมของมันคงยากที่จะมาชุมนุมพลรวมกันเป็นกองทัพได้อีกในระยะนี้อะไรที่ทาให้คุณมั่นใจอย่างนั้นวินาทีสุดท้ายของการประจันบานระหว่างเรากับมันเมื่อคืนวานนี้ครับทำให้ผมมั่นใจเช่นนี้เสียงระเบิดและอำนาจระเบิดทำให้พวกมันแตกกระจายหัวสุกหัวซูลป่าราบไปนั่นก็เท่ากับเป็นการแยกกาลังส่วนใหญ่ของมันให้แตกออกไปแล้ว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 ชยันว่าก่อนเที่ยงเล็กน้อยก็มาถึงยอดเนินเตี้ยๆลูกหนึ่งภูมิประเทศสลับซับซ้อนไปด้วยแก่งโขดทิ่หน้หนทางเข้าออกอันแคบจำกัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจะใช้เป็นประการถาวรเพื่อตั้งรับการโจมตีของช้างโขงได้อย่างปลอดภัยพระพินสั่งให้ปลดเกวียนตรงสัมภระลงในทันทีนั้นภายหลังจากวางแคมป์เรียบร้อยในลักษณะที่มั่นถาวรพรานใหญ่ก็เข้ามาในกระโจมพักของนายจ้าง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 เมื่อพบเห็นกันครั้งแรกที่สถานีกักสัตว์ของนายอัมพลราชส ก, กุลสาวผู้นี้มีผิวสีชมพูยองใหญ่แต่บัดนี้กลิ่นไอของความตากตามสมบุกสมบันย้อมผิวสีชมพูนั้นให้เข้มข้ําลงประหนึ่งสีน้ำผึ้งงามคมซึ้งไปอีกลักษณะหนึ่งสตรีผู้นี้ไม่มีความงามอะไรเลยสำหรับเขาหยามเมื่อรอ น, นั่งปรุงโฉมอยู่หน้ากระจกแล้วพิมพิดในชั่วแวบแต่งามประทับตาตึงใจที่สุด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 ควรจะรักษากำหนดเวลานัดให้เตียงตรงที่สุดไม่งั้นฝ่ายรอเป็นห่วงแย่ผมก็คิดในข้อนี้ถึงได้รีบกลับมาทั้งทั้งที่บุญคำชวนให้ตามต่อแล้วก็หันไปจับเบาๆที่ปลายเท้าของเชี่ฐาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มว่าคุณชายรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับล่าชสกุลหนุ่มหัวเราะขณะฝืนยิ้มตอบ พ, พึมพำขอน้าจัชัยยันรับไปดื่มแล้วผ่อนลมหายใจยาว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 เราจะค้นหารอยมันได้พบหรือชายยานครางความเห็นมาต่ําๆแล้วพิงยังไม่ตอบเพราะกาลังคุ้นคิดอะไรอยู่เชษฐาก็ตอบแทนมาว่า <Okay. S 1> ช้างไม่ใช่มดมันผ่านไปทางไหนก็จะต้องปรากฏร่องรอยไว้ให้สายตาพรานสังเกตได้เสมออย่างน้อยก็ร่องรอยของการหาอาหารยิ่งในขโขลมีช้างเจ็บพิการอยู่ด้วยก็ยิ่งทําให้ทิ้งร่องรอยมากขึ้นสำคัญให้ค้นพบรอยเริ่มต้นครั้งแรกก่อนเท่านั้น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 แล้วก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่ามันเข้าไปในบริเวณหุบนั้นโดยทางไหนหรือว่าแยกไปทางอื่นเสียแล้วระหว่างที่พี่ชายกับเพื่อนหา ห, าหรือโต้แย้งกันอยู่ดาดินนั่งฟังอย่างสงบหล่อนไม่อยู่ในฐานะที่จะออกความเห็นเช่นไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังจากดื่มเบรนดีจนหมดแก้วรพินก็บอกว่าก็ยุ่งเหมือนกันครับถ้าเป็นกรณีอย่างที่คุญชัยยันว่าเจอถึงอย่างไรเราก็ต้องพยายามกันดูผมเองก็ร้อนใจเหลือเกิน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 ไอแววงจะต้องหลบเข้าไปในหุบหมาหอแน่นอนครับผู้กองทุกคนหันไปมองไปตาเดียวที่มาของเสียงคืองแง่ายผู้ยืนอยู่ริมประตูกระจกขณะนี้มองประสานตาครมกริดของรพินมาอย่างยากที่จะอ่านความรู้สึกเช่ถามยักษ์หน้าเรียกให้งแง่รายเข้าไปใกล้ขอบใจมากงแง่รายที่นายเริ่มแสดงความเห็นช่วยเหลือพวกเราบ้างแทนที่จะอมพนั น, นดูเชิงพรานใหญ่ของเราแต่ถ่ายเดียว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 ถ้าค้นไม่พบด่านลับนั้นเราก็ไม่มีวันตามมันทันแม้ว่าจะรู้ว่ามันเข้าไปหลบอยู่ในหุบเพราะจะต้องตายน้ำผาลงหุบกว่าจะไปถึงมันก็ย้อนกลับออกมาป่านอกคอยหลบล่อให้เราไล่อยู่อย่างนี้เราจะหมดแรงไปเองพรานใหญ่เม้มริมฝีปากเหลือมองหน้าคณะนายจ้างบอกตำต่ำว่าน่าจะเป็นอย่างแง้าสายพูดเสียแล้วละครับงถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วพว่งนี้คุณจัดทีมตามมันได้เลย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 จอมพานรับคําหนักแน่นเอื้อมมือไปบีบมือนายจ้างผู้สูงสักเบาๆคุณชายโปรดทําใจให้สบายและพักผ่อนรักษาตัวให้ดีเถิดครับอย่าเป็นกังวลไปเลยเรื่องไอ้แหว่งเป็นภาร ะ, ะของผมเองพรุ่งนี้ผมจะเริ่มออกตามมันอีกครั้งดีแล้วน้อยอยู่ดูแลเชษฐาเถอะเขาไมิควรจะห่างหมอในระยะนี้ชา ย, ยันว่าหญิงสาวพยักหน้าแล้วหันไปดูตาระพินนิ่งตึกตองอยู่อึดใจก็าถามว่า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 ส่วนการพิคาดไอแหวงพวกเราหลายคนทากันได้อยู่แล้วเปิดพิจารณาดูตามเหตุผลนี้เถิดครับหลอนอึ้งไปอย่างจำนวนและรู้สึกว่าพรานไพยใจฉกาจคู่อริของหลอนพูดคัดค้านหล่อนอย่างรื่นหูและมีเหตุผลที่น่ารับฟังเป็นครั้งแรกผิดไปกว่าการโยอันเป็นปกตินิสัยเคยของเขาเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปวิงเวลยให้ช้าออกไปดอกน้อยยิ่งทิ้งเวลาห่างออกไปเท่าไหร่ การตามมันก็ยิ่งลำบากหมดหวังขึ้นเพียงนั้นอย่าถ่วงเวลาเขาไว้เพียงแค่ความหมายที่น้อยต้องการจะไปด้วยเลยถ้าน้อยอยากจะไปจริงๆก็ไปพร้อมพวกเราพรุ่งนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นห่วงพี่ก็ไม่ต้องไป่เสียเชิดถาบอกน้องสาวด้วยเสียงนุ่มนวลหล่อนยิ้มให้เอามือพี่ชายมาแนบไว้กับแก้มหันไปพูดกับพระพินเป็นอนว่าพวกคุณไปกันเถอะฉันต้องอยู่กับพี่ใหญ่ว่าแต่จะไปกันหมดเลยหรือ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 เห็นชายยันเตรียมสัมภาระส่วนตัวพลางหาวอดกอดก็บอกว่านอนสิเธอชายยันเมื่อคืนนี้ก็เฝ้าเวรพี่ใหญ่แทนฉันแล้วพรุ่งนี้ก็จะบุกอีกคืนนี้ฉันจะดูพี่ใหญ่เองเธอนอนให้สบายดีเหมือนกันอดีตนายทหารเปลียนใหญ่อาป่ากหาอีกครั้งแล้วหายตัวลงนอนบนตียสนามของเขาโดยแรงป้ายหัวแม่มือไปทางเชืฐาผู้นอนหายใจแผ่วอยู่พูดอุยต่อมาว่าย่อชายของเราเป็นยังไงบ้าง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 ถ้าไม่ใช่เพราะป้องกันฉันไว้ตัวเองก็คงไม่เจ็บเกือบตายอย่างนี้ก็มีอยู่สองในเท่านั้นระหว่างเธอกับเชษฐาถ้าเขาไม่รับเคาะแทนเธอป่านนี้เธอก็อาจถูกก้อนหินที่กลิ้งอมาทับแหลกไปแล้วดูแลเขาให้ดีก็แล้วกันระหว่างที่ฉันไม่อยู่จบประโยช ย, ยันก็ดูเหมือนจะหลับไปในทันทีนั้นส่งเสียงกรนอยู่เบาๆหญิงสาวยิ้ม น, น้อยๆมองดูเพื่อนชายผู้ที่รักใคร่สนิทเป็นหนึ่งพี่ชายร่วมสายโลหิตอย่างอินดู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 ดึกๆมีอะไรที่จะให้ช่วยฉันจะปลุกเองได้ครับหลอนยิ้มอย่างพอใจเดินเข้ามาตบแขนพรานเท้าและหันไปพยักหน้ากับอดีตนายทหารกองโจรกระเรียงเอาล้าแง่ทรายไปนอนได้แง่ทรายปฏิบัติตามคําสั่งของรอนอย่างว่าง่ายลุกขึ้นเดินไปร่มตัวลงนอนอย่างที่ของตนบุญคำก็ซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิตรงที่ของแง่ทรายเงยขึ้นมองดูหญิงสาวด้วยสายตาเคารพยำเก่งและเลื่อมใสาถามเบาๆว่า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 ดารินสุดตัวลงนั่งบนกระสอบเข้าสารตรงหน้ามองดูเขาอย่างกังวลถึงอย่างไรคุณก็ไม่ควรจะทิ้งแคมป์ปนานนะักพี่ใหญ่กำลังเจ็บผมได้รับคำสั่งจากคุณชายให้ตามไอ้แหว่งได้โดยอิสระไม่จำกัดเวลาและนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องการมานานแล้วเขาตอบโดยไม่ได้เงินหน้าขึ้นจากการทำความสะอาดลูกเลื่อนปืนพี่ใหญ่กาลังไม่สบายมาก ในขณะเดียวกันก็มีจิตมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดไอ้แหวงลงให้ได้โดยไม่ยอมคำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นคุณไม่ควรจะยึดเอาคำสั่งของเขาเป็นหลักปฏิบัติแบบเท็นตรงเกินไปหล่อนเอย่ยแผ่วเบามองดูเขาอย่างขอร้องอยู่ในทีฉันคิดว่าถ้าภายในสามวันเป็นอย่างช้ายังไม่ได้เรื่องอะไรคุณควรจะกลับมาแคมป์ก่อนถึงแม้ที่นี่จะเป็นชยภูมิที่ปลอดภัยเพียงพอ แต่เมื่อไม่มีคุณไม่มีแงซ า, ายไม่มีชายยันเหลือแต่ฉันกับพี่ใหญ่ผู้นอนแช่อยู่บนเตียงต่อให้บุญคำกับพวกคูกหาดอยู่ด้วยมันก็เหมือนกับว่าฉันถูกทิ้งอยู่คนเดียวพระพินเหลือบมองดูรอนอย่างเห็นใจยิ้มนิดหนึ่งเอาละครับผมจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดภายในไม่เกินสามวันที่คุณหญิงกาหนดไว้ให้ยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากงามคู่นั้น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 ซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แล้วในข้อนี้พรานใหญ่หัวเราเอ่อยๆในลำคออยู่เช่นนั้นก้มลงชำระปืนตามเดิมโปรดอย่าวิตกไปเลยครับเจ้าแง่ายของคุณหญิงคนนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องน่าห่วงเลยสักนิดเดียวคนที่น่าเป็นห่วงในกรณีนี้มีหลายคนนักคนแรกก็คือคุณชัยยันรองลงมาก็เสยเกิดและจันเป็นลำดับ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 หล่อนกล่าวเสียงอ่อนมีกระแสวิงวอนอยู่ในทีรบินยักษ์ไรตามปกติแล้วกระมนลสันดานของผมทนมองเห็นใครได้รับอันตรายตามตาอยู่เบื้องหน้าไม่ได้หรอกครับก็าหากว่าผมมีโอกาสจะช่วยเหลือได้อดีตี่แล้วมาในสมัยหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ชัดอยู่ว่าเจ้าหมอนี่เป็นสายของโจกรกะเรียงตำรวจของผมจะยิงทิ้งผมยังป้องกันหมอไว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 แช่งตัวเองถ้าคุณถึงชีวิตก็แปลว่าศูนย์เงินค่าจ้างทํานำทางสองแสนบาทไปเปล่าๆมีหนำซ้ำยังมีพันธะที่จะต้องออกเงินค่าเลี้ยงดูแม่คุณไปอีกจนตลอดชีวิตมันไม่เข้าทีนักหรอกเพราะพรานภัยถ้ากลัวว่าจะเสียเงินค่าจ้างฟรีก็แผ่ความเป็นห่วงให้บ้างสิสักเท่าไปลก้อยก็ยังดีอีกฝ่ายบอกมาหน้าตาเฉย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 ท้าหรือระพินขยับตัวดารินลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์สระดผมที่ก้าวไว้รูดรูรุดกระจายสยายเคลียไร่ตาเป็นประกายมันระเรื่องริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มเพลิดพลักหลอนไม่เอ่ยคำใดโดยวาจาทั้งสิน้นแต่ดวงตาคู่นั้นประกาศชัดแน่ละมันเต็มไปด้วยอาการท้าทายกึ่งเยาะยันตาจ้องกันนิ่งอึดใจใหญ่คิ้วงามข้างหนึ่งของหลอนเลิกขึ้นน้อย จอมพรานถอนใจเฮือกเอ็นกายลงนอนหลังพิงเป้ พ, พูดตำมพยายามทำน้ำเสียงให้เป็นปกติเกิดเป็นผู้หญิงอย่าริอ่านหมิ่นเชิงชายแม้จะถือว่าตนเองเป็นหญิงสูงสักเป็นดอกฟ้าราตีสวัสด์ครับคุณหญิงกลับไปนอนเสียเถอะผมจะหลับละพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าขออภัยด้วยที่ผมพูดอะไรสามหาไปเมื่อครู่นี้ปดลืมเสเถิด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 เพราะหาผ้าสะอาดไม่ได้ต่างสบตากันอีกครั้งนี่นี่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าพันแผลอีกหรือนี่ตั้งหลายวันมาแล้วเจ้าของบราเซียผู้ตะกุกตะกักหน้าเป็นสีชมพูและพินยิ้มแค่นๆกลุ่มตรงรอยที่พันไว้มนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่มีความเก่งอะไรจะแสดงต่อเธอได้เลยเป็นคนอุทิศบราซียราคา1พบาท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 ออกมาบันจงผ g พันให้ที่ข้อมือตรงบาดแผลเดิมของเขาผูกเงื่อนไว้ให้เป็นโบพันให้ใหม่แล้วสะอาดกว่าใหม่กว่าพอใจหรือยังราคาเท่าไหร่แผลสีรุ้งผืนนี้ราคาของไม่มีหรอกมีแต่ราคาของน้ำใจพร้อมกันร่างระหงนั้นก็ยืนขึ้นขอให้โชคดีสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้ราตีสวรรค์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 หนึ่งน้ำค้างที่เกาะ อ, อยู่บนกิ่งใบปรึกษาครั้นยามดึกก็เนืองนองมากมายปานจะรองดื่มให้ฉ่ำซวงได้แต่พอรุ่งแจ้งแสงปัจจุบันสมัยส่องน้ำค้างก็ย่อมจะระลายเหือดหายไปน้ำใจนางก็เปรียบได้ฉะนั้นกระแสเสียงแห่งลำนำเพลงที่แง่าสายเคยขับดูเหมือนจะแวววิเวกอยู่ในโซดปราสาัของรพิน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 ถ้าแกเจตนาที่จะทำอย่าเอาแต่รอคอยคำสั่งประการเดียวเหมือนอย่างที่แล้วมาแงาสายไม่ตอบคำใดนอกจากยิ้มเหมือนแยกเคี้ยวตามนิสัยทำใจให้สบายเอะเชษฐาเราหกคนจะเอาไอ้แหวงให้อยู่มือให้ได้หวังว่าน้อยคงจะดูแลแกได้เป็นอย่างดีระหว่างที่ฉันไม่อยู่สั่งเสียสนทนากันอยู่เพียงอีกครู่เดียว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 หากเหตุการณ์จาเป็นเกิดขึ้นโดยไม่สามารถจะอาศัยไฟป่าตามธรรมชาติได้หีบสเบียงอันเป็นอาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่เตรียมมาอย่างเหลือเฟืออีกใบหนึ่งก็ได้รับคำสั่งให้เปิดขึ้นโชคดีหรือเกินน้อยเข้าของมากมายที่น้อยเตรียมมาอย่างเหลือเฟือเหล่านี้เรามีโอกาสใช้มันได้อย่างเต็มที่เพราะเหตุการณ์ที่ต้องลบกับไอแหวงนี้เองไม่งั้นก็คงจะเหลือทิ้งเปล่าใช้ไม่หมดหรอก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 เพราะผู้หญิงรอบข้อเห็นการไกลกว่าผู้ผู้ชายจริงของน้อยพี่ขอยอมแพ้เชื่อายอมจำนวนโดยดีดาลินหัวเราะเสียงใสบ่ายวันนี้อารมณ์ของหล่อนผ่องใสขึ้นเพราะอาการของพี่ชายดีขึ้นมากคิดถึงเรื่องนี้แล้วน้อยยังอดชีวตะพรนของเราไม่หายหล่อนกล่าวต่อไปบนหัวเราะ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 หยิบเสื้อคุมขึ้นมาสวมเอื้อมมือไปอยังเข็มขัดปืนสั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนใจคว้าไร่เฟิ่นขึ้นมาแทนช่วยไฟฉายติดมือเดินออกมายัางบริเวณเบื้องนอกบุญคานอนเอกนเนกมวนยาอยู่หน้าเตาน้ํามันกา๊าซซึ่งต้มน้ำหม้อใหญ่ก็ะลุกขึ้นหยิบปืนเดินตามหลังนายหญิงเป็นองครักษ์มาหญิงสาวเดินตรวจบริเวณไปรอบๆใช้ฝฟฉายกลาส่องออกไปยังราวป่าด้านนอกอย่างระมัดระวังนายหญิงสงสัยอะไรหรือครับ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 หล่อนก็รู้ว่าพอจะหลอกถามอะไรจากพรานเท่าได้เหมือนผู้ใหญ่หลอกเด็กซึ่งเจตนาของหล่อนก็มีอยู่แล้วบุญคำอยู่กับพรานใหญ่มานานสักเท่าไหร่แล้วดาลินเริ่มล้วงเรียบเคียงโดยอีฝ่ายไม่มีโอกาสเท่าทันโอ้ยห7เจปีแล้วครับนายหญิงตั้งแต่คุณละพินเพิ่งออกจากตำรวจใหม่ๆสารวจแรกอยู่แถวเขาอุมคลืมด้านโน้นนะ่ตอนนั้นยังไม่มาอยู่หนองน้าแห้งเลย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 มาทีไรก็ติดต่อคุณอัมพลให้ช่วยว่าจ้างคุณรพินนาออกเที่ยวล่าสัตว์ทุกทีแหละมีเพื่อนๆ เ, เป็นฝรั่งมาด้วยหลายคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็ให้ค่าจ้างสูงลิฟแต่คุณรพินไม่ยอมไปกับคณะนั้นขัดไม่ได้ก็ให้ผมนําไปแทนแต่คุณผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจรู้สึกว่าเธออยากจะให้คุณรพินเป็นคนนําเที่ยวมากกว่าถึงกับให้คุณอัมพลมาขอร้องคราวที่มาครั้งที่สอง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 ไอ้เกิดก็รีบด่วนมาจากบ้านพักบอกว่าคุณอัมพลให้มาตามกลับเพราะคุณผู้หญิงนั่นจะมาล่าสัตว์อีกแล้วพอรู้ข่าวแทนที่จะรีบกลับแกก็เลยแกล้งทวงเวลานอนในป่าเสียอีอาทิตย์จึงกลับไปถึงหนองน้าแห้งที่ไหนได้คุณผู้หญิงคนนั้นมาพักรออยู่ที่บ้านหนองน้าแห้งแล้วอีทีนี้มาคนเดียวบุญําผูถูรรขึกึกอย่างนึกสนุกอยู่คนเดียวตลอดเวลาดาลินตาสว่างโพรง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 เธอนอนพักที่บ้านหนองน้ําแห้งครับพอตกดึกคุณรพินก็ย้ายมานอนอยู่ที่เรือนเล็กกับพวกผมไม่พูดอะไรสักคำเดียวคว้าขวดเหล้ามาด้วยพอมาถึงก็ดื่มเสียหลรยอึกแล้วก็ลงนอนเอาผ้าคุมหัวผมสงสัยย่องออกไปดูที่เรือนใหญ่ปรากฏว่าคุณผู้หญิงคนนั้นเข้าไปนอนอยู่ในห้องของคุณรพินพ่านเท่าผู้ตกหลุมรวงของหญิงสาวประกอบกับความคืมของ28ดีกรีอันได้รับเป็นกำ น, นันปิดปากคราะคิกคักนี่แหละครับ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 หญิงสาวพยักหน้าช้าๆทำไมเราไม่ยุให้เจ้านายของเราตกลงปลงใจกับคุณแสงโสมคนนี้เสียล่ะทั้งสาวทั้งสวยมิหนาซ้ายัางออกร่ารวยอุตสาบุกบันมหาถึงกลางป่าเจ้านายของบุญคำแต่งงานกับเธอคนนั้นเสียก็ไม่ต้องมาลำบากบุกป่าฝ่าดงดักสัตว์ขายอยู่อย่างทุกวันนี้พวกบุญคำก็จะได้พลอยสบายไปด้วยผ่านเท่าตกหัวเข่าตัวเองดังฉาหัวเราะเอิก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 หน้าร้อนที่แล้วส่งจีแบรนด์ลเวอร์ใหม่เอี่ยมมาให้ใช้ทั้งคันแปลกแท้คุณรพินเอาไปทิ้งไว้ที่สถานีกักสัตว์คุณอภรพ์ไม่ยักเอามาใช้สักครั้งเดียวเสื้อกันหนาวสวยสวยให้มาก็ไม่เห็นยอมใส่โยนหมกอยู่ในตู้ไม่ว่าอะไรไม่ยอมใช้สักอย่างเก็บสุมรวมรวมกันไว้กองผนเปนไม่เคยแตะต้องนานๆก็เข้าไปยืนดูสทีแล้วก็ดื่มจนเมาหลับไปปุ่คําว่าเขาเกลียดคุณแสงโสมนี่มากหรือ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 หล่อนก็หมุนตัวเดินกลับแหวกประตูกระจมรับหายกายไปปล่อยให้บุญคานั่งอ้ปาปากค้างกระพริบตาปลิบๆงงงันอยู่คนเดียวหญิงสาวชักพระห่มขึ้นกลุมตัวประสานท่อนแขนทั้งสองรองศีรษะไว้จ้องมองดูเพดานมุ้งสนามเตี้ยๆอย่างป่าจากความหมายเสียงลมหายใจของพี่ชายผู้นอนอยู่เตียงติดกันใกล้ๆได้ระดับอ่อนสม่ำเสมอแสดงว่าหลับสนิท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 ฐานไฟเก่าจะไม่ลุกโชดขึ้นมาบ้างเจียวหรือในเมื่ออดีตคนรักตามเข้าไปมอบตัวจนถึงห้องนอนในเวลาวิกาลอันสงัดเช่นนั้นทำไมถึงจะต้องลุกขึ้นหนีไปนอนกับลูกน้องเสียพลอยทำให้บรรดาลูกน้องทั้งหลายซึ่งไม่รู้ความในอันเกี่ยวพันกันมาก่อนต้องพากันอัศจรรย์ใจและคิดถัวรยเราะยะกันอยู่จนทุกวันนี้ซ้าตัวเองก็ผ่านจงเกลียดจงชังผู้หญิงโดยไม่เลือกหน้ามาตลอด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 กว่าจะรับลงได้ก็เป็นเวลาเลยที่ยงคืนท่ามกลางความหนาวเย็นและสงัดเงียบของป่าใหญ่ประมาณตีสดาลินและเชษฐาสะดุ้งตื่นพูดพลาดขึ้นมาอย่างตกใจเสียงปืนนัดหนึ่งระเบิดกึกก้องไปทั้งแคมป์หญิงสาวเผ่นลงจากเตียงอันเป็นเวลาเดียวกับที่พี่ชายพงกชันกายขึ้นร้องระรำรักน้อยเกิดอะไรขึ้นดาลินถลันเข้ามาจับตัวคนเจ็บไว้อย่าลุกขึ้นมากับพี่ใหญ่น้อยจะออกไปดูเอง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 ครั้นแล้วก็มีเสียงแผดบเรี่ยงขึ้นอีกนัดหนึ่งในความเงียบกลางดึกเช่นนี้มันดังสะท้านไปทั้งเนินเขาเชื่อฐาเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายแทบจะเพ่นตามน้องสาวออกไปแต่เขาก็ไม่สามารถขยับร่างกายท่อนล่างได้เพราะพิษเจ็บปวดจากบาดแผลครูใหญ่ดารินก็แวกประตูกระจมกลับเข้ามาสีหน้าไม่แสดงว่ามีเรื่องร้ายแรงช น, นิดใดเกิดขึ้นเหมือนเช่นที่เขาระแวงอยู่ในขณะนี้ เสือดำค่ะมันย่องเข้ามากวนควายบุญคำยิงน้องสาวบอกเรียบๆ ย, ยกมือเสยผมนั่งลงบนเตียงพรางหัวเราออกมาเบาๆได้ตัวหรือเปล่าเห็นยิงสองนัดพี่ชายถามเร็วปือ้อคาที่ไปตอนนัดหลังนี่หละค่ะตัวไม่โตนักบุญคำบอกว่ามันตายโคถินขึ้นมาควายได้กลิ่นดิ้นขึ้นถึงได้รู้พอสองไฟก็พบพอดีแล้วควายละ่ะถูกมันกัดหรือเปล่า ยังไม่ทันเพ่นลงมาหรอกคะ่ะบุญคำยิงซสก่อนลงมาดิ้นปัดอยู่ข้างข้างควายตอนที่น้อยวิ่งออกไปบุญคำก็เข้าไปซ้ำอยู่หมัดไปแล้วเชี่ถาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกวางปืนลงตามเดิมใจหายหมดสิน้นเคาะไปทีนึกว่าไอแหว่งบุกอีกเสียแล้วบุญคำหูไวเอาการแบบนี้ก็พอไว้ใจกันได้หน่อยพี่กำลังหลับเพลินทีเดียวเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปวดแผลหรือเปล่า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 ทว่าก็หูไวตื่นได้ในทันทีที่หลอนเรียกใช้หรือแม้แต่ฝีเท้าอันแผ่วเบาของหลอนขณะที่ย่องเข้าไปใกล้ขณะที่แกนอนหลับกลนอยู่ก็ไม่เคยที่บุญคำจะไม่รู้สึกตัวหลับก็ได้ครับนายหญิงแต่ขอให้หูไวเท่านั้นชีวิตเดินป่าขึ้นตื่นอยู่ยามตลอดเวลาก็แย่เท่านั้นผานเท่าแห่งเขาอึมครึมบอกกับหลอนบุญคานี่เหมือนกับผานใหญ่ละพินนะ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 ซึ่งมีเรื่องราวพิรุกึกกือสารพัดในป่าเล่าให้หลอนฟังอย่างเพลิดเพลินพอคืนที่สผ่านไปดารินก็เริ่มกระโวนกระวายยังไม่มีข่าวจากคณะติดตามไอแหว่งแว้วมาให้ทราบเลยพรานใหญ่ผิดสัญญากับหล่อนเสียแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากจะทำนายเหตุการณ์สำหรับหล่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำนองไหนและผินควรจะต้องนำชายยันและคณะย้อนกลับมาที่แคมป์ภายหลังจากสามวัน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 ชายยันนําคู่มากับแงซายส่วนพรานใหญ่รังท้ายดาลินกระโดดรุกขึ้นยืนร้องออกมาพวกนั้นกลับมาแล้วพวกลูกหาบที่พากันนั่งจับกลุ่มพักอยู่ใต้เพลิงก็เหลือบไปเห็นพร้อมๆกับหล่อนพากันร้องทักทายเกลียวกราวและบอกกันแซดไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งหกคนซึ่งเปียกฝนและโคลนมอมแมมไปทั้งตัวก็เข้ามาพร้อมกันอยู่ต่อหน้าของเชิดถา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 หัวหน้าคณะเดินทางร้องลั่นลืมตาโพรงจ้องหน้าชายยันกับรพินสลับกันพรานใหญ่ขณะนี้ซุดตัวลงนั่งบนลังใบหนึ่งขว้าผ้าขนุนขึ้นมาเช็ดน้ำบนเหงื่อบนใบหน้าและรับถ้วยกาแฟที่ชายยันดินแจกจ่ายคนอื่นๆนั่งรายร้อมลงกับพื้นบุญคํากับนายเมย์หัวหน้าลูกหาบโผล่เข้ามาในแคมป์มุงฟังข่าวดูด้วยความกระหายจริงเหรอรพินที่แหว่งย้อนกลับมาทางค่ายพักของเราอีกครับ เขาก้มศีรษะรับประกายตาเครียดเคร่งเราไปงงรอยของมันที่เขานางเสียสองสัมวันเต็มแล้วก็พบว่ามันวกกลับทีแรกนึกว่าจะเลิดลงใต้ไปทางภูกตะเค้อแต่ผิดคาถนัดมันตัดสันเขาเตี้ยๆลงทุ่งบ่ายหน้ามาทางป่าหวายอีกแล้วก็ตรงเข้าเส้นทางที่เราตั้งแคมป์อยู่นี่ทิศทางของมันอ้อมเป็นวงรีอย่างไรพิกเราก็ชันลอยมันมาโดยไม่ยอมหยุดเลยแต่ตามไม่ทัน ห่างกันประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงระหว่างที่กวดตามหลังมาพวกเรานึกว่าจะอย่างไรเสียมันก็คงหวนมาตีท้ายกลัวอีกแล้วเอ๊ะแปลกจริงดาดินอุทานออกมามองไปทางบุญคำพวกเราทางนี้ไม่ได้ว่แววกระตกกระต่างอะไรเลยไม่ใช่หรือบุญคำทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชี่ยบปกติครับเราไม่ได้ยินเสียงของพวกมันเลยบุญคารับคาโดยเร็วหน้าตื่นงงไปหมดเช่นกัน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 แยกแน่นอนแล้วครับลูกโครงที่ตามมันในคราวนี้มีอยู่ไม่เกิน30สบตัวแต่เห็นจะไม่น้อยกว่ายี่สิบทิทางของมันเดินตามลมอยู่ตลอดเวลาแล้วดูเหมือนจะมีเจตนาโดยตรงที่จะล่อให้เราตามวกไปวนมารัพินตอบเสียงต่ำรึอ๋อนี่แปลว่าที่พากันย้อนกลับมาแคมป์ก็เพราะไอ้แหว่งมานำทางมาหลอกหรือหม่อมและชูงหญิงดาลินเปยขึ้นรอยรอยแต่ตาจับอยู่ที่พรานใหญ่ เขาไม่ตอบก้มลงจุดบรุรีอัดควันจนแก้มตอบตาหลีคลึ้มลงไม่มองสบรอนชัยยันเป็นคนบอกมาแทนว่าก็ใช่น่ะสินึกไม่ถึงว่าไอ้แหวงมันจะชวนเราเดินกลับแคมป์ไอ้มหาวายร้ายนี่ผีหานรกมาเกิดในร่างของช้างแท้ๆเราได้คู่ต่อสู้ที่น่าชมทีเดียวไม่ว่าในด้านกําลังหรือไหวพลิบเล่กนเชื่อถาพึมพำเม้มริมฝี ป, ปากแน่น ก็ดีให้มันร้ายกาจจริงอย่างนี้เถอะการขับเคลียรระหว่างมันกับเราจรึงจะออกรถถึงพริกถึงขิงพวกเรากลับมาถึงแคมป์กันก่อนก็ดีแล้วกําลังนึกถึงอยู่ทีเดียวทุกคนไปพักผ่อนซิก่อนไปคืนนี้กยปรึกษากันใหม่ชายยานงายหลังลงบนแผ่บนเตียงสนามคนอื่นๆพากันออกไปจากกระโจมพักของนายจ้างแล้วผินนั่งสู่บุหรี่อยู่อีกอึดใจก็ฉ่วยปืนลุกขึ้นยืนช้าๆบอกว่า ผมจะออกไปตรวจรอยของมันที่ผ่านชายทุ่งอีกสักครั้งประเดี๋ยวจะกลับมาอ้าวเพิ่มมาถึงหยกโยกจะออกไปอีกแล้วหรือพักสักก่อนเถอะเชี่ยถาท้วงมาโดยเร็วอย่างเป็นห่วงจอมพรานหัวเราะอยู่ในลำคอไม่เป็นไรหรอกครับคุณชายผมจะไปสำรวจดูหน่อยเดียวเท่านั้นบางทีจะรู้ว่ามันมีแผนอย่างไรต่อไปเมื่อกี้ยังดูไม่ถนัดนักแวะเข้ามาในแคมป์นี่เสียก่อนขืนช้าประเดี๋ยวข้ามการตรวจรอยจะทาได้ยาก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 อย่านึกว่าหมอจะคอยพวงยอมเสียเวลาอยู่เหมือนก่อนๆหมอใช้สมรรถภาพในเชิงพรานของหมอเต็มที่เลยอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักฝีเท้าตกแล้วก็ตามการยชนิดเอาเป็นเอาตายซึ่งสภาพอย่างเราเล่าต้อยเคยชินชำนาญสักขนาดไหนก็เทียบอัตราส่วนกับหมอไม่ได้เลยแม้แต่น้อยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่รพินจะมามัว อ, อมฝีมืออยู่อีกเช่อถาว่าหัวเราหึ่ห ฉันรู้ว่าศึกไอ้แหว่งครั้งนี้พรานของเราหนักใจมากและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ทีเดียวถ้าเอามันไม่อยู่เขาก็มีพรานเขาก็มีอาชีพพรานอยู่ไม่ได้พวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะร่วมกับเขาก็ต้องพยายามให้ทานเขาในทุกด้านอย่าให้กลายเป็นภาระหรือเรื่องกังวลของเขาไปแล้วก็หันมาทางน้องสาวกล่าวเป็นงานเป็นการสําหรับน้อยพี่คิดว่าอยู่กับพี่ดีกว่า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 ก็ยอมจะกระทำการรบพิษนัดชายยันกล่าวเสริมมาเป็น่า ย, ยาวทั้งทางหลับตาอยู่เชิถากับดารินอดทุรเอออกมาไม่ได้อ๋อนี่เป็นนบรรดาขุนศึกที่จะรบกับไอ้แหวงมหาราชทั้งหลายเราทุกทักตัวเองว่าเป็นขุนศึกมือดีกับเขาได้หรือชายยันเปล่าไพาเร็วตังหากเพื่อนชายตอบมาพางดึงตัวลุกขึ้นนั่งถอดรองเท้าคอมแบตออก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 ระยะนี้พี่ใหญ่เขอยังชั่วมากแล้วพอจะให้อยู่กับบุญคาตามลาพังได้ถึงจะอึดอัดขัดข้องอย่างไรแล้วผินก็ไม่คงไม่กล้าทักท้วงหรอกเพราะรู้ลิศเธอดีอยู่แล้วลิศอะไรหล่อนกระชากเสียงถามโดยเร็วก็ลิศ ด, ดื้อดึงดันทุลังนะสิถ้า ง, งาั้นทั้งเธอและตาพานใหญ่นั้นก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างฉัน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 ถัดมาก็น้อยซึ่งเป็นตัวแทนของพี่ใหญ่ในกรณีที่เจ้าตัวเองต้องนอนเจ็บพิการอยู่ช่วขณะเช่นนี้คนอื่นข่ามันก็ไม่สมใจแต่พี่ไม่คิดอย่างนั้นใครก็ได้ขอให้กำจัดมันลงได้เท่านั้นพอใจแล้วพี่ไม่ได้อาค่ายพยิบัติอะไรมันเป็นส่วนตัวที่ต้องการกำจัดมันลงในครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นพรอพินแระบุญคำกลับมาถึงแคมป์ายหลังจากหายออกไปเพียงชั่วโมงเศษ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 ครับอธิบายได้ไหมมันหมายความว่ายัางไงไอ้แหว่งสู้เราครับไม่ได้หนีอย่างที่เข้าใจแต่แรกเลยและขณะนี้กำลังเล่นเอาเธอเจ้ารออยู่กับเรายั่วให้ตามครั้งแรกมันมุ่งไปเขานางเราตามไปมันก็วกอ้อมมาที่แคมป์พอตามมาอีกมันก็ซ้ารอยเดิมไปทางเขานางอีกระยะนี้อยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเผลอเท่านั้น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 ขาเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าจะดีขึ้นมากแล้วพลานใหญ่ถามมองไปยังขาข้างที่เจ็บของอดีตทูตทหารบกผู้เป็นนายจ้างเชิฐายิ้มสบายมากพรุ่งนี้มาเลอนนี้ก็คงจะพอขยเกได้น้อยกะไว้เดือนหนึ่งแต่ผมคิดว่าคงจะเร็วกว่านั้นว่าแต่คุณเถอจะเอายังไงต่อไปพรุ่งนี้ตามอีกครับเขาตอบง่ายๆแล้วหันไปมอดูชาัยยาันถามว่าไหวไหมครับคุณชัยยานัน พันตรีทหารปืนใหญ่นอกราชการหูวเราะราตามแบบฉบับของเขาจำไว้อย่างเดียวว่าคุณไหวผมก็ไหวเอาไหนเอาการไม่ยั้นเลยจอมพรานยิ้มมองดูชา ย, ยันอย่างรักน้ำใจรู้สึกยินดีที่สองชายผู้อยู่ในฐานะนายจ้างของเขาสามารถจ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับเขาได้เป็นอย่างดีซึ่งในครั้งแรกเขาไม่เคยมั่นใจในข้อนี้เลยเหตุการณ์ที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้ชัดแม้จะเป็นชาวกรุงผิวบาง แต่ทั้งคู่ก็เป็นนักผจญภัยเลือดข้นโดยแท้สมแล้วที่อาจหาในการเดินทางครั้งนี้พี่ใหญ่ค่อยยังชั่วมากแล้วคุณจะมีอะไรขัดข้องไหมถ้าฉันจะไปด้วยดารินถามมาแช่มช้าชัดเจนประกายตาดำสนิทจับนิ่งมาที่เขารรบินเริ่คิ้วมองดูนักมานุษยวิทยาคนสวยอย่างแปลกใจเล็กน้อยหวัวเราะเบาๆทาไมผมถึงจะต้องมีอะไรขัดข้องด้วยล่ะครับ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 กลางคืนเข้าไปนอนเฝ้าในายใหญ่ในเต็นท์ข้างนอกให้ในายเมยดูแลแทนไม่ต้องห่วงครับบุญคําจะรับใช้ในายใหญ่ให้ดีที่สุดในเต็นท์ดาดินเตรียมของบรรจุโรงย่ามหลังประจําตัวเสร็จก็ออกมาเพื่อจะสั่งความกับบุญคําฝากฝังพี่ชายพบพรานใหญ่กําลังนั่งอยู่ในวงร้อมของคนของเขาก็เดินตรงเข้ามานายหญิงต้องการอะไรหรือครับบุญคําถามยิ้มยิ้มปล่ารอง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 ข้อเท้าที่แพลงของคุณหญิงหายเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่ต้องมาทําไก่ถามถึงข้อเท้าเสียงของหล่อนคุณตวัดหางตาผ่านใบหน้านั้นพูดอุบอิบอยู่ในราคอไม่รอไว้อีกสักปีแล้วค่อยถามนี่เพิ่งจะมานึกถามเอาป่านนี้ฉันหายเรียบร้อยดีแล้วอ่ะตั้งแต่คืนที่ไอ้แหวงบุกหนักคืนนั้นนั่นแหละอารามตกใจที่พี่ใหญ่เจ็บหนักความจริงคุณหญิงควรจะยินดีนะครับที่ผมคาดกําหนดไป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 ผมกลับมาถึงแคมป์เมื่อบ่ายนี้ผมกลับมาถึงแคมป์เมื่อบ่ายนี้ทํามาแปลกตาเกือบจําไม่ได้คุณหญิงสร้างค่ายพักของเราเสียสบายหน้าอยู่สีหน้าของร่อนชาเฉยเป็นปกติแต่ตาเป็นประกายสุขใสฉันไม่ได้สร้างบุญคํากับพวกลูกหาบต่างหากแต่คุณหญิงเป็นคนออกคําสั่งและคุมงานรู้ได้ยังไง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 สิ่งใดก็ตามที่พูดออกมาแล้วเพราะหูหรือไม่เพราะหูก็ล้วนพูดออกมาจากใจจริงทั้งนั้นไม่มีการเสแสร้งคุณคิดว่าผู้หญิงรักกระเพทชอบประจนภายในเกมของผู้ชาย อ, อกสามศอกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําปานาติบาตอย่างฉันนี่นะเป็นกุลสตีหรือนั่นเป็นคุณ ล, ลักษณะผิวเผินภายนอกที่ต้องการจะชดเชยอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งขาดไปเท่านั้น แต่ธาตุแท้ของคุณหญิงก็คือรูกผู้หญิงสามัญธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับการกล่อมกล่าวมาอย่างดีในกรอบของกุลสัตรีหรือเจ้าตัวเองอยากจะปฏิเสธพยายามปรักปรำตัวเองใบหน้างามเปล่งปลั่งเพราะได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพียงยามนี้ผุดผ่าเต็มไปด้วยเลือดฝาดที่ดันริ้วขึ้นอาบสองแก้มตาคู่นั้นเมินไปจากสายตาที่จับจ้องมาของอีกฝ่ายหนึ่ง พ, พึมพำอยากจะรู้ว่า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 ไม่มีเจตนาดีอะไรกับผมเอาเสียเลยไม่หนำซ้ายังไม่ยอมรับเจตนาดีที่แสดงต่อด้วยทำให้หนักใจมาตลอดแล้วเดี๋ยวนี้่ะก็ยังไม่แน่ใจนะักดีแล้วที่ไม่ประมาทอีกสองสามกจะถึงกระโจมพักหญิงสาวหันหน้ากลับมาอย่างไรก็ตามขอขอบใจอีกครั้งที่คุณไม่แสดงอะไรเป็นการขัดขวางฉันในการร่วมทางติดตามไอ้แหวงพรุ่งนี้ ทั้งสองคนนั้นไม่เต็มใจจะให้ฉันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ใหญ่ถึงกับออกป่าไปเชิงห้ามฉันไว้ถ้าคุณท้วงขึ้นสักคำเดียวฉันก็คงไม่ได้ไปแน่ๆดีที่คุณไม่แสดงอาการขัดข้องอยใดออกมาโพินยักไหล่นิดหนึ่งยิบน้อยๆปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากอันรกขึ้นไปด้วยหนวดเคราไม่มีเหตุผลหรือประโยชน์อันใดที่ผมจะไปขัดขวางกิจการคุณหญิงไว้ทําให้คุณหญิงยิ่งชังขี้หน้าผมเพิ่มขึ้นเสียเ ป, ปล่า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 ผมก็ว่าแล้วยังจะมาคาดคะนห้พูดตรงๆอะไรอยู่อีกพูดตรงหรือไม่ตรงผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาในแบบนี้อยู่วันยังค่านั่นก็คือถ้าจะทำอะไรแล้วคุณหญิงต้องทำให้ได้จริงไหมละครับที่ผมว่าเมื่อตะ ก, กี้ลูกผู้ชายนั้นพูดกันได้อย่างลูกผู้ชายแต่ลูกผู้หญิงก็พูดกันอย่างลูกผู้หญิงเหมือนกันเอามาชนกันไม่ได้หรอกดาลินกอดอกชมเลืองมองดูอีกฝ่ายด้วยปลายตา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 ยกธงหายคุณหญิงมาตั้งนานแล้วหม่อมราชวงศ์สาวตะแคงใบหน้าลงอมยิม้มเรามาทําความเข้าใจกันอีกสักครั้งก่อนเดินทางพรุ่งนี้ทําความเข้าใจยังไงแล้วปิงถามเรื่อยๆก้มลงหยิบกวดก้อนเล็กๆขึ้นมาเดาะเล่นอย่างปัสสาวะความหมายแล้วคว่างปลิวไปกระทบขวดหินกระดอนหายไปในเงามืดของป่ารกเบื้องหลังก็อย่างเดิมที่เคยตกลงกันไว้แล้วทุกครั้งนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลาเป็นห่วงฉัน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 คุณหญิงว่ายัางไงนะครับเมื่อตะกี้นี้นะ่ะไม่ได้ยินก็แล้วไปไม่มีการฉายซ้ำน้องสาวคนสวยของนายจ้างวางหน้าตายตอบมาเอาลิ้นดุลกับพุ้งแก้มทำเป็นเหลือบขึ้นไปดูกลุ่มดาวที่พราวสวายอยู่บนท้องฟ้าอันดำมืดระผินซอยเปลือกตาทีทีจ้องมองหลอนอยู่เช่นนั้นอย่างชงนช ง, งายคลานครั่นในที่สุดก็หัวเราะออกมาเบาๆจุดบุหรี่สูบคุณหญิงนี่เก่งทุกอย่างเลยนะครับ แม้กระทั่งในด้านสืบสวนสืบสวนอะไรไม่ทราบผมอยากจะรู้ว่าคุณหญิงมีวิธีอย่างไรนะจึงทำให้เขาหยุดเว้นระยะกว่าสายตาไปรอบๆแล้วจับนิ่งไปยังบุญคำผู้นั่งคุยอยู่กับพรานพื้นเมืองของเขาอีกสามคนยังตำแหน่งริมกองไฟที่เดิมหัวเราเอ่อยๆอยู่ในลำคอเช่นนั้นแต่ผ่านท่าบุญคานั่นขายนายของแกได้เอ๊ะคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเลย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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีตอนที่เล่าเข้าปากแปลกจริงเสียงร้องเบาๆจากท่าไกลอันสนิทสนมนั้นคุณว่าบุญคำมาขายหรือขายอะไรของคุณให้ฉันจนถึงกับต้องเดือดร้อนออกตัวเสียเป็นคุ้งเป็นแควฉันไม่เข้าใจสักนิดผมบอกตามตรงดีกว่าบุญคำเล่าอะไรให้คุณหญิงฟังโอ้ยสารพัดอย่างของป่าดงพงไพรสนุกออก ผมหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับผมอ๋อไม่ต้องสงสัยหรอกแกประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพของนายพรานและพินเสียจนฟังแล้วเอียนทีเดียวแหละไม่เสียแรงที่เป็นลูกน้องลูกพี่กันมานานผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแ้วเรื่องอะไรอีกล่ะหล่อนโยกยัว่วแล้วเขาก็รู้ทันอยู่ทุกขณะด้วยความหงุดหงิดโคลงศีษะจุปปะ๊บปะเบาๆในที่สุดก็พโลงออกมาว่า ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อง่าแสงโสมนั่นนะ่ะผู้หญิงคนไหนที่ชื่อแสงโสมแล้วก็ทําไมอย่างไรฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอยู่ไม่อยู่เหตุไดถึงมาเอ่ยชื่อนี้ขึ้นให้ตายเถอะคุณหญิงนี่ยอดเลยนะก็คุณหญิงเอ่ยชื่อนั้นเข้าหูผมอยู่เมื่อตะกี้นี้เองหูฝาไปเสียแล้วมั้งในพานฉันว่าคุณคงจะนึกถึงชื่อนี้ทุกรมหายใจเข้าออกอยู่กับมัง จนกระทั่งหูฝาดฟั่นเฟือนไปใช่นึกถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวเป็นคำตอบห้วนๆภายหลังจากอัดควันบุหรี่หายเข้าไปตาเข้มสีเหล็กคู่นั้นมีแววขมขื่นซ่อนลึกนึกถึงเสียจนเกลียดน้ำหน้าผู้หญิงทั้งหมดทั้งโลกอยากจะสาบให้เป็นชนีไปเสียให้หมดถ้าสาบได้ราชสะกุลสาผงะไปเล็กน้อยลืมตากว้างหน้างามดวงนั้นเผืดตรง หลอนตกใจไม่ใช่น้อยเพราะคาดไม่ถึงมาก่อนในประโยคอันสะท้อนถึงความปวดร้าวของหัวใจผู้พูดถึงเพียงนั้นภายหลังจากเงียบกันไปอีกอึดใจใหญ่หล่อนเอ่ยตะกุกตะกักแผ่วเบาฉันฉันเสียใจ้าหากว่าฉันพูดอะไรออกไปทำให้คุณไม่สบายใจยิ้มเกรียมเกลียมปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากนั้นสายตาอันกล้าวกระด้างดุดันอ่อนโยนลงคุณหญิงคงจะทราบเรื่องผู้หญิง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 ผู้หญิงทั้งหลายจะไม่เป็นอย่างหล่อนเสมอไปอย่างน้อยที่สุดก็คงจะมีหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศสักคนหนึ่งกล่าวจบเขาก็หันหลังกลับเดินผ่าจากักรลองไประพีนเสียงเรียกเบาๆดังมาจากเบื้องหลังกระแสเสียงอ่อนนุ่มหันกลับมาก็เห็นสายตาเย็นเย็นอ่อนซึ้งคู่นั้นทอดมองมาก่อนแล้วฉันขอโทษนั่นเป็นคํากล่าวขออภัยเป็นครั้งแรก ซึ่งออกมาจากใจจริงของราชสกุลสาวผู้แสนยิงอันเป็นนายจ้างที่เขาได้ยินพรานใหญ่ก้มศรีรษะคำนับอย่างสุภาพแล้วหันพระไปอีกครั้งประมาณตีหนึ่งเศษเศษฝนพ ร, รมเป็นละอองเย็นชำ่ำดาลินและชายยันตกใจตื่นขึ้นพร้อมๆกันเพราะการปลุกของเชืฐาทั้งสองผุดขึ้นจากเตียงก็เห็นหัวหน้าคณะยันกายนั่งกำลั ง, งเงี่ยหูเหมือนจะสะดับตับฟังเสียงอะไรอยู่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 พวกลูกหาบและผานทุกคนนอนกันอยู่ระเกระกะภายใต้ผ้าคลุมดูเหมือนจะหลับกันหมดแม้กระทั่งแง่ทรายผู้นอนขดตัวอยู่ดินชายผ้าใบาอันกั้นผนังเต็นทั้งสองกวาดสายตาไปรอบๆตายเลยพวกนี้หลับกันหมดไม่มีใครอยู่ยามสักคนดาดินอุทานออกมาเบาๆฉันจะไปปลุกระพินเองเธอปลุกแง่ทรายขาดคำชา ย, ยันก็สาวเท้าฝ่าระ อ, องฝนออกไป ดาดินตรงเข้าไปที่คนใช้ชาวโรงผู้นอนขดตะแคงอยู่พอร่อนซุดตัวโรงขยับจะเอื้อมมือไปปลุกแง่ท า, ายก็ผุดลุกขึ้นนั่งช้าๆทําทให้หญิงสาวประหลาดใจไปหมดไม่ทราบว่าแง่ท า, ายจะรู้สึกตัวอยู่ก่อนแล้วหรือเพิ่งจะมารู้สึกตัวเมื่อหล่อนเข้ามาใกล้เท่าๆกับที่ชายยานก็งงไปเหมือนกันเมื่อเขาย่องกลิบเข้ามาใกล้พานใหญ่ก็ได้ยินระพินพูดออกมาเบาๆภ า, า, ายใต้หมวกสกสารที่หลบปิดหน้าอยู่ว่า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 เกิดจันเสยและบุญคำตลอดจนแงสายและดาลินบัดนี้พากันเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มกับชัยยันผู้กำลังพูดอยู่กับพรานใหญ่ลูกหาปีกรายคนก็พลอยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยพร้อมทั้งบริเวณแคมอยู่ในอาการสงบเงียบเชียบเช่นเดิมไม่มีอะไรกระตกกระตากไอ้แหว่งหรือเปล่าผู้เปลยขึ้นกลางกลุ่มด้วยเสียงกระซิบคือดาลิน ไม่ทันจะขาดคำทุกคนก็ได้ยินเสียงช้างร้องลอยแววแทรกละองฝนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ดังถนัดชัดเจนฟังแล้วเยือเสิยวไปทุกขุมขนพวกลูกหาบหน้าซีดเผื่อดกระสับกระสายแสดงอาการสยองกลัวคนเหล่านั้นประสาทไม่มั่นคงเสียแล้วอันเนื่องมาจากถูกโขลงช้างมรืยูบุกเข้าโจมตีข่มขวัญอยู่หลายครั้งหลายคารวมทั้งภาพการตายอย่างสยดสยองของเพื่อนฝูงที่ต่างเห็นกันมากับตาแล้ว จะเป็นโขงของไอแ้แหวงใช่หรือไม่ก็ตามพอสัมผัสกับกลิ่นอายของช้างป่าขวันก็เริ่มเสียทันทีบุญคำปราดก็ไปพูจาปลอบขวันพวกนั้นและบังคับให้สงบนิ่งรวมกลุ่มกันอยู่กับที่ระพินฉายไฟไปยังกลุ่มใบไม้สังเกตทิศทางลมแล้วเม้มริมฝีปากไม่มีช้างโขงไหนจะเข้ามาอยู่ใต้ทางลมของเราหรอกครับนอกจากมันเท่านั้นถ้าเป็นโขงอื่นได้กลิ่นพวกเราแบบนี้ก็เปิดไปแล้ว และโดยการได้เปรียบในด้านทางลมแบบนี้ทําให้มันสามารถสํารวจรู้เห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกระยะคําพูดของเขาทําให้ชายยานกับดาลินอึ้งไปด้วยความคิดหนักหน่วงต่างมองดูตากันแล้วอดีตนายพรานทหารปืนใหญ่ก็แยกเคี้ยวออกมาแบบนี้มันก็บ่งเจตนาชัดมันป้วนเปี้ยนเรียบเคียงคอยเฝ้าเราอยู่ใกล้ๆนี้เองมิหนําซ้ํำยังส่งเสียงท้าทายบอกให้เรารู้เสียด้วยเออเอากะมันสิ ใช่แล้วเจ้านายมันทำเสียงให้เราได้ยินมันท้าเราจันโพร่งขึ้นด้วยเสียงห้าวต่ำชั ย, ยันสะบดอยู่ในราคอตาลุกวาวอย่างเดือดแค้นถ้างั้นเราจะหลอให้ไอเดียฉานวายร้ายท้าเราอยู่ทาไมตลอดเวลาเราตามล่าตามล้างมันมาอย่างเลือดตาแทบกระเด็นเดี๋ยวนี้มันมาล้องท้าอยู่ใกล้ๆนี่แล้วไปนลพินคุณนาผมไปรู้ดีรู้ชั่วกันไปคืนนี้แหละจะบ้าแล้วเหรอชา ย, ยัน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 นักมนุษย์วิทยาสาวสันสีหน้าช้าๆอย่างไม่เห็นด้วยเธอบ้าระห่ำเกินไปแล้วก็ไม่มีหลักด้วยทําไมไม่นึกบ้างว่าถึงอย่างไรแล้วพิน ก, กับเธอก็คนละคนกันแม้ว่าเธอจะใช้เขาเป็นเครื่องนําทางที่ได้ผลก็ตามภูมิประเทศที่เธอจะรบกับไอ้แหว่งเป็นป่าที่เธอไม่ชํานาญและฉากเป็นเวลากลางคืนหูตาของเธอในขณะนั้นต้องอาศัยเขาทุกอย่างสมมุติว่าเขานําเธอเข้าไปหามันทางใต้ลมได้ และอยู่ในระยะยิงเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นโดยมันชาร์จเข้ามาต่างคนต่างหนีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในความมืดอันสับสนโดยมองไม่เห็นทิศทางรอบด้านนั้นพรานใหญ่นาะมิกกาลนักหลอกเพราะเขาชํานาญทางอยู่แล้วพอเอาตัวรอดได้ส่วนเธอล่ะช่วยตัวเองในในเวลานั้นได้หรือถึงแม้รพินเองฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถช่วยเธอได้ในยามนั้นชายยานชะ ง, งักไปหัวคิ้วขมวดรพินก็บอกมาต่ําๆว่า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 เสียงก็จะสารมฤนยูคู่อาฆาตก็ก้องกวงวานขึ้นมาอีกเหมือนจะร้องท้าทายฝ่ายมนุษย์ลงจากที่มันเพื่อไปทําสงครามกับมันยังตําแหน่งที่พวกมันรอคอยอยู่เบื้องร่างชายยันกับกลามแน่นและหัวเราะออกมากร้าวๆพยักหน้าลงไปยังแนวป่าอันมืดมิดอันเป็นที่มาของเสียงฟังมันฟังเสียงท้าลบของไอ้แหว่งมหาราชดูจะมีทั้งเยาะทั้งยั่ว ท, ทีเดียวพับผาเถอะไม่นึกเลยว่าจะถูกสัตว์เหยียบจมูก แล้วนี่จะเอาอยัางไงกันเราขอให้มันเป็นฝ่ายขึ้นมาหาเราเองงั้นหรือแล้วพินหัวเราะออกมาเบาๆขันนิความหัวฟาดหัวเวียงแค้นเกลื่อนของชายยันถ้ามันคิดจะบุกขึ้นมาหาเราก็คงจะบุกเสียแล้วล่ะครับคงไม่ให้ไม่ได้ร้องให้ได้ยินเสียงอยู่อย่างนั้นมันรู้ว่ามันทําอะไรเราบนนี้ไม่ได้ดีแล้วล่ะครับที่มันมาร้องให้เรารู้ว่าพวกมันยังไม่ได้ไปไหนไกลแต่ป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ใกล้ๆนี้เองพรุ่งนี้จะได้ตามสะดวก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 รพินทาถูกแล้วที่ไม่ปล่อยบ้าพาแกลงไปให้ใหแหวงขยี้เสียในตอนนี้เชษฐาพูดออกมาจากมุง้งน้อยห้ามไว้หรอกค่าไว้ใจได้ไม่ไรตะผานนั่นประเภทบ้าหระห่าเหมือนกันจำไม่ได้หรือคะเคยพาพี่ใหญ่ย่องเขาไปดูช้างตกมันห่างแค่วาเดียวเท่านั้นคิดแล้วยังใจหายอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันจะเยียบหรือจะขยี้ยังไงก็สุดแล้วแต่มันเอะเสียงอี้ของชายยานดังมาเบา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 หัวหน้าคณะผู้อาวุโสเตือนสติมาพร้อมกับหู้เราะเบาๆเสียงของพวกมันร้องกล้องมาตามลมเป็นระยะและเสียงกิ่งไม้หักอยู่ในหุบเบื้องล่างได้ยินถนัดในความเงียบซึ่งทุกคนนอนฟังอย่างสงบไม่ทำสิ่งใดให้เป็นการกระตุกกระตาขึ้นพอตีสสำเนียงของช้างโครงก็เงียบไปไม่ปรากฏวี่แววใดๆขึ้นอีกจนกระทั่งรุ่งเช้าก่อนฟ้าสางเล็กน้อย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 เรื่องฝีม้ลายมือนะ่ะไม่เคยคิดห่วงเลยเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเธอชอบขัดเส้นกับพานของเรามีการโต้แยง้งคัดง้างกันอยู่ตลอดเวลาเขาว่าอย่างนั้นเธอจะเอาอย่างงี้ซึ่งถ้าเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นไปเกิดขึ้นในระหว่างทางก็จะไม่เหมาะนักเป็นเรื่องอันตรายที่สุดเธอยอมรับว่าจะไม่งัดข้อกับเขาสิอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงศึกไอ้แหว่งครั้งนี้ไม่ใช่ของเล่นเลย พวกเราทุกคนเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่หลอนไม่ได้โต้เถียงอะไรกับชัยยันเลยนอกจากนิ่งฟังอย่างสงบเชษฐาใช้ไม้ยนันขยกออกมาส่งทุกคนที่หน้ากระจมพักเมื่อได้เวลาออกเดินทางบุญขามคอยประคองอยู่ใกล้ชิดขอให้โชคดีทุกคนคืนนี้จะตั้งโต๊ะบวงสวงบนบานเจ้าป่าขอชีวิตไอ้แหวงให้หัวหน้าคณะผู้ทุพพลภาพชูวขณะตะโกนไร้หลังมาด้วยอารมณ์ขัน ดาดินกับชายยานโบกมือตอบตะโกนพูดร่าเริงกับเชษฐาอีกสองสามประโยคส่วนรพินผู้รั้งท้ายสุดยืนนิ่งมองดูหัวหน้าคณะผู้ปรากฏกายอยู่หน้าเต็น์อึดใจใหญ่แล้วยกมือขึ้นแตะปีกหมวกส่งคารวะกึ่งอำลามาให้ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเจดคนของคณะติดตามโขงช้างผีสิงก็รับไปจากสายตาเฝ้าจับมองของเชษฐาถาล่มไอแหวงยังไม่ได้พรานใหญ่คงไม่หวนกลับมาแคมป์อีกแล้วครับ บุญคำพึมพำขึ้นเบาๆฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเชษฐาตอบขึ่มๆฝนเมื่อคืนทำให้พื้นชุ่มและลื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางรา ช, ชันของยอดเนินอันเป็นตำแหน่งตั้งค่ายซึ่งจะนำลงมาสู่ป่าทุ่งเบื้องร่างและพีนภัยวันนำไปด้วยฝีเท้าพอประมาณไม่รีบรุนจนเกินไปนักพอต่าลงสู่ตีนเนินก็วกอ้อมเข้าสู่หุบเล็กๆตอนหนึ่งที่น่านกราดเกืนไปด้วยรอยช้างใหม่ๆ ตลอดจนรอยต้นไม้และเถาวัลย์ที่มันหักทิ้งไว้ร้ม ร, ระเนรนาดนอกจากดารินกับชายยาันแล้วพ่านทั้งห้าแยกย้ายกันออกตรวจสอบร่องรอยเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังลึกเข้าไปในโตกตรงผนังดินชิดเชิงผาซึ่งตั้งชานตงานเงื้อมขึ้นไปเป็นตำแหน่งของดินโปงมีรอยลงงาขุดคุ้ยดินโปง ก, กันอยู่ที่นี่ด้วยพื้นบริเวณนั้นอ่อนเปียกอยู่แล้วด้วยน้าฝนบัดนี้มองดูเป็นเทือก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 ชายยันถามขึ้นเบาๆเมื่อศบตาพรานใหญ่ผู้บัดินี้ยืนแงนมองดูลำต้นของหลุมพอต้นหนึ่งอันมีโคลนเปียกเปื้ปอยอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ7ฟุตครับอย่างใจเย็นเสียด้วยยังกำมันจะอ่านใจเราถูกว่าถึงอย่างไรเสียเราคงไม่ลงมาไปเชิญหน้ากับมันในตอนนั้นแน่ดาดินใช้ํำกล้องไรเฟิลสอยเศษโคลนจากต้นหลุมพอลงมาก้อนหนึ่งหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งให้ทัพพิน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 เป็นปลักขนาดใหญ่ทีเดียวอย่างน้อยก็ใหญ่พอที่มันจะลงไปแช่กันได้ทั้งตัวและในเขตป่าหวานี่มีปลักที่ไหนบ้างไหมชายยันเม้มปากเริ่มจะฉุกคิดรพินอึ้งอยู่เป็นครู่ใหญ่ก้มลงพิจารณาเศษโคนก้อนนั้นอีกครั้งแล้วศบตายหญิงสาวก็พอดีกับที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ถามมาโดเรยวา่าจริงของน้อยหลักฐานจากรอยโคนที่เราเห็นอยู่ มันพอจะทำให้เรารู้ได้แน่นอนว่ามันมาจากที่ไหนก่อนที่จะมาถึงที่นี่เป็นระยะเวลาสดสดร้อนๆที่ไม่ห่างมานักนี่เองแต่พิจารณากันตามที่คุณบอกไว้แต่แรกบริเวณแถบนี้ไม่มีที่รุ่มหรือปลักโครนเลยไม่ใช่หรือผมลืมคิดถึงข้อนี้ไปถนัดพลานใหญ่พึมพามองดูดาลินด้วยตาอันเป็นประกายหล่อนรอบคอบและละเอียดไม่ใช่น้อย ประกอบด้วยเหตุผลและพิจารณาญาณอันเขาคาดคิดไปไม่ถึงถูกแล้วครับแถบนี้ไม่มีปรักโคนที่มันจะลงไปแช่ได้ที่ไหนเลยนอกจากแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งที่นั่นเราก็ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะผ่านเข้าไปในระยะไม่เกิน12บสองชั่วโมงมนันนี่ที่ไหนหุบหมาหอนเสียงชายยานอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งจ้องหน้าระพินอีกครั้งอย่างงุนงงไปหมดผู้ดเดวปืถ้างั้นก็หมายความว่า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 และถ้าเข้ามันจะมีทางเข้าด้านไหนเพราะไม่ปรากฏรอยเลยแต่มาต่อมาเราก็พบรอยของมันอีกครั้งนำเราย้อนกลับมาทางแคมป์ที่ป่าหวานี่นั่นก็แปลว่ามันจะต้องออกมาจากหุบหมาหอนแล้วและปรากฏรอยให้เราเห็นว่าเดินย้อนกลับส4มสวันที่เราไปงมอยู่ที่เขานางนั่นแหละครับจะต้องเป็นญาตที่มันหลบเ ข, เข้าไปในหุบโดยเราหลงรอยมันเสือตามไม่เจอ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 ฉันกล้าพนันได้เลยว่ารอยที่เราจะตามมันไปนี้จะต้องนําบ่ายหน้ากลับไปยังเขานางอีกครั้งแล้วก็ไปสิ้นสุดทําความงงงานให้แก่พวกเราอีกในการปาฏิหาริ์หายไปเสียเฉยอย่างที่เคยมันรู้เคสเสียแล้วว่าถ้ามันหลบเข้าหูหมาหอนเราจะไม่มีวันสาหรอยมันได้ดารินกล่าวขึ้นอย่างมั่นใจตลอดเวลาที่ทุกคนปรึกษาหาลือและผัดกันออกความเห็นมีแง่ท า, ายคนเดียวเท่านั้น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 ดาลินผิวปากแหลมยาวเป็นสัญญาณเรียกแง่สายผู้แยกจากคณะเดินตรวจรอยห่างออกไปทางดงลวกตอนหนึ่งพลางโบกมือให้เข้ามารวมกลุ่มระยะห่างประมาณหนึ่รอหลาในหมู่ไม้ที่ขึ้นบังทึบเห็นการรับรับล่อๆนั้นคนใช้ชาวดวงของหล่อนยิ้มเห็นฟันขาวสว่างโรล่มาแล้วก็หายแว บ, บไปในพงเอ๊ะแง่สายแยกหายไปไหนน่ะหลอนร้องออกมาเบาๆยางสงสัย เกิดผู้เดินเคียงอยู่ใกล้ๆหล่อนก็ตอบมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับนายหญิงประเดี๋ยวมันตามมาทันเองดารินยังไม่ไวายกังวลหล่อนเหลียวซ้ายแลขวาและหันกลับไปมองดูทางเบื้องหลังอยู่เรอะบ่อยๆเพื่อจะมองหาแง่ายแต่แล้วก็ถอนใจออกมาอย่างร่องอกเพราะจริงดังเช่นที่เกิดบอกไว้พอรับโค้งทางด่านริมจอมปลวกใหญ่ ทุกคนก็มองเห็นร่างต่างงานของหนุ่มกระเลียงพเนจรปรากฏยืนดักที่ทางอยู่ก่อนแล้วและเดินตามหลังปิดท้ายขบวนมาเช่นที่เคยปฏิบัติผ่านหุบออกสู่ทุ่งตัดเข้าไปในป่าระมาะแล้วก็เรียบชายทุ่งไปอีกรอยที่ร่วงหน้าไปก่อนเหล่านั้นห่างประมาณ3าสี่ชั่วโมงโดยการตามของฝ่ายมนุษย์ซึ่งแกะไปทุกระยะตลอดทางที่ผ่าน ทั้งป่าและทุ่งเงียบสงบปราศจากร่องลอยสัตว์อื่นใดทั้งสิน้นนอกจากนกเล็กๆและสัตว์เรื้อนบางประเภทจงอางขนาดเท่าหน้าแค้งตัวหนึ่งฉกฉวัดชูคอขึ้นสูงโผ่พ้นต้นกอตะไคร้น้ำเตียเต้ยๆขณะที่ผ่านแหล่งน้ำซับกลางหุบตอนหนึ่งทําเอาทุกคนต้องหยุดยืนกั้นดมหายใจอยู่กับที่โชคดีที่มันอยู่ในระยะห่างและก็ไม่คิดที่จะพุ่งเข้ามาทําร้ายภายหลังจากสายหัวสังเกตท่าทีจากฝ่ายมนุษย์อยู่อึดใจใหญ่ จนแน่ใจว่าจะไม่มีพิษมีภัยใดๆกับมันแล้วเจ้ามัจุราชรลายลุกไหวตัวนั้นก็ลดหัวลงเลือ้อยหายรับเข้าไปในหมู่โขดหินอย่างรวดเร็วแดดทำท่าจะแรงเมื่อเวลาสามโมงเช้าพอสี่โมงเศษเศษฟ้าก็สลัวลงอีกด้วยเมฆฝนลมที่สงบเริ่มพัดแรงเชษฐายกมือขึ้นป้องดูดวงอาทิตย์ที่กาลังจะหายรับก็กลีบเมฆดาอย่างหนักใจพึพมพเอ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 หรือว่าที่น้อยแต่ผมไม่ได้กลิ่นเลยดาดินกับพิบตางงงสั่นสีษะฉันก็ไม่ได้ใช้พวกน้ำหอมอะไรเลยนี่ตั้งแต่ออกจากแคมป์ ม, มาพร้อมกับพูดหลอนพยายามดมจากมือและคอเสื้อของตนเองและสั่นหน้าอยู่เช่นนั้นพึพมพำไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยจมูกของคุณเป็นอะไรไปแล้วแล้วผินสูดลมหายใจหนักๆจ้องหน้าหญิงสาวขม็งอย่างคลางแคลงพางก้าวก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหลอน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 คุณหญิงใช้กระดาษเช็ดหน้าแผ่นนี้ใช่ไหมครับดาลินลืมตาโพรงอุทานออกมาโอ้จริงแหละของฉันเองนะ่ะตายคุณยังได้กลิ่นมันอีกหรือนี่ฉันเช็ดหน้าเมื่อตะกีนน้นี้แล้วก็ลืมไปเสียแล้วนึกไปไม่ถึงความจริงมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรมากนักเลยชัยยันจุ๊บปากล้านโครงหัวนี่ยังไงล่ะจำเลยอยู่นี่เองดีที่รัพพินจับหลักฐานได้ขนังคาเขา ไม่งั้นก็คงเป็นเรื่องลึกลับอยู่นั่นเองว่ากลิ่นโอดิโครนมันมาจากไหนแต่ให้ทายเถอดผูก้กองจมูกคุณดีเหลือเกินผมยืนอยู่ใกล้ๆเน้อยังไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยจมูกผมยังไม่ได้แค่หนึ่งในร้อยของไอแง้แหว่งหรือสัตว์ป่าทุกชนิดเป็นคําตอบเรียบๆจากจอมพรานแล้วหันมาทางหม่อมราชวงศ์หญิงตารินยิ้มให้โปรดอย่ากรุณาอย่าใช้กระดาษเช็ดหน้าที่มีกลิ่นน้ําหอมอย่างนี้อีกนะครับในระหว่างที่เราออกตามรอยสัตว์ ถ้าเวลาอื่นก็ไม่เป็นไรหญิงสาวยิ้มกรยอเกรยๆฉันลืมนึกไปถ น, นัดยอมรับผิดโดยหน้าชื่นทีเดียวไม่ได้เจตนามันเป็นเพราะมองข้ามไปเสียขอโทษสักพันครั้งว่าแล้วหล่อนก็ลูดใบไม้สดมาเจ็ดกิ่งขยี้จนแหลกในฝ่ามือทั้งสองผสมกับน้ำในกระติกแล้วรูปตามใบหน้าและลาคอเพื่อดับกลิ่นน้าหอมจากกระดาษเช็ดหน้าที่อาจเหลือติดค้างอยู่ให้หมดสิ้นไป ระพินมองดูยิ้มยิ้มนึกชมในความฉลาดไว้พิบแก้ไขสถานการณ์ของรอนแต่ชา ย, ยันสะกิดแขนทำหน้าขึงขังสับยอกมาว่าตายแล้วน้อยมาเรื่องอะไรถึงเอาใบตำแยมาทาหน้าประเดี๋ยวริคคันตายเท่านั้นทำไมไม่ถามเสียก่อนดาลินตกใจหันไปพิจารณาดูใบไม้ที่รอนรูดมาอีกครั้งแล้วจ้องหน้าเพื่อนชายบ้าชา ย, ยันใครบอกเธอว่าใบตาแยอา้าว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 ลาวล่ะคิดจะต้มฉันด้วยหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคำดีแล้วหลอนว่ายิ้มมุมปากอย่าไปเข้าพัวเป็นปีเป็นขุยกับคนไม่ดีอย่างชา ย, ยันนะไม่งั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาจะพึ่งหมอคนที่ชื่อดารินไม่ได้เล่นอาฆาตกันแบบนี้ทีเดียวหรือชา ย, ยันบนหน้ายุยยี่ดารินยักคิ้วให้รู้ไว้ได้รู้หน้าเลยอย่าพลาดก็แล้วกัน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 ก็หยุดชะงักตรงบริเวณลำห้วยแห้งตอนหนึ่งซึ่งบาดนี้เปียกแฉะเพราะฝนตั้งแต่เมื่อคืนซุดตัวลงนั่งคุกเข่าพิจารณาพื้นตอนนั้นระพินก็เร่งฝีเท้าตรงเข้าไปโดยเร็วรอยเท้าช้างโขลงที่นํามาตลอดเวลานั้นผ่านไปทางลำห้วยนั้นขึ้นสู่อีกฝากหนึ่งน้ําที่ขังอยู่ในบริเวณบางตอนแจะลอยขุ่นคลักมีตะกอนรอยคว้างอยู่มิหนําซ้ํายอดหญ้าที่มันย่ําผ่านไปซึ่งเอ็นราบลู่ยับลงกับพื้น ขณะนี้เพิ่งจะค่อยๆชูยอดขึ้นมาสะเก็ดน้ําและโคลนซึ่งกระเซ็นอยู่รอบๆยังใหม่หรือเกินแง่าสรายเงยหน้าขึ้นสบตาระพินผู้บาดนี้ยืนเบิกตาโพรงจ้องร่องรอยเหล่านั้นอยู่โดยไม่ได้เอ่ยคําใดกันทั้งสิน้นพรานของเขาทั้งสามปาดตรงเข้าไปที่กองมูลใหม่ๆกองหนึ่งกอบขึ้นมาขยี้ในมือแล้วเพ่นกลับมาที่ระพินกระซิปกระรัมรักขี้ของมันยังอุ่นอยู่เลยนายชายยันกับดาริน ผู้ไม่เข้าใจอาการของบุคคลเหล่านั้นนักหันไปจ้องพรานใหญ่เหมือนจะถามก็เห็นดวงตาสีเดกคู่นั้นเป็นประกายไอแหว่งผ่านตรงนี้ไปเมื่อไม่เกิน15้านาทีมานี้เองเขาก็ซิบเบาที่สุดประโยคที่ผ่านเข้าหูทำให้หัวใจของชายยานและดารินเต้นแรงชายยานผู้กำลังฆ่าบุรีอยู่ทิ้งลงกับเพื้นนัขยีดับโดยเร็วก็แปลว่าเรากัชั้นหลังมันมาติดๆนะสิมารู้ตัวหรือเปล่านี่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 มันรู้ตัวหรือเปล่าว่าเราตามใกล้เข้ามาดาลินถามย้ำใหมอีกครั้งผมยังไม่กล้ารับรองอะไรได้ทั้งนั้นถ้าจะพิจารณาในด้านทางลมแล้วมันไม่ควรจะรู้เพราะเรามาทางใต้ลมตลอดแต่เราจะเชื่อแน่อะไรได้กับช้างอย่างไอ้แว่งถึงไม่ได้กลิ่นก็อาจได้ยินเสียงของเราก็ได้การเดินผ่านบริเวณนี้ไปอย่างมีระเบียบและไม่รีบร้อนของมันทาให้เราต้องคิดมากสมมติว่ามันรู้ตัว การเดินแบบนี้ก็แปลว่ามันมีอุบายที่จะเผชิญกับเราเรียบร้อยแล้วในดงข้างหน้านี้เอาละครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวได้ชยันปลดจ .60 หกนในโตเอ็กซ์เพรสคู่มือออกจากไายดาลินขยับรูกเลื่อนเอเธอร์บี0ุดสามศแม็กนัมของร่อนอย่างแผ่วเบาแล้วเซฟไว้เพียงแค่ปลดห้ามไกลก็สามารถจะด้านกระศูนได้ทันทีพรานใหญ่ตัวทางลมเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งก็ทํามือเป็นสัญญาณกับคนของเขาเกิด จัน์และเสยกอบอมูลช้างขึ้นมาระเดงตามเนื้อตัวในทันทีนั้นลมอ่อนๆพัดจากดงทึบออกมายังป่าลำห้วยมีกลิ่นสาบโคลและไออับของใบไม้เน่าโชยมาสร้างบรรยากาศให้เกิดความตะขันครอสบัดร้อนสบัดหนาวขึ้นมาในบัดดลเสียงข้างฝูงใหญ่ส่งเสียงคิกคอกอยู่บนยอดไม้ทึบห่างออกไปทางปา่าถล่มด้านขวามือได้ยินมาแววๆโดยไม่เอ่ยคาพูดใดกันอีกเลย นอกจากภาษาใบ้ทั้งหมดภายใต้การนำของรพินข้ามปากข้วยขึ้นสู่ฟ้าตรงข้ามแล้วเคลื่อนไปอย่างเบากลิบราวกับเงาของปีศาจปะสาจ ท, ทุกส่วนเขม็งเกลียวตื่นพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับสถานการณ์ร้ายอันรอคอยอยู่เบื้องหน้าภายใต้เงาทามึนทึุของป่าใหญ่ซึ่งไม่มีสิ่งใดจะบอกได้ว่าพยาโคจสารร้ายพร้อมบริวารของมันผู้แฝงตนอยู่ในนั้น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 ว่าสงบนิ่งหรือเคลื่อนไหวอยู่ยังที่ใดรหัสนี้ใช่ว่าจะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะฝ่ายมนุษย์ผู้ร่าทายเดียวก็หาไม่สัตว์ร้ายที่หมายล่าก็อาจสำเนียอความผิดปกติจากสัญญาระวังภัยชนิดนี้ได้เช่นกันแล้วช่วยประโยชน์ให้ตัวมันเองโดยการเตรียมพร้อมที่จะหลีกหลบเตลิดหนีหรือมิฉนั้นก็แฝงกายเข้าที่ซุ่มเพื่อดับทาร้ายตามแต่กรณีเสียงข้างฝูงนั้น ทำความอึดอัดลาบากใจให้แก่เราพินยอย่างยิ่งมันเตือนให้เขาพอจะคเนดได้ว่าไอแหว่งและโขงของมันขณะนี้อยู่ในทิศทางใดขณะเดียวกันก็อาจเตือนให้ไอแหว่งไว้ทันว่าบัตรนี้ฝ่ายมนุษย์ได้ย่างไายกระชั้นชิดเข้ามาแล้วทุกฝีก้าวย่างที่เคลื่อนไปกระแสลมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากฝีเท้าอันเงียบกริบถ้าอ่านผิดเพียงนิดเดียวโอกาสที่จะได้เห็นตัวมันเป็นอันหมดหวังทั้งๆั้งที่ก็สำเนียกได้ชัดว่า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 ลักษณะของเขายามนี้เหมือนจะเข้ายานโดยปราศจากความรู้สึกอื่นใดทั้งปวงนอกจากความแน่วแน่ของกระแสคลื่นแห่งประสาทสัมผัสที่ส่งออกไปสำรวจตรวจค้นเท่านั้นเกิดจันและเสยตึงตัวเองนิ่งอยู่กับที่พากันจ้องมองมาที่นายของพวกเขาเหมือนจะรอการตัดสินใจและคาสั่งส่วนแงซท า, ายซึ่งสุดตัวลงนั่งคุกเข่าเคียงคู่กับชายยันในยามนี้หย่อนกายลงพังภาพกับพื้น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 ทั้งดารินและชา ย, ยันก็เข้าใจแผนทั้งหมดทั้งหมด7คนแบ่งออกเป็น3มสายสายที่1มีแง่สายชายยันและเกิด3มคนจะแยกอ้อมไปทางด้านซ้ายโดยยึดลําห้วยลึกตายโอบขึ้นไปสายที่สองเสยและจันทร์คืบขึ้นไปแนวตรงโดยคานฝ่าดงผากเข้าไปส่วนสายที่สามระพินและดารินอ้อมขึ้นไปทางด้านขวาเลาะลัดไปตามชายเนิน การยิงจะเป็นไปโดยอิสระสุดแล้วแต่ใครจะเห็นเป้าหมายก่อนแต่เป้าหมายแรกที่สุดควรจะเป็นไอแ้แหวงจ่าโคขงสักซ้อมนัดแนะเป็นที่เข้าใจดีแล้วทั้งสามฝ่ายก็ย่องกลิบแยกะจากกันบ่ายหน้าไปตามทิศทางที่กําหนดก่อนจากชา ย, ยันบีบมือแล้พินแน่นแล้วจะโงกมาจูบเบาๆที่แก้มของเพื่อนสาวกระซิบโชคดีน้อยหวังว่าพานใหญ่คงคุ้มกองเธอได้ หญิงสาวยิ้มให้กับบุรุษผู้หล่อนรักสนิทเหมือนพี่ชายร่วมสายรุหิตพยักหน้าเช่นเดียวกันชายยันคอ้เธอปลอดภัยและโชคดีเสยกับจันมุดผงหายเข้าไปก่อนแล้วชายยันกับแง่ายและเกิดก็กำลังจะรับตาไปในรำห้วยแล้วผดไม่ได้พูดอะไรกับหล่อนอีกเลยแม้แต่คำเดียวก้าวยาวๆออกจากที่ไปราวกับเงาผีดาลินจรดเท้าตามรอยเขาติดไปทุกระยะ ายขึ้นเนินเลาะไปตามไหลอันลกทึบไปด้วยน้ำพุงดอและต้นเสมาจากนั้นก็แทรกตัวป็นหนึ่งสัตว์เรื้อนรอดเข้าไปตามซุ้มเถาวัลที่ปกคลุมแน่นทึบจนแทบจะไม่มีแสงสว่างรอดเข้ามาได้ใช้สอกและข่าคืบนำกายรุดหน้าไปอย่างแช่มช้าหล่อนตามเขาอย่างแคล่วคล่องว่องไวในทุกรกษณะเพียงแต่ยากยิ่งที่จะต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเสียงขึ้น หลายต่อหลายครั้งที่เขาต้องหันมาช่วยปลดกิ่งน้ำที่เกี่ยวติดตามร่างกายของหล่อนออกระหว่างที่หมอบคานเคียงคู่กันไปบางครั้งเขาคืบลอดซุ้มน้ำเตี้ยๆล่วงหน้าหลุดพ้นออกไปได้ก่อนแล้วหันมาทำสัญญาณให้หล่อนยื่นส่งลำกล้องของไรเฟิลออกมาให้ฉุดลากตัวหญิงสาวให้ถลายตามพื้นลอดออกมาตามซุ้มนั้นโดยอาศัยไรเฟิลเป็นเครื่องช่วยฉุดไม่มีคำพูดมีแต่แววตาของกันและกันเท่านั้น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 เป็นไปได้หรือที่มาลากปืนหมอบคลานฝากขากน้ำอยู่เคียงข้างเขาในขณะนี้เลือดเนื้ออันน่าทนุทนอมที่มาเกลือกกลั่วอยู่กับน้ำในทุลีดินจนหมองคล้ำกล่าเกลียมหัวใจของเธอประกอบขึ้นด้วยธาตุอันใดและจะมีผู้หญิงอย่างเธออยู่ในโรคนี้สักกี่คนชั่วขณะหนึ่งที่เขานอนหมอบหยุดรอจนกระทั่งดาลินคืบกายด้วยส่อขึ้นมาพังภาพอยู่เคียงข้าง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 หล่อนยิ้มต่อปาดแขนเสื้อกึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าแม้ฝนจะปกคลุมเป็นละอองอยู่ยังป่าเบื้องนอกแต่ในบริเวณดงทึบรอบตัวในขณะนี้เต็มไปด้วยความอ้าระอุและอบเหมือนอยู่ในนรกยิ่งทารุณหนักขึ้นไปอีกเพราะขุยผากและละอองจากใบไม้บางชนิดที่ทำให้คันยิบไปทั้งตัวความบึกเบือนและทรหดของหญิงสาวสัมแดงเห็นชัดในภาวะเช่นนี้ สีหน้าและแววตาของหล่อนไม่ได้บอกริ้วรอยของความขยาดกลัวเลยหรือท้อถอยเลยแม้แต่นิดเดียวเขาปลดกระติกน้ำแบบสนามใบเล็กที่เนบติดเข็มขัดเบื้องหลังออกมาส่งให้หล่อนรับไปกรอกใส่ปาก ส, าากสองสามอึกแล้วส่งคืนหยุดการเคลื่อนไหวสงบฟังเสียงอยู่ที่นั่นอีกอึดใจใหญ่แล้วผินก็พยักหน้าเป็นความหมายเตือนให้หล่อนคืบตามเขาต่อไปบริเวณนั้นราบต่าลงเป็นลาดับ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 เสียงพื้พภบพอันเกิดจากใบหูกว้างใหญ่ที่กระพือรมอยู่เป็นระยะแว่วมาให้ได้ยินอีกครั้นแล้วหนึ่งในจำนวนของโงขลงก็จะสารปีสิงก็ปรากฏขาหลังของมันข้างหนึ่งให้เห็นอยู่ในระหว่างพงไม้อันหนาทึบมองดูผาดผ่าดราวกับรำต้นลานที่ขึ้นอำพรางตาอยู่ทั่วไปดารินตาไวพอใช้หล่อนเห็นเป้าหมายนั้นไร่เลี่ย ก, กับขาขยับไรเฟิลประทับขึ้นแต่ก็ต้องชะงักเพราะฝ่ามือของรพีนแตะไหลไว จึงได้แต่สงบนิ่งกั้นใจมือสั่นอยู่จอมพรานกว่าสายตาไปรอบด้านสอดแทรกค้นหาไปยังสุมทุ่มบื้มบึกที่เป็นฉากอัมพรางอยู่ทั่วไปนั้นชนิดที่ไม่ยอมไม่สิ่งใดรอดพ้นหรือลวงตาไปได้แล้วก็สะกิดกล่อนให้มองไปทางด้านซ้ายระหว่างยอดผู้ไม้เตี้ยเตียตอนหนึ่งปลายงวงอันหนึ่งชูร่อนราขึ้นมาเหมือนพยายามจะสูดกลิ่นนั่นก็อีกตัวและในระหว่างเงามืดคลึ้มของต้นผาก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 แต่สำเนียกในกลิ่นไอเสียแล้วไม่เปิดโอกาสให้แก่การใคร่ครวนใดๆได้ต่อไปอีกสำหรับพระพินภายวันยิ่งเขาร้องเร็วปือกระโดดลงจากเนินดินตวัดปืนขึ้นประทับลายแต่ความจริงไม่จำเป็นต้องสั่งแล้วเพราะพร้อมๆกับเสียงร้องของเขานั่นเองจุดสมูนแมกนัมจากมือของหญิงสาวก็ระเบิดสนั่นวันไว้ขึ้นอย่างดุเดือดกลบเสียงร้องและความวุ่นวายของพวกมันหมดสิ้น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 ดารินกระชากลุกเลื่อนอย่างรวดเร็วกระนำซ้ำเข้าไปอีกนัดพร้อมกับเพ่นออกจากที่วิ่งเข้าหากอรวกใหญ่อันอยู่เบื้องไปทางเบื้องหลังหล่อนไม่อาจทราบได้ถึงผลปฏิบัติการของกระสุนนัดหลังเพราะมันลั่นขึ้นพร้อมๆกับจุด45่ห้จากมือของพรานใหญ่ซึ่งพกขาเสียงพยาคุศลสารตัวนั้นก็โคนคลื่นจนแผ่นดินสะเทือนเศษของกระดูกปนบริเวณขมับด้านทางออกของกระสุนกระเด็นดุดออกมาขาเวอร์ชิ้นทัฝ่ามือ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 และผีนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนักมนุษย์วิทยาสาวคล่องแคล่วรวดเร็วและอาหารเกินตัวก็จริงแต่รอนยังไม่รู้จากหลักมีการเอาตัวรอดนักเพราะผัววงแต่จะยิงร้างผ่านพวกมันเหล่านั้นมากกว่าที่จะคิดหลีกหลบหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายตัวที่วิ่งแตกตื่นเฉียดห่อนไปอย่างบุบวิดชนิดที่รลอนยิงไม่ทันและมัวงงอยู่หลบเข้าโครนลวกอย่าออกมาพรานใหญ่ตะโกนเสียงหลง พร้อมกับเพ่นตรงเข้าไปยังหลอนยามนั้นดูหล่อนจะไม่ได้ยินเสียงของเขาเสียแล้วสะบัดปากกระบอกไรเฟริ่จี้ตามเจ้าตัวหนึ่งที่วิ่งเป็นพยุสนาตันโดยที่หารู้ไม่ว่าบัดนี้เยื้องออกไปทางเบื้องหลังงวงของไอ้ไยร้ายอีกตัวหนึ่งฟาดเฉียดร่างของหล่อนไปอย่างจวนเจียนและวินเหนี่ยวไก่ตูมทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ยังวิ่งอยู่มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่หลอนเปิดกระสุนเข้าใส่ตัวที่เริงไว้เสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกันอีกครั้ง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 รพีนหมุนตัวควับเลือดในกายของเขาก็จับแข็งเป็นก้อนไปในบตดนั้นกำแพงเมืองจีนหรือมิฉะนั้นก็พบสุเมนบรรพบลูกหนึ่งกลิ้งแผ่นดินสะเทือนมาถึงตัวเขาเสียแล้วบังทุกสิ่งทุกอย่างให้หายวับไปกับตานอกจากความมโหรานของร่างกายสีดำสนิทนั้นดวงตาอันเล็กตีไม่สมกับส่วนศีรษะอันมหึมาปานรถบทถนนเต็มไปด้วยกายมุ่งร้ายหมายขวัญงาขาหนึ่งแหลมพ้นปากออกมานิดเดียว ส่วนอีกข้างอางอดใหญ่ยาวเฟื้อยปลายแหลมราวกะพอกและบัดนี้งาข้างนั้นปักดิ่งตรงเข้ามาในระดับกลางลําตัวของเขาปืนในมือไม่มีประโยชน์เสียแล้วเพราะปากกระบอกสายเปะปากไปอยู่เสียทางใดไม่ทราบได้จะถอยหลบก็สายเสียยิ่งกว่าสายดีบัดนี้ปลายงามัจุราชพุ่งแหวกอากาศเข้ามาที่ตัวเขาห่างไม่ถึงศอกในสายตาเบิกโพรงที่หันมาพบเข้าพอดีนี้ สันชาติยานนอกเหนือการบังคับเท่านั้นที่ทำให้เขาเอี้ยวตัวแล้วก็รู้สึกในพริบตาต่อมาว่าแท่งงาอวบใหญ่ข้างนั้นทะลวงผ่านซอกสีข้างลงไปตักสวบตึงแน่นอยู่กับดินตัวเองจ้ำเบ้าหงายหลังลงกับพื้นหัวใหญ่เมื่อยมาก้มลงมาคล่อมทมืนบางโลกทั้งหมดไว้อย่างเหนียวแน่นและด้วยกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดแลรพินใช้แขนตะวัดรัด ร, รอบงาของมันไว้พริบตาต่อมาก็รู้สึกว่าถูกงัดวูบลอยขึ้น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 ความรู้สึกค่อยๆกลับคืนมาอย่างระบบประสาทของเขาทีละน้อยเหมือนอยู่ในความฝันที่มีอาการผีอำ่ำแววเสียงเรียบชื่อรอยมาจะากไกลแสนไกลเลือนๆลางๆประดุดภาพพ้าบนจอโทรทัศน์ที่ยังตับไม่เข้าที่พยายามเปิดเปึกตาขึ้นทว่ามันมืดไปหมดคันแล้วขาณประสาทก็สัมผัสกับกลิ่นหอมเย็นจนทำให้ต้องช ง, งนบอกไม่ถูกว่าตนเองอยู่ที่ใดและภาวะไหน สัมผัสค่อยๆแจ่มชัดขึ้นมาอีกรู้สึกว่าศีรษะวางาพาดอยู่กับความอ่อนนุ่มอบอุ่นบนใบหน้ามีอะไรเย็นๆซาซาซับอยู่แผวเบากลิ่นหอมสดชื่นมาจากสิ่งที่แตะอยู่กับหน้าเขานั่นเองแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างร้อนรวนว่าระพินระพินขยับตัวออโหมันขยับยอกร้าวระบมไปทั้งสารพางกายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือ ตระักตนเองได้ดีว่ายังไม่ตายม่านตาของเขาขย า, า, ายกว้างขึ้นในทันทีนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้ามาในความรู้สึกครบถ้วนพบร่างของตนเองนอนหงายเหยียดยาวอยู่กับพื้นศรีรษะพาดอยู่กับตักของนักมนุมนษยวิทยาสาวผู้เป็นนายจ้างหล่อนกําลังใช้กระดาษเช็ดหน้าแบบเครื่องสําอางที่มีติดตัวอยู่ซับอยู่ตามใบหน้าเขาพร้อมกับร้องเรียกเบาๆแล้วผินลุกขึ้นนั่งโดยเร็วแต่แล้วก็แยกเขี้ยวคลางอู้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 มันเป็นโดงบริเวณเดียวกันกันกบที่เขาประจันหน้ากับไอ้แหว่งก่อนที่จะถูกงัดรอยขึ้นไปและตกลงมาหมดสตินั่นเองไอ้แหวงเขาหลุดปากออกมาแหบๆจ้องหน้าร่อนมันไปไหนแล้วดารินหัวเราะออกมาสีหน้าของร่อนยังเต็มไปด้วยริ้วรอยของความตื่นเต้นขวัญห น, นีดีฟอร์ตเหตุการณ์มันเปิดป่าร่าไปแล้วตอนที่มันงัดคุณรอยขึ้นชฉันยิงออกไปนัดหนึ่งไม่รู้ถูกตรงไหนเห็นเลือดสาดเป็นทาง แล้วมันก็วิ่งตะบึงไปตามซ้ำไม่ทันรพีนสะบัดหน้าเราๆไล่ความมึนงงยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนักทุกครั้งที่เขาขยับตัวมันแปรบย่อไปหมดจนต้องส่งเสียงครางบัดนี้ป่ารอบตัวเงียบสงัดคงมีแต่ข่าวได้หล่อนเท่านั้นแล้วนี่พวกเราไปไหนกันหมดแล้วครับดารินถอนใจเบาๆสั่นศีษะพางมองไปรอบๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากฉันยิงอแหวงเป็นนัดสุดท้ายแล้ว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 รู้สึกเหมือนถูกใครผลักให้ขมำหน้าไปแรงๆเท่านั้นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างฉันเพิ่งจะมีโอกาสเห็นไอ้แหว่งถนัดตาคราวนี้มันใหญ่โตมโ ห, หราหนือเกินแล้วก็น่าเสียดายที่โอกาสของเราพลาดไปอีกแล้วทั้งๆ ท, ที่พบกันจังหน้าที่สุดความจริงฉันก็ยิงเข้าใส่มันอย่างเผาขนที่สุดแต่อารามรีบร้อนตกใจเลยไม่ทันเลงหันลากล้องตรงก็ซัดตูมเลยสงสัยจะเข้ากลางลาตัวเห็นเลือดออกมาก หยดเรียเป็นทางไปทีเดียวพอถูกนัดนั้นมันก็ออกวิ่งป่าถล่มไปทีแรกนึกว่ามันจะแหวงเข้าใส่ฉันซสีอีกว่าแล้วหล่อนก็ชี้ให้ดูรอยเลือสดสดๆที่กองอยู่กับพื้นะเรียร่าเป็นทางไปตาม ท, ทิศทางที่มันตลุยพระนี้หยดอยู่เป็นย่อมๆราวกับใครมาทำถังสีหกไว้พรานใหญ่เดินร่าขาไปตามตรวจ ด, ดูร่องรอยเหล่านั้นอยู่ระยะหนึ่งก็เหงื่หน้าขึ้นตาเป็นประกายไปด้วยความหวัง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 แล้วก็ยินดีในการรอดตายอย่างหุดหิดของทั้งสองชายยันกราบเข้ามาจับไหร่แลพินบีบแน่นเทวดาประจําตัวของคุณแข็งเหลือเกินเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวนึไ่ไม่ถึงว่าคุณจะมีโอกาสได้เข้าประชิดตัวมันจนถึงกับฟัดกับมันด้วยมือปล่าแบบนี้นี่เช่ดฐารู้เข้าก็คงแทบช็อกทีเดียวจอมพรานหัเาลาะกร่อยผมก็ไม่คิดเหมือนกันเลยครับ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 จากการบอกเล่าของชายยันและจันทร์ซึ่งแยกกันไปคนละด้านปรากฏว่าคนทั้งสองฝ่ายย่องเข้าไปทางด้านใต้ลมพยายามมองหาช้างครูงนั้นก็ไม่เห็นเงาของพวกมันสักตัวเดียวทั้งทั้งที่สัมผัส บ, บอกชัดว่าพวกมันแยกย้ายกันซุ่มนิ่งอยู่ในดงผากนั่นเองอันเนื่องมาจากป่าทึบมากจนเกินกว่าที่จะมองเห็นอะไรได้ถนัดครั้นแล้วทันทีนั่นเองก็ได้ยินเสียงพวกมันร้องขึ้นพร้อมกับเสียงปืน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 เคยถึงกับทิ้งปืนเพ่นหนีขึ้นต้นไม้และจันทร์ก็ผุดหนีเข้าไปอยู่ในโลงไม้ใหญ่ผลสรุปปรากฏว่าทางด้านชายยันยิงล้มสองตัวและด้านจันทร์คว่าไปอีกตัวหนึ่งโดยไม่นับพวกที่ถูกยิงเจ็บไปอีกสองสาตัวเมื่อรวมกับทางรพินดดารินแล้วโลงไอ้แหว่งทั้งหมดก็ถูกล้มไปอีกถึงเจ็ตัวต่อการบุบวิดจวนเจียนต่อชีวิตของฝ่ายล่าทุกคนไอ้แหว่งและบริวารส่วนใหญ่หลุดรอดไปได้อีกตามเคย แม้ว่าจะในลักษณะที่สะบักสะบอมบอบช้ำกว่าทุกคราวเสียดายเหลือเกินชา ย, ยันบนอย่างหมายมั่นหันไปมองดูหน้าเพื่อนสาวท่าน้อยยิงนัดนั้นให้ปราณีตอีกสักนิดไอ้แหว่งก็เกมแล้วนี่มันเพียงแต่ได้แผลเพิ่มเติมไปอีกเท่านั้นดาลินหัวรอแค่นแค้นอัดควันบุรหรีลึกเหมือนจะให้มันเข้าไปบรรเทาความอกสันขวัญเต้นที่เพิ่งจะผ่านพบ เอาไว้ให้เหตุการณ์ที่ฉันพบมันเผชิญเท่ากับตัวเธอเองแล้วจะรู้หล่อนผูแแ้แผลแผบที่อุตส่าห์เหนี่ยวไกลปืนออกไปได้ตอนนั้นก็นับว่าวิเศษสุดแล้วโธ่มันเอ็กไซส์สิจนไม่รู้จะบอกยังไงถูกอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเห็นมันเหวี่ยงพรานใหญ่ลอยดิ้วขึ้นไปบนอากาศกับตาตอนนั้นฉันก็คิดว่าเขาต้องแหลกละเอียดไปแล้วระหว่างที่ชโลมมูลอยู่ฉันก็ว่าฉันต้องตายแน่เหมือนกันไม่รู้จะหลบไปทางไหน รอบตัวพวกมันทั้งนั้นแต่และตัวชูงวงแผดเสียงร้องวิ่งเข้าใส่พวกเธอ ย, ยังดีเพราะมีที่หลบฉันกระรพินตกอยู่กลางโขงของมันเลยฉันเองก็ยังถูกงวงมันฟาดกระเด็นไปแล้วหญิงสาวก็คว้าจุด300เอเธอร์บีแมกนัมที่วางพาดอยู่กับตักขึ้นมาดูพร้อมกับโครงศีรษะช้าๆบนพิทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เพราะไอ้ปืนปติ๋วหลวกระบอกนี่แหละส่งเรื่องนี้จะโทษฉันก็ไม่ถูก พวกเธอทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวการช่วยกำลังข้าพี่ชั้นใช้ปืนเล็กกระบอกนี้ชันใช้จุดสี่เจ็ดศูนย์อยู่ดีๆแล้วให้เปลี่ยนนี่ลูกมันเล็กแล้วก็คมเกินไปมมหนำซ้ํายังเป็นศูนย์กล้องขยายตั้งสี่เท่ายิงช้างในระยะประชิดในดงทึบแบบนี้รอดตายมาได้ก็นับว่าปาปิหารนี่ถ้าเป็นจุดี่เจดศูนย์ไอแหว่งก็คงกองอยู่ที่ไปแล้วหรือไม่ก็คงไปไม่ได้ไกลคําพูดของร่อนทําให้ระพินกับชายยันอึ้ง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 เรื่องของเรื่องก็คือว่าเธอไม่รู้จักเลือกใชใ้ถูกกับภูมิประเทศและเหตุการณ์นั่นเองแต่เอาละพวกเราสามคนยอมรับผิดในข้อนี้แต่ผมมั่นใจว่านัดสุดท้ายของคุณหญิงจะช่วยให้เราถึงตัวมันเร็วขึ้นรับรองว่าไม่เกินสี่สิแปดชั่วโมงนี้แหละครับโชคชัยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่แล้วระพินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและพยักหน้าเรียกชัยยันให้เข้าไปสังเกตรอยเลือดที่กองเรียราดอยู่บอกเบาๆต่อมาว่า สงสัยว่ากระสุนผ่านเข้าลกลางลําตัวและทะลุเลยออกอีกด้านหนึ่งแม้จะไม่ถูกกระดูเอาไวยวะภายในก็คงจะถูกทไไําลายไปบ้างลงเลือดออกแบบนี้ถึงไม่ตายก็ตายแน่แต่อาจช้าหน่อยถ้างั้นจะช้าอยู่ทําไมรีบสาวรอยเลือดไปเดี๋ยวนี้เถอะความหวังของเรากใกล้เต็มทีแล้วนี่ชา ย, ยานพูดดยเร็วอย่างตื่นเต้นแต่พรานใหญ่ยิ้มอย่างใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับลงแบบนี้จะเย็นได้แล้ว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 และเลือดไหลเป็นกองโตในทุกตำแหน่งที่มันพักการเดินของมันช้าลงเป็นลำดับเมื่อระยะทางผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมีรอยหยุดถี่ขึ้นแต่บริวารทุกตัวไม่ได้ทอดทิ้งจาาโขงของมันเลยคงจับกลุ่มเหมือนจะคอยช่วยเหลือประครับประคองอยู่ตลอดเวลาพลานใหญ่อ่านรอยเหล่านั้นไปด้วยความพอใจยิ่งแล้วก็เร่งฝีเท้าขึ้นอีกร่องรอยเหล่านั้นเป็นกาลังใจให้ชายยันและดาลินบุกบ้านต่อไป อย่างแทบจะลืมความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเปรียโดยสิ้นเชิงปืนของนายหญิงไม่ผิดหวังไอแหวงไม่มีทางรอดแล้วแง่าสายติดหลังกระชั้นชิดมากระซิบเบาๆกับดารินเธอแน่ใจหรือแง่าสายหล่อนหันมาถามด้วยสีหน้าตื่นก็เห็นยิ้มกว้างๆของคนใช้ชาวดงมองท่อไปยังพรานใหญ่ผู้กำลังนำรุดไปเบื้องหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนายหญิงเองไม่รู้ว่ายิงถูกมาตรงไหน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 ของการเดินของมันเฉยๆพรานใหญ่ตามต่อไปได้ประมาณ2อ0สหลาก็หยุดชะงักเม้มริมฝีปากแน่นยืนกวาดสายตาไปรอบด้านอย่างงงๆเลือดมันหยุดแล้วกะมังชายันกระซิปรับพินสันสีสะช้าช้าเป็นไปไม่ได้หรอกครับจากเลือดหย่อมสุดท้ายที่เห็นไม่มีท่าเลยว่าเลือดของมันจะหยุดตรงได้อย่างปัจจุบันทันด่วนแบบนี้แล้วทําไมมันหายไปสีเฉย ๆ, ๆ อดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องขึ้นอย่างประหลาดใจระหว่างที่พรานใหญ่กระพริบตางงอยู่ไม่อาจบอกอะไรได้ดาดินก็อุทานออกมาฉันว่าแล้วนึกไม่ผิดไอ้ช้างผีสิงนั่นเล่นกลเอากระเป๋าอีกแล้วก็ลอยของมันเห็นอยู่ชัดชัดรมาทางนี้ไม่ใช่หรือเราตามไม่ผิดแล้วนี่กระชั้นรอยเข้ามาอีกเอถอะพิะลนลอยเลือดอาจเว้นระยะห่างออกไปก็ได้ชายยันกล่าวมาอีกอย่างร้อนใจ จอมพลายไม่เอ่ยอะไรออกมาในทันทีนั้นทอดตาตามรอยตีนช้างใหม่ๆเหล่านั้นไปอย่างรังเลดึงชายผ้าขม้าที่เขียนเอวอยู่ขึ้นมาทราบเหงื่อแล้วทันทีนั้นขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นโเร็วๆว่าเอ๊ะแง่ทายหายไปไหนทุกคนเหลียวมองหาแล้วก็เพิ่งจะรู้บัดนี้เองว่าในคณะขาดหายแง่ทายไปคนหนึ่งต่างเต็มไปด้วยความสนเท่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 แล้วผิดจ้องเจ้ากระเลียงร่างยักษ์ด้วยสายตาอนันคมกริบค้นหาขณะที่สาวเท้าเข้ามา ใ, ใกล้แง่ า, ายคงนั่งสีหน้าเรียบๆเป็นปกติจนกระทั่งเขาเข้ามาหยุดยืนจ้องอยู่ตรงหน้าแง่ า, ายทำไมแกมานั่งอยู่ที่นี่ผมต้องขออภยัยหนามตาตีนผมผมกำลังเอาหนามออกขณะที่หยุดทำไมแกไม่บอกผู้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 อึดใจเดียวหลังจากนั้นทุกคนก็ค้นพบรอยเลือดของเจ้าช้างลำบากทะลักกองอยู่รวมทั้งร่องรอยการกระสือกกระสนของมันโดยมีรอยของช้างใหญ่อีกสองตัวเดินขนาบคู่ไประหว่างที่ชายยันอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นยินดีเข้าไปตรวจ ด, ดูรอยเหล่านั้นจอมพรานสมบทพรพามอยู่ในรำคอสั่นศีษะช้าช้ า, ชาแล้วเรียกแง่า ย, ายเข้ามาเอาละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแกแกะรอยนาหน้าไป เขาออกคำสั่งกล่าวก้าวและพยักหน้าเตือนให้แง่า ย, ายเดินลุกหน้าไปคนใช้ชาวดงไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นเดินออกนำหน้าตามรอยเหล่านั้นไปโดยดีพอคล้อยหลังพรานใหญ่ก็คำรามออกมาหืมไอเวนี่มันน่านักทำไมนั่นคุณด่าไรคนของฉันด่าลินถามขึ้นโดยเร็วเพราะได้ยินแว่วๆอาการของหล่อนแสดงความประหลาดใจใช่ผมด่ามัน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 ที่แท้มันรู้ว่าผมเดินเซ่ไปสักพักแต่เดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาอีกมันไม่อยากจะเดินไปกับเราให้เสียเวลานั่งกระดิกตีนรอสบายเชิบถ้ามันบ่อเสียแต่แรกเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินเลยไ ป, ปเปล่าๆชายันหน้าตื่นในคําพูดของเขาแล้วหูร้อออกมาอย่างขันขัๆยังงานเลยบะไอเสือนี่มันสําคัญจริงอคติดาลินเถียงแทนแต่สีหน้าและแววตาของหลอนก็ส่อแววขบขันอยู่ไม่น้อย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 คุณก็เลยหัวฟัดหัวเวียงหาว่าแง่ทายไม่บอกสิ่งแต่แรกแก้ให้คุณเดินเซอร์ไปก่อนว่าแล้วหล่อนก็หัวเราะชอบอกชอบใจหางเสียงบอกชัดว่าความรู้สึกตรง ก, กันกับเขานั่นแหละในเรื่องนี้รถพินเต็มไปด้วยความหงุดหงิดเดือดดาลใจสะบดอุบอิดอยู่คนเดียวจากนั้นไม่มีใครเอ่ยคําใดอีกนอกจากเดินรุดหน้าตามแง่ทายไปอย่างรีบเร่งรอยที่ค้นพบใหม่นี้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 จะเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายร่าติดตามมาทันหากไม่ใช่อุบายหลีกรบอันแยบยนร่อยเลือดหยดทีขึ้นทุกทีเป็นเลือดใหม่สดที่สุดเหมือนกับว่ามันได้ร่วงหน้าไปก่อนเพียงไม่กี่อุดใจนี่เองและแง่ายก็ออกนำเรี้ววไปอย่างรวดเร็วราวกับหมาล่าเนื้อบางขณะตามรมและบางขณะก็ถวนรมสุดแล้วแต่ทิศทางที่มันจะนำไปก่อนซึ่งบ่ายหน้าลงต่ำเป็นลำดับ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 แตกต่างไปกับดงกระดา น, นแห้งผากปานนรกที่ผ่านมาแล้วยิ่งใกล้เข้ามาเสียงน้ำกระแทกหินผาก็ยิ่งดังสนัน่นระอองน้ำโปรยปิวมาเย็นฉ่ำปกคลุมป่ารอบด้านอยู่ทั่วไปเอื้องพึ่งกระเช้าสีดาและช้างน้าวเกาะอยู่ตามขาคบของไม้ใหญ่แลเห็นพราวสะพ่างรานตาไปหมดพื้นดินอุดมไปด้วยพวกว่าสารพัดชนิดออกดอกปนหนึ่งจะอวดแข่งสีสันกันอยู่สร้อน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 เพื่อนชายโครงศีษะซุดตัวลงนั่งพังภาพถอดหมวกออกวักน้ำกรกศีษะส่วนรพินสอบซักพรานของเขาทั้งสามที่ทแยกย้ายกันไปตรวจ ด, ดูรอบๆทั้งเกิดเสยและจันสันหน้าได้แต่เบิกตาดูกันอย่างงุนงงรพินกัดดิมฝีปากแน่นกวาดสายตาไปยังบเวณรอบด้านอีกครั้งอย่างใครครวนขนาดหนักแล้วเบนมาจับเจ้า อ, อยู่ทีแง่ายเขมิง แง่ yeah, สายผู้บตดนี้นั่งกอดเข่ามองดูสายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมาเป็นช่องชั้นจากเบื้องบนริบริบขึ้นไปอย่างใจเย็นและดูจะไม่อารทสิ่งใดอันผิดไปกว่าอาการของทุกคนในขณะ น, นี้ใบหน้าสีทองแดงราวกับภาพแก ะ, แกะสลักนั้นอยู่ในอาการเคลิ้มพวาลมเย็นจากผาน้ำตกพัดเส้นผมหยึกหยักโศกยาวปกไยถอยปลิวสวยเขาก้าวชา้ชาๆเขาไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้า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 กอนที่กระแสน้ำจะกระโจนลงมาสู่แอง่งที่นั่นภายใต้สายน้ำที่กระโจนจากแก่งลงมาสู่แอง่งในชีวิตแห่งความเป็นเจ้าป่าของผู้กองได้ผ่านน้ำตกเขานางนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วผู้กองเคยคิดเหมือนผมบ้างหรือไม่แล้วปินจ้องไปที่ผาน้าตกแล้วหันขวับมาจ้องแง่ายอีกครั้งอย่างรวดเร็วตาเป็นประกายลุกแววคิดว่ายังไง ใต้าสายน้ําตกที่เป็นม่านบังไว้เป็นปากถ้าใหญ่ลึกและกว้างเป็นช่องทางตัดเข้าไปใต้ภูเขาลูกนี้พรานใหญ่กั้นใจเอ่ยรอดไลายฟันออกมาด้วยเสียงที่พยายามให้เป็นปกติที่สุดว่าและนั่นก็คือทางด่านลับเชื่อมติดต่อระหว่างป่า น, นอกกับผุกหมาหอนงั้นใช่ไหมครับไม่ทันจะขาดเสียงแง้าย รับผินก็ขยุ้มไหล่เจ้าคนดงกระชากยืนขึ้นง้างหมัดขึ้นเต็มล้าหมัดของเขาค้างชงักอยู่เพียงแค่นั้นเองเพราะมีใครคนหนึ่งแทรกลางเข้ามาอย่างรวดเร็วง้างหมัดขึ้นเหมือนกันสีหน้าขึงขังเอาจริงเอาจั ง, จงถ้าคุณต่อยน้องชายของฉันใครคนนั้นก็คือหม่อมราชวงหญิงดาดินวราริศนั่นเองบัตรนี้ชู ก, กับปั้นลอยวนอยู่ตรงหน้าของเขาแต่ในตามีแววยิ้มฉันก็จะต่อยคุณเหมือนกัน เอาหรือแล้วพินภัยวันยืนตัวสั่นเทิมหน้าแดงกำอึดใจใหญ่ก็ลดมือลงจากการที่ค้ำคอแง่ทายไว้สีหน้าและอาการของเขาสอชัดว่าพยายามจะสะกดกั้นความรู้สึกไว้ยอย่างยากเย็นที่สุดไม่พูดอะไรอีกเลยจนคำเดียวแล้วพินหันหลังกลับคว้าไหล่เฟิ้นกระโดดโครงลงไปในแอ่งน้ำแล้วเดินลุยตรงเขา้าไปยังตาแหน่งน้าตกที่พุ่งเป็นลำลงมาสารวจหารูทางอยู่อึดใจ ทุกคนก็เห็นร่างของเขาฝ่าสายน้ำตกหายรับเข้าไปทางมุมหนึ่งโดยไม่สนใจกับเสียงร้องตะโกนถามของชายยันครูใหญ่ต่อมาก็โผล่ผ่านสายน้ำตกออกมาเห็นอีกครั้งตายเปียกโชกไปหมดเดินลุยน้ำกลับมาที่เก่าพอถึงก็สะบัดน้ำออกมาจากตัวชำองมองดูหน้าแงทรายนิดหนึ่งแล้วพูดกับนายจ้างต่ำๆว่ามีดา่านรับซ่อนอยู่ใต้ชะง้อนน้าตกนั่นบอกเพียงแค่นี้ เขาก็พยักหน้ากับเกิดให้ส่งย่ามหลังประจําตัวมาให้เลือกได้เสื้อผ้าที่เตรียมมาอีกชุดหนึ่งเดินห่างออกไปกำ บ, บังหินใหญ่ผัดชุดที่เปียกออกพอผัดเครื่องแต่งกายชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยนั่งลงสูบบุหรี่อัดควันห น, หนักๆอยู่คนเดียวชายยันกับดาลินก็เดินตรงเข้ามาหาชายยันเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นหมายความว่ายัางไงกันนี่แต่ว่าเราค้นพบด่านลับอันเป็นทางติดต่อระหว่างป่านอกกับผุบหมาหอนแล้วใช่ไหม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 ทำไมถึงอมพนันไว้จนกระทั่งบัดนี้มันรู้จักด่านลับใต้น้ําตกนี้ดีมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้อยู่ทุกขณะว่าพวกเราประชิกับปัญหาว่าด่านลับนั้นอยู่ที่ไหนทําไมมันถึงนิ่งอุบไว้เพิ่งจะมาบอกเอาวินาทีสุดท้ายนี่เมื่อข่าวที่เราตามมันมาครั้งก่อนเราก็ไปหลงรอยเสียจนต้องเดินย้อนกลับไปที่แคมป์มันก็น่าจะบอกเลย ว, ว่าด่านลับหรือทางฉุกเฉินของไอ้แหวงอยู่ตรงไหน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 เอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้พูดเสียงเบาอ่อนหวานอย่าเปี้ยวกาดนะสิค้ารพินระงับอารมณ์ของคุณไว้บ้างอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นกักฉันเถอะฉันเห็นใจเหมือนกันว่าคุณโมโหงแงซายมากฉันเองก็สอบถามเขาในเรื่องนี้แล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเถิดนะแต่ฉันเชื่อแงสายและไม่คิดว่าเขาจะมีลูกไม้ซ่อนเงื่อนอะไรกับคุณเลยนอกจากความซื่อความซื่อ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 ไอ้คนคีดฝันคนนั้นรับพินตะคอกอย่างพุ่งพ่านควักบุหรี่ออกมาคาบใหม่มือสัน่นชายยานหัเราะเบาๆรีบควักไรเตอร์ออกมาจุดให้อ ย, ย่างเอาใจพรานใหญ่รู้สึกตัวในอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงของตัวเองยกมือไหว้ชายยานแล้วฝืนหัวเราะแค่นแคนกล่าวเสียงอ่อนลงเอาแล้วครับผมพยายามจะเชื่อตามที่คุณหญิงบอกนี่แต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าทั้งแง่ทายฝันอย่างนี้เสียแต่เนิ่น พวกเราจะต้องไม่ต้องเหนือ่อยยากเปลืองเวลาเปลืองชีวิตและข้าวของไปมากมายถึงเพียงนี้ไอ้แหว่งเกมไปนานแล้วกรุณาไปเตือนหมอนั่นเสียด้วยว่าคราวหลังถ้าเกิดวิกฤตตการอะไรขึ้นขอให้หมอฝันทันต่อเหตุการณ์หน่อยอย่าฝันเอาในเวลาเกือบสายอย่างนี้ผมน่าไม่อยากจะพูดอะไรกับพ่อน้องชายของคุณหญิงคนนี้อีกแล้วคอ ม, มน็นเต็มเหนียวมาตั้งแต่ตอนที่หลอกให้เดินหลงตามรอยเมื่อบ่ายนี้แล้วม่น่าล่ะ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 ถ้ามันไม่บอกก็โง่งมอยู่นี่เองเก่งมากเจ้าแง่สายคนนี้โทษนพินคุณก็คอยคิดเอาแงเอางอนถือเหลี่ยมถือเชิงอะไรกับแง่สายอยู่อย่างนี้นี่นะถึงได้มองเขาในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาทําไมไม่มองเขาในแง่ดีบ้างถ้าไม่มีแง่สายป่านนี้คุณก็ยังงมอยู่นั่นเองว่าไอแวหว่งเหาะหรือว่าดำดินไปทางไหนรพินคอแข็งพูดอะไรไม่ออก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 รอบด่านแทระงงไปด้วยเสียงจั๊ ก, กจั่นร้องนายคระตะโนไปกับเสียงน้ำตกกระทบแก่งหินอีกไม่นานนักป่าทั้งป่าก็มืดสนิทลงแล้วัางงา้างั้นรีบหาชัยภูมิที่จะพักกลาคืนนี้เถอะตรงนี้คงไม่เหมาะเพราะใกล้น้ำตกเกินไปนอกจากกลางคืนจะถูกระอองน้ำหนาวเสียงน้ำตกจะทําให้เราไม่ได้ยินเสียงอื่นๆระพินลุกขึ้นยืนตะโกนบอกกับคนของเขาต่อจากนั้นอีกเพียงครู่เดียว ค่ายพักนอนชั่วขาวก็ถูกเลือกขึ้นบนริมฝั่งทาน้ำด้านเหนือห่างจากแอ่งน้ำตกประมาณ300หลาในระหว่างวงร้อมของกลุ่มโขดหินก้อนใหญ่หญผ้าพลาสติกผืนหนาปูรองพื้นสำหรับนอนอีกพื้นหนึ่งที่บางกว่าขึงสี่มุมกันน้ำค้างถ้าฝนไม่เทลงมาในคืนนี้ที่แรมคืนแบบง่ายๆของคณะทั้ง7คนก็ไม่มีอะไรขุกขักเดือดร้อนต่างช่วกันคนลไม้คนลมืออย่างคล่องแคล่วเคยชิน ไม่กี่อึดใจบริเวณนั้นก็กลายสภาพเป็นที่พักสำหรับคืนนี้ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ดารินคงไม่ทิ้งนิสัยกก่าวอันแก้ไม่หายของรอนนั่นก็คือขาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นรอนปลอดโปรงใจเป็นพิเศษเมื่อค่ายแรมคืนได้ถูกกำหนดขึ้นใกล้เคียงกับบริเวณแหล่งน้าอันน่าอาบเมื่อครอันบังเกิดจากความสมบุกสมบันมาตลอดทั้งวันนั้นยังพอทํานาสาหรับรอน แต่ตอนที่คืบคาขานเกาหาโขลงไอ้แหว่งในดงผากเมื่อตอนบ่ายนี้ขุยผากและใบไม้บางชนิดทําให้รอนกวนกวายและขันเคยเยออยู่จนกระทั่งบัดนี้ตลอดทางที่เดินมาก่อนที่ถึงแหล่งน้ําตกหล่อนยังแอบเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเงียบๆว่าหล่อนจะมีโอกาสอาบน้ําได้ที่ไหนซึ่งมันจะต้องเป็นสิ่งที่ทรมานอย่างที่สุดพอเห็นแห่งน้ําตกอันใสสะอาดรื่นรมและรู้แน่ว่าจะต้องพักที่นี่ หญิงสาวก็มีความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกดังนั้นระหว่างที่คนอื่นๆสาระวนอยู่กับการหุงหาและจัดที่พักหญิงสาวก็หยิบย่ามหลังขึ้นเวียงพาดบ่าบอกเปลยเปื่ไปทางชายยันกับพระพินรผู้กำลังช่วยกันขึงผ้ากัน้นหลังคาอยู่ว่าอย่าว่าฉันนะขอร้างตัวสักเดี๋ยวเถอะทนไม่ไหวคันยิบไ ป, ปหมดทั้งตัวไม่งั้นคืนนี้นอนไม่ได้แน่ชายยันจุ ป, ป่าโครงหัวอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้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 บอกให้พวกเรารู้ไว้ทุกคนค่ะอย่าเพิ่งโผล่ออกไปทางด้านหลังก้อนหินลูกนี้ก็แล้วกันรับรองว่าไม่เกินสิบนาทีว่าแล้วหล่อนก็ถากเดินอ้อมหินใหญ่ทุกนั้นรับหายไปชายันหัเราะหึ่หันมาสายหน้ากับพรานใหญ่บนพามแต่ละผินบอกมาเบาๆว่าน่าหินใจหรอกครับตอนครานกับผมเข้าเป็นดงผากเธอดนขุยผากทั้งตัวขนาดผมเองยังทนแทบไม่ไหวเลยแต่ช่วยเตือนให้รีบอาบรีบขึ้นก็ดี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 เวลาผมนอนในป่าคนเดียวโดยไม่มียามผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดไม่เคยปรากฏว่าจะมีอะไรแพร่ผ่านเข้ามาเลยหลับได้อย่างสบายข้าวสุกก็เป็นเวลามืดสนิทพอดีต่างล้อมวงกินกันรอบกองไฟใหญ่ที่ก่อไว้เพียงกองเดียวสำหรับให้ความอบอุ่นพอความมืดคืบคลานเข้ามาความวังเวงและหนาวสถานก็ครอบงาไปทั่วไม่ต้องสงสัยว่ามันจะต้องเป็นอีคืนหนึ่งที่หนาวเย็นอย่างทารุณที่สุด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 แยกห่างกันไปคนละทิศชีวิตของป่าใหญ่ไพรทึบกำลังเริ่มต้นไหวตัวตามปกติสภาพของมันยมราตีดารินไปแบบหน้าที่ประจำของร่อนโดยไม่หลงลืมแจกยาสกัดไข้ให้ทุกคนในคณะชายยันเปิดไฟฉายส่องกลาดไปทางหน้าแก่งน้ำตกและราวป่าใกล้เคียงทั้งสองฝั่งสมมุติว่าคืนนี้ไอแหว่งย่องผ่านด่านลับย้อนกลับออกมาเราจะได้ยินกันหรือไม่นี่ ผมคิดว่ามันไม่ย้อนกลับออกมาในคืนนี้แน่นอนมันเจ็บหนักไปกำลังหาที่ซ่อนหลบตัวเพื่อให้พ้นจากการตามของเราอีกอย่างหนึง่งมันก็คงไม่คิดด้วยว่าเราจะค้นพบด่านลับนี้เข้าจอมพรานตอบหลีตามองตามแสงไฟฉายที่กลาดอยู่ไปมาของนายจ้างอย่างไรก็ตามชายยันย่อมจะตะนากได้ว่าพรานใหญ่เลือกที่นอนได้รัดกลุ่มเหมาะสมดีมาก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 ดูเหมือนจะนำมาใช้กับไอ้แหวงไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะเตือนเราได้ดีสิ่งใดก็ตามที่เราไม่คิดหรือไม่เชื่อไอ้แหวงมักจะฉวยโอกาสเสมอดารินเปยขึ้นเบาๆเป็นการแสดงความเห็นมากกว่าเจตนาที่อยากค้านเขาโดยตรงถ้ามันย้อนกลับออกมาคืนนี้เราต้องได้ยินเสียงครับนายหญิงจันตอบหลนมาแทนด่านรับใต้ผาน้าตกนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วพิน ชายยันถามต่อมาเป่าควันบุหรีลงตพลาพรานใหญ่ชมเรืองหางตาไปทางแง่สายอีกแว บ, บหนึ่งกเกลีองหนุ่มร่างยากบัดนี้นอนตะแคงขดตัวหันหลังให้ห่างออกไปทางด้านซ้ายใกล้กับก้อนหินมีผ้าของม้าเก่าๆพันอยู่รอบหน้าหลังจากกินข้าวเสร็จแง่สายไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยหากแต่ปลีกตัวแยกไปล้มตัวนอนทันทีเป็นปากถ้าลักษณะแปลกมากทีเดียวครับไม่กว้างใหญ่นัก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 พานใหญ่หุราะหึ่หจิบกาแฟตาเป็นประกายวาวจับนิ่งอยู่ที่ร่างอันนอนโคตของเจ้าชาวดงผู้ลึกลับมันจะเคยเดินหรือไม่จะเคยรู้ทางหรือไม่รู้มันก็ต้องเป็นคนนำทางเราพรุ่งนี้และจะนำหน้าทุกครั้งไปจนกว่าเราจะได้ตัวไอ้แหวงคุณจะไม่บีบบังคับแง่ทายเกินไปหรือคุณหญิงจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้เป็นเสียงตอบก้าวๆฉีบขาดดารินนิ่งไม่ได้โต้แย้งอะไรอีก ระดับน้ําลึกสักเท่าไหร่หลังม่านน้าตกเข้าไปจนกระทั่งถึงปากถา้าชา ย, ยันสอบถามต่อมาก็ประมาณแค่คอครับจากม่านน้าตกเป็นบริเวณวางน้ําลึกเข้าไปอีการาวยี่สิบหลาก็จะถึงผนังผาปากถ้าอยู่ในตําแหน่งใจกลางของผนังผากลางระดับของม่านน้าตกมีก้อนหินสลับเป็นชั้นเหมือนชั้นบันไดให้ไต่ขึ้นไปถึงปากถ้าได้อย่างสบายแต่ลื่นมาก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 รพระินตอบอย่างไกรตองริ้วรอยกังวลปรากฏขึ้นในแววตาของเขาไม่ปิดอะไรกับชัยยันแต่ถึงอย่างไรก็อย่างที่ได้เรียนแล้วถ้าทางนี้เป็นทางด่านของช้างการเดินตามรอยของเราก็คงจะไม่มีอุปสรรคอะไรมากนักผมไม่อยากจะเชื่อว่าถ้ำ น, นี้จะเป็นอุโมงค์ทึบใต้ภูเขาที่ตัดดิ่งไปในความมืดจนกระทั่งโผล่ออกอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเดียวอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องผ่านโตรกหรือหุบเหวที่มีปากอยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปเข า, ข, าข้างบน พอให้อากาศและแสงสว่างส่องลงไม้หินได้บ้างเป็นระยะไปหนทางข้างในก็ต้องกว้างใหญ่พอประมาณทีเดียวไม่ช้างจะเดินผ่านไม่ได้ที่ผมประหลาดใจอย่างที่สุดก็คือในชีวิตการท่องเที่ยวสำรวจแถบนี้มาเป็นเวลาห้าหกปีของผมผมค้นไม่พบมาก่อนเลยว่าจะมีหนทางลับใต้ภูเขาขนาดที่ช้างต้องโขงใช้เดินผ่านเขาออกได้ ท, ทั้งที่พยายามค้นมาเป็นเวลานา น, าน กระธิงตัวที่ผมยิงในป่านอกแล้วมาตามพบตัวโดยบังเอิญในหุบหมาหอนก็คงจะต้องอาศัยด่านลับตรงนี้แหละแอบหนีเข้ามาเอาละพวกนี้ก็คงจะเห็นชัดกันออกไปชายันว่าทั้งสามคุยกันอีกครู่เดียวพอสองทุ่มเศษเศษความง่วงก็ย่างกลายเข้ามาประกอบกับความอิดโดยอ่อนเพลียที่บุกหนักกันมาตลอดทั้งวันต่างชวนกันนอนและเข้าประจาที่ภายในอนณาเขตปูราดของผ้าพลาสติกแคบแ ซึ่งพอจะนอนเบียดกันได้เจ็ดคนพอดีดาดินถูกกำหนดให้นอนอยู่ตรงกลางในระหว่างขนาบซ้ายของพรานใหญ่และขวาของชัยยันเกิดกับจานนอนถัดไปอีกด้านหนึ่งและแง่สายอีกด้านหนึ่งกองไฟก่อไว้ทางด้านเหนือศีสะปลายเท้าหันด้านเดียวกันไปทางด้านผาน้ำตกอันเป็นทิศทางสกัดปากดานลับไรเฟิลได้ายฉายไปจาตัวของแต่ละคน วางไว้ในตำแหน่งที่สามารถจะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่สับสนกรุกคลักใช้ย่ามหลังเป็นที่หนุนสีสะเสียงนกกลางคืนร้องปึ๊กปึ๊กอยู่เป็นจังหวะนานๆเก้งจะร้องเป๊กแหวกความเงียบมาสักครั้งหนึ่งสลับไปกับเสียงจักจัน่นเ ร, รายป่าและเสียงน้ำสาซาลงมาสู่วังบนทุกคนนอนฟังเสียงดนตรีัยเ่านั้นซึ่งสะกดอยู่เนือความอ่อนเปรียเพียแรง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 ไม่มีทางอื่นที่จะเข้าไปถึงปากถ้ำนั่นได้เลยนอกจากจะลุยน้ําฝ่ามา่านน้าตกเข้าไปเขารายงานกับนายจ้างทั้งสองตรวทั่วแล้วหรือช ย, ยันถามมาทั่วแล้วครับสายน้ําตกวังไว้บังไว้หมดทุกส่วนตรงบริเวณขอบริมทั้งสองด้านก็เป็นหน้าผาทึบเวิ้งปากถ้ำนั้นอยู่ใจกลางพอดีก็ไม่แปลงอะไรลุยฝ่าน้ํากันเข้าไปก็แล้วกันช ย, ยันว่า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 ก็พระออกจากที่พักแรมเมื่อคืนเดินเรียบชายฝั่งธารขึ้นไปยังน้ําตกพอใกล้เข้ามาก็ลงจากฝั่งลุยลงไปในแอ่งน้ําตัดทางตรงดิ่งมุ่งเข้าไปยังบริเวณสายน้ําตกที่ส่งเสียงดังสนั่นแตกเป็นฟองขาวอยู่นั้นระพินก้าวนําไปอย่างระมัดระวังไปเบื้องหน้าและคอยโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินตามรอยเขาไปทุกระยะอาศัยจากร่องน้ําที่สํารวจไว้ก่อนแล้วพื้นเบื้องร่างเป็นก้อนหินขรุขระตะปุ่มตะป่๋ำและลื่นมาก ล่อแหลมต่อการเสียหลักหกล้มโดยง่ายหากเดินไม่ระวังพอชายยันและดารินเดินเคียงคู่กันตามหลังเขาวเว้นรยะห่างประมาณสองช่วงแขนถัดมาก็เป็นแง่ทรายกับเกิดซึ่งหามสัมภา ร, ระที่ห่อผ้าพัาสติกตามท้ายขบวนด้วยจันทร์และเสยทั้งหมดเดินในลักษณะแถวเรียงเดี่ยวตามกันไปเืินถือในลักษณะชูไว้เหนือศีรษะนอนขนานกับพื้นน้ำเพื่อให้น้ำเปียกน้อยที่สุด ยิ่งใกล้ตำแหน่งน้ำตกลงกระทบผิวแอว่งเท่าไหร่ระดับน้ำก็เริ่มจะลึกขึ้นเท่านั้นครั้งแรกมันเพียงเข่าและบัดนี้มันสูงท่วมอกน้ำสายน้ำเย็นเฉียบเข้าไปถึงคู่หัวใจท่ามกลางละอองหมอกยามเช้าตู่ที่ปกคลุมอยู่ทั่วไปก่อนที่จะผูกหายนำเข้าไปใต้กระแสน้ำตกแล้วผนหันมาโบกมือเป็นสัญญาณอีกครั้งแล้วก็แวบฝ่าสายน้ำอันแรงนั้นเข้าไป ชายยันประคองดาลินไว้ลุยตามก็ไปติดติดหูแทบจะดับด้วยสายน้ําที่ซัดกระหน่ำประทะลงมาจากเบื้องบนมาดังอื้ออึงสนันวันไหวกระทบร่างกายจนรู้สึกเจ็บและแทบจะทําให้ต้องเสียหลักล้มลงเสียงดาลินร้องอุทานออกมาเมื่อเหยียบหินพลาดเพราะแรงประทะของน้ำเสียหลักล้มจมลงไปแต่ชายยันกระช้ากอเสื้อหิ้วขึ้นมาได้กว่าจะพ้นม่านน้ําตกเข้าไปสู่ความมืดสลัวภายในเชเวิกผาได้ก็เต็มไปด้วยความทุรคทะเล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 ความจริงบริเวณเวิ้งแอ่งใต้มนันตกนี้ไม่ถึงกับมืดนักเพราะแสงสว่างของยามเช้าพอจะสาดผ่านสายน้ำเข้ามาได้ลักษณะของมันเหมือนฝาหอยเพดานด้านบนสูงขึ้นประมาณสิบเมตรชะโงกเนื้อออกไปเป็นหลังคาและนั่นคือตำแหน่งที่สายน้ำตกกระโจมผ่านลงไปสู่วังน้ำเบื้องล่างแสงไฟฉายจากมือพรานใหญ่ที่ส่องกลาดขึ้นไปกระทบแง่หินบางตอนสะท้อนแสงเป็นประกายวาวูบราวกับน้ำเพชรสลับไปกับตะไคร่เกี้ยว และผ่านไม้ประเภทเฟิ่อเล็กๆปกคลุมอยู่เต็มบางแห่งก็มีรากไม้แทงทะลุโผออกมาและมีตาน้ำไหลอ ย, อยู่ทั่วไปตามรอยของพิานผาเหล่านั้นราวกับสายน้ำตกจำลองเล็กๆบริเวณวางน้ำใต้น้ำตกก็จะไปถึงปากถ้ำซึ่งอยู่ในระดับสูงขึ้นไปประมาณ3เมตรจากระดับที่ยืนรอยคอกันอยู่เป็นลักษณะเว้งวางน้ำครึ่งวงกลมภายในเนื้อที่ไม่เกิน150ตารางวา จากความมืดสลัวคลุมเครือและน้ำอันยินเยียบเช่นนี้ทำให้แลดูน่าหวาดระแวงสะพึงกลัวอย่างยิ่งการพูดจาส่งภาษากันในขณะนี้แม้จะใช้ตะโกนก็แทบจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงอื้ออึงของน้ำตกพรานใหญ่โบกมือเป็นสัญญาณอีกครั้งค่อยๆเดินรุยตรงเข้าไปหาผนังหินปากถ้าทุกคนเห็นเขาค่อยๆก้าวพ้นระดับน้าสูงขึ้นไปเป็ น, นําดบ เมือจะเดินขึ้นไปตามขั้นบันไดระหว่างไรเฟิลของตนเองลงบนแง่หินตอนหนึ่งยื่นส่งมือมาให้เชยันจับอดีตนายทหารปืนใหญ่คว้ามือนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นในแบบบล็อกโดยมีฝ่ามือของแต่ละฝ่ายจับข้อมือของกันและกันไว้อีกข้างหนึ่งส่งต่อไปให้ดารินอีกค่อยๆเหนียวพยุงตัวไต่ตามแง่หินอันจับเลื่อนไปด้วยแตะไคร่น้ําขึ้นไปอย่างแช่มช้าระมัดระวังครูใหญ่ต่อมา ทั้งชายยานและดารินก็ขึ้นไปพักตัวอยู่บนก้อนหินเหนือระดับน้ําได้ชนิดที่บุตรบิณจะเสียหลักดึงกันตกลงไปหมดทั้งสามคนอยู่หลายครั้งอันเนื่องมาจากความลื่นแง่ท า, ายกับเกิดช่วยกันโยนห่อสัมภาระขึ้นไปให้ทั้งสามรับก่อนแล้วตายตามขึ้นมาแงซ า, ายผ่านขึ้นไปได้แต่เกิดถลายลื่นพัดล่วงหล่นตูมไปในน้ําถึงสองครั้งก่อนจะตายขึ้นไปถึงจากนั้นทั้งคู่ก็รับปืนจากจันและเซยใช้ไหม้หาบ ของเป็นหลักยึดยืนส่งไปให้จันทรกว่าทุกคนจะพ้นหวังน้ําขึ้นมายังบริเวณแก่งหินอันเป็นปากถ้าได้ก็ใช้เวลาถึงห้าหนาทีท่ามกลางความขลุกคลักทุรักทุเลชายยันถูกแง่หินบาด ท, ที่ข้อศอกเลือดออกซิบส่วนดาเรีนกังเกงล่าสัตว์ของหล่อนตะเข็บตั้งแต่ปรีสะโพกลงไปจนเกือบถึงหัวเขา่าเห็นเนื้อขาวผ่องแต่หล่อนไม่เอาใจใส่แม้ว่ารปินจะส่งเข็มซ่อนปลายมาให้ช่างเถอะ หล่อนบอกวึ้นหวนัดมือเข้าไปขณะที่ถอดหมวกออกสลัดน้ําจะเกลือนผมฉันไม่เอานิยมนิยายกับมันแล้วไม่ว่ามันจะขาดตรงไหนนี่มันทางไปบดาหรือไม่ก็นรกชัดๆประเดี๋ยวเถอะคงได้เจอมังกรตาไฟหรือไม่ก็สัตว์ประหลาดประหาดกันบ้างหรอบ้าจังกโกหกได้ว่าน้ําแค่ อ, อกฉันเดินถลามลงไปในน้ํำลึกตั้งสองสามครั้งไม่ถัวเลยเท้าไม่ถึงพื้นด้วยยังมีเหวอยู่ข้างล่างเกือบไม่ได้โผล่ขึ้นมาแล้ว ดีแต่คว้าแขนชัยยันไว้ได้รู้สึกเหมือนจะมีอะไรมากระชากขาด้วยพร้อมกันหล่อนก็ทำตัวสั่นสยิวหันลงไปมองดูวังน้ำอันมืดมิดข้างล่างอย่างพล่านใจอุปทานแล้วน้อยจะมีอะไรมากระชากขาเธอกันนอกจากเธอจะเดินเหยียบหินใต้น้ำพาดแล้วล้มลงไปเองน้ำก็ไม่ลึกอะไรนักชัยยันบอกมาปนหัวเราะมองดูหล่อนอย่างขันขันคุณหญิงไม่เดินตามร่องที่ผมเดินนานี่ครับ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 หลังย่มหลังของแต่ละคนตามเดิมแก่พาสเตอร์ที่ปิดปากกระบอกปืนออกและเช็ดจนแห้งสนิทเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะใช้งานได้ตามสภาพเดิมดารินบน่นพามหลอนหนักใจกว่าทุกคนเพราะไหเฟิ่ประจํามือของหล่อนติดศูนย์กล้องแม้จะใช้ฝาครอบปิดศูนย์กล้องไว้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าระอองไอน้าจะเข้าไปจับเปลนในศูนย์ทาให้ฝ้าฟางไปหรือเปลญิงสาวแก่ฝาครอบศูนย์กล้องออก บันจงเช็ดเลนอย่างระมัดรวังทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วยกขึ้นประทับรอกลองส่องออกไปอย่างม่านน้ําตกซึ่งมีแสงสว่างสาดเข้ามาแล้วร้องออกมาว่าแล้วมิล่าไอ้น้ำเขาไปจับในเลนจริงๆนั่นแหละมีหวังศูนย์พังแน่ปืนเธอกระบอกนี้ชัยยันเจ้าของปืนผู้กําลังรีดน้ําออกจากคางเกงและท็อปคอมแบตหันขวักมาอะไรก็ช่างเถอะว่าแต่พอจะมองเห็นเส้นเรงหรือเปล่า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 หญิงสาวจ้องหน้าเขาทำตาโตนี่อย่ามาพูดที่ใจไม่ดีนะคนยิ่งกลัวอยู่ด้วยประเดี๋ยวฉันก็บังคับเปลี่ยนปืนกับคุณเสียเท่านั้นพ่านยายหัวเราะเบาๆส่งลายเฟินระจํามือของเขาไปให้ตกลงครับถ้าคุณหญิงคิดว่าพอจะยิงจุดสี่ห้าปดไว้แต่ว่าอันที่จริงมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากไปกว่าริขบี้ที่คุณหญิงเคยยิงมาแล้วเลยคือคือกันนั่นแหละชยยันสกิดแขนเพื่อนสาว เมื่อเห็นร่อนทําท่าลังเลอยากจะเปลี่ยนปืนบอกมาต่ําๆว่าอย่าบ้าเลือดน้อยน้ําหนักตัวเธอยังไม่ถึง60สกิโก ร, รมัมก็อย่าไปยุ่งกับมันเข้าขนาดฉันหรือดิพินยังเซเป็นเธอก็หกเขมรเจ็ดทอดเลยถ้าเหนี่ยวไกลตูมออกไปจุดสมนย์ศแม็กนกัมกระบอกนั้นน่ะดีแล้วรับรองว่าแค่กระโถนกระแทกโครมสองโครมฐานกล้องไม่เคลื่อนหรอกมันติดแน่นมาจากโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของตัวปืนเลย ถ้าไม่กระเทือนแรงจนถึงกับเบี้ยวหรือคดไปแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเที่ยงเหมือนเดิมแล้วเพียงล้อเธอเล่นนะฉันเป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้ทำไมฉันจะไม่รู้ดารินฝืนหัวรอกแค่นๆเอาละฉันจะเชื่อสปปรรพคุณปืนอันเดเลืของเธอสักครั้งแต่บอกกล่าวก่อนนะถ้าเล็งไอ้แหว่งแล้วผ่านไปถูกหางแล้วก็ฉันไม่เอาปืนกระบอกนี้ของเธอไว้อีกแล้วฟาด ก, กับต้นไม้หักสองท่อนเลยชา ย, ยันยิ้มแห้ง อย่าให้ถึงงั้นดีกว่าเอ้าบีกระบอกนี้ราคาเกือบสอง0มืนเอาว่าถ้าผิดก็อย่าไปยิงมันเสียอีกก็แล้วกันไม่บอกแล้วยังไงหักทิ้งเลยหล่อนบอกเฉียบขาดทำเอาเจ้าของปืนต้องกระเดือกน้ำลายฝืดๆบนอะไรพึมพำอยู่ในลำคอพักกันพอตัวมาจากน้ำและจัดเตรียมตัวเสร็จรพินก็พยักหน้าเรียกแหย่สายเข้ามาออกคาสั่งกล้าวๆเอาละต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของแกนาไป นักพเนจรชาวดมยิ้มฟันขาวในเงาสรัวไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นงัดเชือกในร่อนเส้นยาวออกมาจากย่ามหลังจัดการมัดอย่างแน่นหนาะติดกับเอวของตนเองช้าๆแล้วโยนปลายที่เหลือมาทางพรานใหญ่ด้วยอาการเงียบๆเพียงแค่นั้นแล้วพินก็อ่านความหมายได้ในทันทีว่าหวนทางเดินภายในถ้า ม, มีสภาพเช่นไรบ้างมันจะต้องเต็มไปด้วยหูเหวีเสียงอันตรายไม่ใช่น้อยทีเดียวสาหรับการําทางเข้าไป เขาจ้องหน้าแงสายและหัวเราะหึ่ยยืนในลำคอไม่เอ่ยเช่นไรเหมือนกันคว้าเชือกขึ้นมาผูกเอวตนเองบ้างเว้นระยะห่างจากแงสายประมาณสหลาแล้วหันไปทางชายยันกับดารินนายจ้างทั้งสองก็สามารถจะเข้าใจชนิดที่ไม่จำเป็นต้องซักถามไม่เสียเวลาน้อยถัดจากกระพินและฉันถัดจากเธอเองอดีตนายทหารปืนใหญ่กสิซิบบอกพร้อมกับตบไหล่เพื่อนสาว นักมนุษยวิทยาคนสวยจัดการกับตนเองตามแบบพระพินโดยไม่เงอะงะเสียเวลาอยู่เพราะเคยชินรู้รักดีอยู่แล้วเพียงแต่ถามว่าเว้นระยะห่างสักเท่าไหร่สามหลาอย่าให้สั้นกว่านั้นไม่จะยึดกันไว้มิถนัดดีไม่ดีจงกันหล่นลงไปหมดผานใหญ่บอกคนถัดไปคือชายยันต่อมาก็เสยเกิดและจันเป็นคนหลังสุดปิดท้ายขบวนของสายโซ่ ภายหลังจากที่จันอันเป็นคนสุดท้ายร้องบอกมาว่าพร้อมแล้วเงยสายอันทําหน้าที่หัวแถวหรือมะขุเทศก็ตวัดไร่เฟืนขึ้นสะพายไหลส่องไฟฉายกลัดเดินนําไปเบื้องหน้าคนถัดถัดไปก็เริ่มเคลื่อนไหวตามเป็นแถวเรียงเดียวโดยไม่พูดคําใดกันออกมาอีกแล้วพีนเปิดไฉายในมือของเขากลัดสํารวจอีกดวงหนึ่งไปรอบๆอบและชายยันก็อีกดวงหนึ่งซึ่งคอยกวาดอยู่ไปมาอย่างหวาดระแวงนอกนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้ไฟฉาย นอกจากคอยก้าวตามหลังคนหน้าไปชนิดทับรอยและอาศัยแสงไฟสามดวงที่กวาดผ่านกันอยู่ไปมาเป็นเครื่องสังเกตสิ่งแวดล้อมพื้นเป็นหินตะปุ่มตะปําที่จับเต็มไปด้วยตะไคร้เรืลื่นจัดส่วนมากเปียกชื้นเฉอะแฉะบางแห่งเป็นบ่อน้ำขังอากาศอับแต่เย็นเยือกผนังด้านบนอุดมไปด้วยหินย้อยจากแสงไฟฉายสามดวงที่สาดจ้าออกไปมองเห็นเป็นโพรงคูหา ซอกเล็กมุมน้อยแยกไปได้หลายทางราวกับมีมือมนุษย์มาประดิษฐ์ตกแต่งไว้เพียงแค่การกระแอมไอหรือสะดุดเตะหินเข้าสก้อนเสียงของมันก็ดังกระหวานสะท้อนก้องกลับไปกลับมาอย่างน่าประหลาดราวกับจะเป็นเสียงล้อเรียนแง่าสายคงเดินนารุดหน้าไปอย่างเงียบกริบโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองแต่และฝีก้าวย่างที่เจ้าชาวโดงผู้รูับนาไป สำแดงให้เห็นชัดถึงความจัดเจนชำนาญทางมาเป็นอันดีแล้วเพราะไม่มีการหยุดใครควนหรือดังเลยเลยแต่และแยกแต่และเลี้ยวก็เลี่ยงร่างยักษ์ก้าวรุดไปด้วยอาการอันมั่นใจยิ่งนี่เป็นความรู้สึกของพรานใหญ่ระพินไพยวันผู้เพ่งจับอาการเคลื่อนไหวของเงาซายอยู่อย่างพินิดเสียงน้ำตกลงมากระทบผิวแองเบื้องร่างดังห่างไกลออกไปเป็นลาดับและในที่สุดก็เงียบหายสนิทไป เมื่อการเดินผ่านพ้นไปประมาณ15้านาทีแม้ระบินเองก็ยังแทบจะ ก, กําหนดไม่ถูกว่าแง่ซ้ายนําเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามอุโมงธรรมชาติใต้ขุนเขาใหญ่นั้นกี่ตรบแล้วหนทางมันไม่ผิดอะไรกับเขาวงกฏบางตอนก็เป็นช่องทางอกว้างใหญ่เวิ้งว้างราวกับโกดังเก็บของและบางตอนก็แคบจํากัดแต่ถึงอย่างไรก็มีขนาดกว้างพอที่ช้างขนาดใหญ่จะเดินเรียงเดี่ยวไปได้อย่างสบายอากาศภายในเริ่มข้นหนักขึ้นทุกขณะ เมือเ่อลึกจากบริเวณปากถ้ำเข้ามาเป็นลาดับทุกคนสะพายปืนไว้กับไหลใช้มือทั้งสองเกาะตามหินงอกที่ผุดระเกะระกะตามถ ท, ทางที่ผ่านไปราวกับจอมปลวกนับไม่ถ้วนเหล่านั้นเพื่อประยุงตัวกันไม่ให้ลื่นหกร้มจากพื้นอันแสน จ, จะเลื่อนทรงตัวลําบากครั้งหนึ่งแง่ทายผู้นําอยู่เบืองง้องหน้าหยุดชะ ง, งักยืนนิ่งอยู่กับที่และพินอันรองแถวคนที่สองตาง่ายแง่หินเข้ามาทันส่งสายตาเป็นคําถามมา เจ้าคนใช้ชาวดวงไม่เอ่ยคำใดกับเขาเพียงแต่ฉายไฟลงไปบนพื้นตรงหน้าพอมองเห็นถนัดผานใหญ่ก็กัดริมฝีปากเต็มแรงพื้นตำแหน่งนั้นลาดต่ำกว่าระดับอื่นๆลงไปเล็กน้อยลักษณะเหมือนแองจับหนาไปด้วยตะไคร่ที่หมักห ม, มมกันอยู่จะแลดูเหมือนตะเก็นรอยเท้าช้างที่เหยียบย่ำไวใ้ใหม่ๆมองเห็นได้ถนัดแต่นั่นก็ไม่สาคัญเท่ากับเลือดสีขามกองโตที่ปรากฏอยู่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 ก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าอาการของมันหนักเต็มทีหรื อ, อยังไงชา ย, ย, านยันยางความเห็นของเขาก็เห็นผานใหญ่ขมวดคิ้วริมฝีปากจเมิมแน่นอยู่เช่นเดิมก็ควรจะเป็นอย่างที่คุณชา ย, ยันว่านั่นแหละครับผมแปลกใจเหลือเกินทำไมมันถึงทรหดผิดปกติอย่างนี้ความจริงมันควรจะไปไม่ไหวแล้วเงยสายฉายไฟในมือลงไปยังแอ่งอันเลอะไปด้วยรอยช้างนั่นอีกครั้ง แล้วชี้ให้ดูพร้อมกับเอ่ยห้่าๆขึ้นเป็นประโยคแรกว่าผู้กองเห็นรอยช้างใหญ่อีกสองตัวนั่นไหมรพย์พินมองตามนิ่งไปครู่ใหญ่ตาทั้งคู่หลีลงอย่างใช้ความคิดหนักหน่วงชายยันสกิจถามมาเบาๆว่าทำไมหรือรพย์ินอาจเป็นไปได้อย่างที่แง่า ย, ายคิดครับนั่นก็คือไอ้แหว่งยังล้มไม่ลงเพราะมีบริวารของมันสองตัวคอยแซงขนาดประครับประคองอยู่ มันช่วยกันพาจากโขลงของมันไปมันผ่านถ้ำนี่เข้ามาเพียงสามตัวเท่านั้นไอแหวงตัวการกับช้างบริวารอีกสองตัวนอกนั้นยังไม่ได้ผ่านเข้ามาทางนี้ก็คือเจ้าผูดที่เดินล่อให้เราหลงทางเมื่อวานนี้นั่นแหละครับชายันอึง้งส่วนดาลินขนลุกชันขึ้นทั้งตัวคลางอะไรออกมาคําหนึ่งด้วยความสยดสยิ้ใจในปัญญาเร่เกลของพยาก็จะสารร้ายและลูกโขลงบริวารของมันโอ้โห ถึงขนาดนี้ทีเดียวรือภายหลังจากเงียบงานกันไปคู่ใหญ่แล้วปิ่นก็บอกขึ่มๆว่าจะอย่างไรก็ตามเราเป็นต่อแล้วครับความหวังเห็นอยู่แค่เอื้อมนี้เองแล้วก็พยักหน้ากับแง่ซ า, าให้ออกนําต่อไปทั้งหมดเคลื่อนออกจากที่อีกครั้งลอยจะคล้ายจากปลักกลางถ้าที่มันลุยผ่านไปเลอะเทอะเป็นทางไปให้เห็นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือแต่ลอยหยดเลือดกระเซ็นกระส้ายซึ่งเระยะห่างขึ้น และในที่สุดก็ขาดหายไปอีกอย่างน่าพิศวงคราวนี้แงาสายเริ่มรังเลพยายามส่องไฟสำรวจไปตามพื้นอย่างถี่ถ้วนนำเลี้ยวแยกไปทางคูหาด้านขวาเข้าไปสู่ใจกลางเวิงกว้างใหญ่ตอนหนึ่งแล้วก็ยืนงงในที่สุดก็โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามย้อนกลับมายัางปากทางแยกแห่งเดิมอีกมาหยุดยืนนิ่งอยู่ที่เก่าแกงองอะไรหรือผานใหญ่กระซิบถามมาเบาๆจากเบื้องหลัง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 นำตัดออกปากทางด้านหุบหมาหอนธรรมชาติของช้างจะไม่หลบอยู่ในถ้ำมืดนอกจากอาศัยเป็นทางเดินผ่านแต่ผู้กองครับเลือดมันหายไปไหนแง่าสายเอ๋ยตำาๆมาอีกอย่างกังวลมันอาจลงไปเกลือกปักตะไครน้ำเอาตะไครุ่ดปากแผลหยุดเลือดไว้ชุ ข, ขาวก็ได้ไม่ต้องมีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นทำตามที่ฉันสั่งเขาพูดเฉียบขาดเสียงแง่าสายถอนใจเฮือก นิ่งอยู่อีกครู่ก็บอกมาห้าวๆเสียงกล้องไปทั้งขูหาว่าระวังตัวเดินตามเงยสายให้ดีทุกคนทางข้างหน้าจะผ่านปากเหวรอบด้านหุนทางแคบและลื่นมากเงยสายจะนําทรุออกปากท่ามทางด้านหุบหมาหอนตามคําสั่งของผู้กองขาดคําร่างอันสูงใหญ่นั้นก็เคลื่อนออกจากที่อีกครั้งทั้งหมดเดินเข้าขบวนในลักษณะเรียงเดี่ยวอีกครั้ง สูดเท้าซ้ํารอยกันไปอย่างระมัดระวังโดยที่ระยะเท่ากับความห่างของเชือกที่ผูกมัดเอาไว้แงาสายสองทางไปเฉพาะร่องเดินข้างหน้าแต่ะพินและชายยานกวาดจำปิชายสองสำรวจไปตามผนังทั้งสองด้านตลอดจนบริเวณแวดล้อมที่9ผ่านไปครั้นแล้วไม่กี่ใจต่อจากนั้นเองทุกคนก็เริ่มสำเนีจอชัดว่ากําลังเดินไต่ชิดผนังด้านซ้ายซึ่งมีช่องทางสําหรับให้เดินกว้างเพียงเม็ดเดียว ้นจากทางเดินอันกุกละและแสนดื่นซึ่งมีลักษณะเป็นขอบเหวนี้คืออากาศอันว่างเปล่ามืดมิดแสงไฟฉายที่รพินกับชายยานส่องกลาดลงไปไม่สามารถจะส่งลงไปถึงก้นอันสุดยังนั้นได้นอกจากเหลี่ยมได้แง่ของหินผาที่ผุดอยู่ระเกะระกะลดหลั่นลิบเลี่กันลงไปการเดินเริ่มช้าลงจนกลายเป็นค่อยๆตายไปเสียงรพินเตือนนายจ้างเข้ามาเบา กำชับให้คอยก้าวและหาหลักที่ยึดตามที่เขาได้ทำตัวอย่างไว้ก่อนแล้วแม้อากาศภายในจะเย็นเยือกสักเพียงใดก็ตามแต่บัดนี้ทุกคนเหงื่อผุดเต็มใบหน้าจงังหวะเดียวเท่านั้นที่พลาดมันหมายถึงการถลายลื่นหลุดลงไปจากทางเดินมหาวิบากนั้นซึ่งทำนายไม่ได้ว่าอนาคตอยู่ที่ไหนรพินคุณแน่ใจหรือว่าช้างมันจะผ่านทางแบบนี้ไปได้เสียงชยยันร้องถามเบา ขณะที่ใช้เท้าย่างทางอันเทราเป็นรอยสูงต่ำพวกหาความมั่นใจก่อนจะก้าเหยียบลงไปอย่างระมัดระวังมือก็เกาะยึดหินงอกกลิมผนังไว้แน่นเชื่อเถอะครับว่ามันไปได้เป็นคำตอบสั้นๆของจอมพานแล้วจากนั้นความเงียบก็ปกคลุมเหมือนเดิมนอกจากเสียงหายใจหอบๆและเสียงอุทานพึมพำอยู่ในลาคอจะทบางคนในบางเวลาดาดินเหยียบก้อนหินถลายลื่นครั้งหนึ่ง แตะขมำไปเกาะยึดแง่ริมผนังไว้ได้ก้อนหินที่หล่อนเหยียบพัดจับคอเพลหลุดร่วงลงไปเสียงมันกระทบกับแง่ที่โผล่ยื่นออกมาจากริมขอบแล้วก็ดอนต่ําลงไปสู่เบื้องล่างดังสะท้อนก้องลงไปเป็นลําดับฝังเสียงวู่ไปถึงขั้วหัวใจทุกคนหยุดชะงักการเคลื่อนนิ่งอยู่กับที่ในบัดนั้นน้อยเป็นยังไงบ้างชายันร้องร่ำขึ้นอย่างใจหายพร้อมกับฉายฝ่ายไปที่เพื่อนสาวผู้อยู่ข้างหน้า ทุกคนเห็นนักมนุษยวิทยาคนสวยนอนผังภาพเกาะแง่หินนิ่งอยู่เช่นนั้นอึดใจหนึ่งก็ค่อยๆเหนี่ยวกายทรงตัวขึ้นส่วนเท้าข้างหนึ่งของหล่อนพ้นขอบเหวออกไปรออยู่ไม่สามารถจะใช้ยันกับอะไรได้ระวังอย่าเพิ่งพุ่งพลาดเข้ามาที่ชั้นตรงนี้ลื่นทางเทลาดมากหล่อนกลับเป็นฝ่ายเตือนเขามาเบาๆด้วยเสียงเป็นปกติเมื่อเห็นชายยันขยับตัวจะปลีพรมตามเข้ามาช่วยพยุงตรงตำแหน่งนั้น พรานใหญ่ซึ่งเป็นคนถัดไปจากหล่อนทางเบื้องหน้าและบัดนี้อยู่ในระหว่างซ้อหินที่มีความมั่นคงกว่าตวัดสายเชือกส่วนที่ทิ้งระยะในระหว่างเขากับหลอนคล้องผ่านติดกับแง่ตอนหนึ่งอย่างมั่นคงตนเองยืดปลายไว้อีกข้างแล้วร้องบอกมาว่าเอาละครับคุณหญิงจับสายเชือกไว้เหนี่ยวตัวขึ้นมาชายยันผู้เป็นสายโซ่อีกด้านหนึ่งของดารินก็จัดการผ่านเชือกเข้ากับหินงออีกก้อนหนึ่ง เป็นการช่วยยึดตึงอีกแรงพอพานใหญ่ร้องเตือนมาอีกครั้งหญิงสาวก็ปล่อยมือจากแง่หินที่จับไว้คว้าสายเชือกที่มัดติดเอวทันทีที่มือหลุดออกจากหลักยึดล่างของหล่อนก็ถลายลื่นไปตามทางอันเละเทราดนั้นหลุดพ้นขอบเพลลงไปในพริปตาแต่ก็ติดค้างอยู่ตรงบริเวณปากขอบนั่นเองเพราะสายเชือกยึดไว้หญิงสาวจับสายเชือกเหนียวตัวขึ้นมาอย่างยากเย็นในขณะที่ระพินและชายยันออกแรงยึดไว้อย่างเต็มที่ ุดใจต่อมาก็พ้นขอบขึ้นมาได้และตายเข้าไปยืนหาหลักมั่นคงได้ใกล้ๆกับแล็ พ, พินทุกคนผ่อนลมหายใจที่สะกดก้านไว้ออกมาอย่างโล่งอกตำแหน่งอันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนั้นทําให้คณะทั้งหมดต้องหยุดรอช่วยเหลือกันอยู่ตรงนั้นอีกครู่ใหญ่การเสียหลักของดาลินเป็นตัวอย่างเตืนอนให้เห็นอยู่แล้วดังนั้นชัยยันเซอร์เกิดและจันท์อีกสี่คนที่จะผ่านไปตามลําดับ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยมีพูกที่ผ่านไปได้ก่อนแล้วคอยเตรียมป้องกันช่วยเหลือในวิธีเดียวกันกับที่ได้ช่วยดารินมาแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงที่คณะทั้งหมดตายปากขอเหวที่เรียบชิดผนังอุโมงด้านซ้ายไปต่อมาก็พบผลทางมหานรกในลักษณะเดียวกันเข้า อ, อ, กอีกแต่ครั้งนี้เหวย้ายไปอยู่ทางด้านขวาบ้างการคลืบหน้าเต็มไปด้วยความราชาเสียเวลาอย่างยิ่ง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 สายเชื่อกจึงยึดร่างร่างของเสยให้แขวนอยู่เพียงแค่นั้นและเกิดซึ่งเป็นคนถัดจากเสยไปอีกทางด้านหลังก็สาวหิ้วเพื่อนขึ้นมาเสียดายจริงหัวหน้าคณะของเราไม่ได้เล่นกายการรมบนปากเหวใต้บดาลกับเราด้วยป่านน้นอนสบายใจเฉิบอยู่ในแคมป์ชายยานเตย อ, ออกมาท่ามกลางความตึงเครียดของนาทีวิกฤตนายพันตรีหนุ่มนอกราชการมักจะเห็นอะไรในแง่คลึกคื้นขบขันอยู่เสมอซึ่งช่วยให้บรรยากาศดีขึ้น คำพูดของเขาทำให้รพินยิ้มอยู่ในเงามืดนึกอยู่ในใจว่าบุรุษผู้นี้เป็นมิตรที่ดีสำหรับคนทุกคนนับเป็นโชคอย่างยิ่งที่การเดินทางครั้งนี้บุคคลอย่างชายยานร่วมมาด้วยยิ่งเห็นกันไปนานก็ยิ่งรักใคร่ในอัธยาศัยใจคอเราจะเดินตายปากเหียวอย่างนี้เป็นนานสักเท่าไหร่รพินลองถามไปทางแง่สายก็เห็นใบหน้ามืดแต่ดวงตาสว่างแววแจ่มใสนั้นหันมาพร้อมกับฟันขาวตามเคย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 พอพ้นจากทางเดินเรียเพลด้านขวาก็ผ่านที่ราบกว้างเดินสะดวกขึ้นตอนหนึ่งระยะสั้นๆและต่อจากนั้นทุกคนก็ต้องคืบไต่กันไปอย่างใจหายไม่ทั่วท้องอีกครั้งหนทางเหมือนสะพานหินกว้างประมาณ3เมตรทอดโคดเคี้ยวไปในระหว่างป่ากเหวทั้งสองด้านบนเพดานเต็มไปด้วยหินย้อยที่ยื่นลงมาแดพราวตาเป็นหมดเมื่อแสงไฟส่องไปกระทบจากความปลอดเปรี่ยวสงบเงียบ ไม่มีวี่แววของสัตว์มีชีวิตใดๆให้พบเห็นเลยตลอดระยะทางที่ผ่านมานั้นบัดนี้ทุกคนเริ่มสัมผัสกับเสียงบินพื่อภาพของค้างคาวและโลมปีกตลอดจนกลิ่นสาบสารของมันที่ทลราโฉบชเฉี่ยวก็มาใกล้พร้อมกับส่งเสียงร้องแซดอีกชั่วโมงเต็มๆที่งมกันไปชนิดระวังตัวแจครั้นแล้วก็ผ่านพ้นหนทางอันเต็มไปด้วยอันตรายมินเมนั้นเข้าสู่พื้นอังกรุกระธรรมดา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 และบางแห่งกว้างแต่ลึกชันและสูงเริ่วขึ้นไปชนิดที่หมดหนทางที่จะใช้ความพยายามตต่ขึ้นไปใหถึงปา่าเขวบนยอดเขาได้หากว่ามีความจำเป็นขึ้นมาทุกครั้งที่โผล่ออกมาบรรจบกับก้นเหวก็พบกับพุ่มไม้พงถาวันและใบไม้แห้งที่หล่นลงมาทับถมลักษณะเหมือนบนพื้นดินตามป่านอกสักครั้งพอบุกเข้าซอกทาต่อไปก็พบกับหินดานอีกสลับกันอยู่เช่นนั้น เว้นไวแต่ว่าไม่ชื้นแฉะเหมือนบริเวณที่ใกล้าปากทางน้ําตกที่ผ่านเข้ามาในตอนต้นรอยเท้าช้างสังเกตเห็นได้ชัดอีกครั้งมันผ่านหนทางที่แง่ทรายนาไปอย่างไม่มีอะไรจะต้องเครือบแคลงหน้าพิศวงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือรอยเลือดของไอแว่งอันตรธานหายไปอย่างเด็ดขาดเสียแล้วทั้งทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่สุด เป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงเต็มๆที่ต่างก็งมกันมาในอุโมงใต้ภูเขาทั้งรูปแง่าสายก็นำทารุออกอยังปากถ้ำอีกด้านหนึ่งทางฝ้ากตรงข้ามกับที่เข้ามาไม่มีปัญหามันคือปากทางที่ทะรุออกหุบหมาหอนตำแหน่งปากถ้ำที่โผล่ออกมานั้นเป็นบริเวณป่าทึบตีนเนินเขาต่อหนึ่งสูงกว่าระดับป่าบื้องล่างประมาณ30เมตรมีทางด่านแคบๆซ่อนเ้นวนเวียนขึ้นมาจากป่าล่าง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 อดีตนายทหารบืนใหญ่แง้มมองตามแล้วพยักหน้าแต่ยังไม่เข้าใจความหมายพรานใหญ่หัวเราะแค้นในลำคอมองไปทางแง่สายแล้วก็บอกต่อมาว่าเมื่อเราติดตามขบวนเกวียนของเราซึ่งตั้งรอยอยู่ที่ป่าวายเราตายกันไปบนสันเขาวนนาหละครับหวังว่าคุณชายยานคงจะจำได้ดีว่าเราต้องเสี่ยงตายน้าผาสูงริบนั้นกันไปด้วยควา ม, มบากยากเย็นักขนาดไหนไหนจะเสี่ยงต่อชีวิตไหนจะเปลืองเวลา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 แล้วถือว่าตนเองเป็นเพียงแค่คนใช้ไม่ต้องการอวดชาดหรือสู่รู้เพื่อหักง่าคุณถึงอย่างไรก็ตามผมอยากขอร้องคุณลืมเถอะอย่าไปคิดอะไรอยู่อีกเลยแม้จะมีอะไรแปลกๆหน้าโมโหหมอก็พิสูจน์ชัดได้ ว, ว่าเป็นประโยชน์แก่คณะของเราอย่างยิ่งลักษณะของหมอถ่อมตนแล้วก็ซ่อนคมอย่างร้ายกาศซึ่งก็ดีกว่าการคุยโวโ อ, อ้อวดครับมันเป็นลักษณะที่ดีประจาตัวของหมอเอง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 ผานใหญ่ก็โบกมือเป็นสัญญาณกับแง่ท า, ายผู้ร่วงหน้าไปรออยู่ก่อนแล้วยังปลายหนทางที่ลาดลงต่ํานั้นให้ออกเดินนําต่อตอนเองสืบเท้าตามหลังไปทิ้งระยะห่างพอสมควรอ่านรอยไปทุกระยะอย่างรอบครอบระมัดระวังไรเฟริลของทุกคนที่สะพายอยู่กับไหลในขณะที่เดินอยู่ในถ้าบัตรนี้ถูกปลดลงมาถือไว้ในมือพร้อมดาดินเดินเคียงไหเลเรียงสองคู่ไปกับชายยันทอดระยะห่างจากหลังของรอพินประมาณเจ็ ติดตามได้ผ่านพื้นเมืองทั้งสามซึ่งกง้มๆเงยๆสำรวจร่องรอยเหล่านั้นมาอย่างสงบโดยไม่มีใครปิกปากพูดคำใดที่ตีนเนินก่อนจะลงสู่ป่าธรมอันเปียบเสมือนเชิงบันไดของทานดาที่นำขึ้นสู่ปากถ้ำนั่นเองทุกคนเห็นแง่ท า, ายหยุดรีรอแง่สำรวจไปที่ซุ้มเถาวันทึบริมทางตอนหนึ่งแล้วผิวก็เคลื่อนกลิบเข้าไปคนคู่นั้นไม่ได้พูดจาคำใดกันนอกจากจะใช้สายตากวาดหาอย่างระแวงภายไปรอบรอ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 เพียงแค่พรานใหญ่ยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากทั้งสองก็สามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้ทันทีอันเนื่องมาจากความเคยชินนักมานุษยวิทยาสามือสั่นน้อยๆ อ, อีกครั้งในตาลุกวาวชายันถูมือทั้งสองกับขางเก่งให้แห้งสนิทจากเหงื่อที่ออกซึมแล้วปวดเซฟจุดหกในโต้คู่มือป่ารอบด้านเงียบกิบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงนกหรือ จ, กอาจาักจั่นสักตัวเดียวลมยามนั้นสงบนิ่งอยู่กับที่ไม่อาจสำรวจทิศทางได้แน่นอน แง่าสายยกมือขึ้นป้องหูและทอดกายลงกับพังภาพกับพื้นดินเอาหูแน่พื้นนิ่งไปนานในขณะที่ระพินค่อยๆกอบฝุ่นข้างตัวขึ้นมาโปรยเพื่อพยายามจะหาทางลมให้ได้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะป้วนเปื้อนอยู่แถวนี้อย่างน้อยมันก็ล่วงหน้ามาก่อนเราตั้งคืนหนึ่งดาเรนกระซิบกับเพื่อนชายเบาที่สุดเพราะสงสัยในอาการของพรานใหญ่กับแง่าสายฉันก็คิดอย่างเธอ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 สั่งให้ทุกคนนิ่งอยู่กับที่อีกครั้งแววตาของเขาเ ค, ครียดขรึมเต็มไปด้วยอาการคุ้นคิดขนาดหนักทุกคนหันมองดูเขาอย่างสงสัยก็เห็นพรานใหญ่ปาดมือทั้งสองออกไปเป็นสัญญาณนิพรานของเขากับแงทร า, ายกระจายแยกกันออกไปแล้วชี้ไปยังดงทึบเบื้องหน้าอดีตนายทหารกองโจรกระเลียงจ้องเขาด้วยความโงนจรดฝีเท้าเข้ามาใกล้มันต้องอยู่ไม่ใกล้ๆนี่แล้วครับ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 เกิดเซยและจันทร์ก็พากันมองดูเขาอย่างประหลาดใจแล้วพิณยกมือขึ้นรูปปลายคางมองสบตาทุกคนที่พากันจ้องมายัางเขาอยู่เงียบๆแล้วเปลี่ยนไปจับที่แง่ทรายแง่ทรายแกเป็นคนมียานสังหอนดีเป็นพิเศษถูกแล้วข้อวินิจฉัยของพรานทั่วไปบอกเราไว้ว่าเวลาใดก็ตามที่เราอยู่เหนือลมสัตว์จะพหนีทันทีหรือมิฉะนั้นก็พุ่งสวนเข้าใส่ทันทีเหมือนกันแต่สําหรับกรณีนี้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 รู้ตามหลักของพรานช้างอย่างเดียวว่าถ้าเราอยู่เหนือลมมันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต้องตามกันเหงื่อตกเดินกันอีกหลายเหนื่อยนักผมอาจผิดก็ได้คนใช้ชาวโดวงบอกห้างห่าพรานใหญ่แยกเขี้ยวยิ้มแล้วยักหน้าเอาละทั้งงานแกนําต่อไปด่ารีนหัวเราะออกมานิดหนึ่งตบไหลแงซ า, ายแล้วว่าไปเดินต่อไปถึงแงซายอย่าเสียเวลาอยู่เลยพอแงซา ย, ายออกเดินหม่อมราชวงสาวคนสวยก็แซงหน้าพรานใหญ่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 ก็แต่คลื่นขึ้นอย่างจู่โจมกระทันหันพร้อมกับเสียงแปลนกึกก้องแหน่าสายผู้ดําหน้าทุกคนออกไปเวียงไร้คว้นขึ้นมาแล้วร่างไก่เข้าใส่ร่างมือมาที่ตรุยรีเข้ามานั้นในระยะประจันหน้าเผาขนเสียงกระสือระเบิดสถานดวงเลือดในกายของทุกคนในขณะนี้ดูเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งในตา ก, กฎการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันสวนเข้าใส่ควันปืนอย่างดุร้ายกระหายเลือดและเร็วเหมือนสายฟ้า อดีตนายทหารกองโจนกะเลียงโจนหวือพ้นหน้าของมันไปเพียงองค้รีเดียวล้มกลิ้งกอดปืนอยู่ที่โคกใหญ่ดินทางใกล้ๆกล้าจากแงซายขุนข่าวลูกนั้นก็ตะบึงแผ่นดินสะเทือนเข้ามายัางดาลินและกระพินผู้บดินรนี้ยังอ้าป่าโต้เถียงกันค้างอยู่เพราะอยู่ในอาการตะลึงและอยู่ในเส้นทางอันเดียวกันและในขณะ น, นี้ใกล้เข้ามาเพียงสองสาวาก็จะถึงตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตของจอมพราน ซึ่งยอมสนัปืนให้หลุดจากมือไปโดยเจตนาชีวิตของนายจ้างสาวสำคัญกว่าอื่นใดทั้งสิ้นปลอกแขนของเขาคล้องเข้าที่เอวกีวของดารินแล้วก็ช้าสุดแรงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับถีบตัวเองออกจากที่มุ่งเข้าหาโคนไม้ใหญ่ที่ล้มขวงอยู่ริมทางไม่ห่างออกไปนักรลันกระเดินลงไปนอกพื้นแน่นิ่งจากกาลังเหวี่ยงสุดแรงเกิดนั้นรอจากบาทางก็จะสารที่ตะลุยย่าเขามายางหุดหวิด ส่วนตัวเขาเองก็กลิ้งความขามมงายไป 3-4 สี่ทอดแลเห็นโลกหมุนไปหมดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในปิ๊ตาเท่านั้นระหว่างที่เขากลิ้งหมุนไปกับคืน้นกำหนดทิศทางไม่ถูอจู่นั้นูทั้งสองก็รั่นเปรี้ยะปานจะดับไปรู้สึกแรงกดของอากาศมูบขึ้นใกล้ๆตัวนั่นคือเสียงคำโบนของจุด60ศนไนโตรไม่มีปัญหาจากมือของชัยยันแน่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 ชายันกำลังวิ่งกระเจิดกระเจิงแต่ร่างใหญ่โตมโหราร้องโอ๊กยาวลั่นป่ากวดตามหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่ไปได้สองสามก้าก็คูข่าวหน้าหวบลงชายันหันกลับมาอีกครั้งคราวนี้วิ่งเข้าไปใกล้ทางด้านซ้ายของมันจอะปากกระบอกปืนเข้าไปที่ช่องหูเสียงลั่นตูนขึ้นอีกนัดเขาจะสารล้มร้องล้มตะแคงคลืนลงไปราวกับถูกมืออันทรงพลังผักทางด้านเกิดเสยและจัน ซิ่งห่างออกไปทางเบื้องหลังบาดนี้ก็กํากลังสับสนโอลแมนขีดสุดทั้ง3คนช่วยกันกระ น, นําไรเฟิรนเข้าใส่อีกตัวหนึ่งสนันวันไว้เป็นหมดพร้อมต้องวิ่งแตกกระจัดกระจายเพราะถูกกวดไร่เข้ามาอยู่บ้านเลือดและปินกระโจนเข้าไปคว้าปืนของเขาที่ตกอยู่และวิ่งตานออกไปสกัดหน้าในขณะที่เซย์ตะกี้ตะกายเข้าไปติดอยู่ในโพงเถาวันโดยมีไอ้ยักษ์ใหญ่แผดเสียงร้องเลือดเซียงตัวแล่นไล่เข้ามาอย่างกระชั้นชิด รัพย์พินปล่อยนัดแรกในมือออกไปในขณะที่วิ่งเข้าสายโดยหนีพานท้ายไว้ในซ่าแขนกระสูนนัดนั้นแล่นเข้าตัดซ่กขาหน้ามันสะถานสัน่นติบไปทั้งตัวส่งเสียงร้องด้านปากใบหัวจัดการที่มุ่งกระยี่เซยแล่นตะลุยตรงไปยังทางด่านอันนําไปสู่ปากถ้าอย่างปัดเตโซเซเขาขวดไล่หลังไปอีกอย่างไม่ทิ้ชีวิตเกิดการที่แต่แคเคยเข้าไปในโพรงสอง้ากก็ทะลั่นออกมาแล้วระเบิดกระสุนตามหลังไปอีกคนละนัด มันยักแย่ยักยันอยู่ที่ทางด่านอันชันนั้นถอยหลังเลื่นถลายลงมาสองสมครั้งแล้วพยายามจะปีนขึ้นไปอีกจังหวะนี้เองจันผู้อยู่ในทิศทางที่ใกล้กว่ารัพินก็กวดไล่หลังเข้ามาถึงจี้ปากกระบอกจุดสามเจ็ดห้าแมกนัมหมายไปที่ก้านคออนันเป็นเป้าถนัดถนีและรันเปรียงไอ้ยักษ์ก็พรันหมดฤทธิ์หมอบคาอยู่ที่ปากทางด่านนั่นเองท่ามกลางหัวใจอันเต้นไม่เป็นซ้ำของทุกคน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 เขาเพ่นตรงไปที่ร่างอันนอนหมดสติอยู่ใต้ซ่าต้นไม้ใหญ่ของหล่อนทั้งหมดก็รูตามเข้ามาชัยยันปราดก็มาประคองเพื่อนสาวอย่างตกใจแล้วพิยนยืนอึง้งทําอะไรไม่ถูกปล่อยหน้าที่ปดผยมพยาบาลให้กับชัยยานันครูใหญ่หลังจากนั้นนักมนุษย์วิทยาสาวก็ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยอาการมึนงงหล่อนนั่งสะบัดหน้าอยู่เป็นครูใหญ่เหมือนจะเรียกความทรงจําแล้วลืมตาสว่างโพลมองดูหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่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 ระหว่างที่พรานใหญ่ยืนอึ้งอยู่นั้นแง่ท า, ายก็เดินคอตกเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขามองดูเหมือนจะถามคนใช้ชาวดมงก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังหวานห้าวหารอันเป็นคุณลักษณะประจำว่าผู้กองถูกแต่ผมผิดจอมพรานขามวดคิ้วในข้อไหนกันผมอ่านว่ามันอยู่ใต้ลมเหล่ามันจะต้องผละหนีไปไกลแล้ว แต่ผู้กองอ่านว่ามันจะต้องซุ่มดักเราอยู่และมันก็เป็นจริงอย่างผู้กองว่าเราเกิดตายกันทุกคนขณะที่มันโผล่ออกมาผมยังยิงพลาดเสีย อ, อีกทำให้มันเล่นสวนเข้ามาได้คราวนี้ผมผิดถึงสองข้ออ่านใจมันผิดแล้วก็ยังยิงนัดแรกผิดผ่านใหญ่ยิ้มเกล้าเกล้าไม่มีใครถูกเสมอไปหรอกแง่ทรายถึงฉันเองก็ผิดมาเสียนักต่อ น, นักสาคัญแต่เพียงว่าถ้าแกผิดฉันถูก และเมื่อฉันผิดแกก็จงถูกเราอย่ามาผิดในเวลาเดียวกันก็แล้วกันลืมมันเสเถอะมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าไอ้แหวงไปไหนตอนที่มันหลบเข้าปากถ้ำทางด้านโน้นพุกกองแน่ใจหรือไม่ว่ามันพากันเข้ามาสามตัวไอ้แหวงถูกสองตัวช่วยขนาบข้างมาอ๋อไม่มีปัญหารอยเลื่อยของมันก็บอกชัดแล้วที่ปากตะไคร่กลางถา้ำก่อนจะถึงเหว รอยเลือดก็หายไปเสียหายไปอย่างค้นไม่พบอีกแล้วเราก็ตามรอยทะลุออกทางปากถ้ำด้านนี้พบเพียงสองตัวดักรอเราอยู่แง่าสายเ อ, อ่ยมาเช่มช้าตาจับมองมายังเขานิ่งแล้วพินเบิกตาโผล่ขึ้นในบัดนั้นเหมือนจะเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้ในคาพูดของแง่าสายและแล้วก็หวนึกได้ในทันทีนั้นเองว่าขณะที่รอยเลือดของไอ้แหว่งหายไป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 มันเข้าทางปากถ้ำด้านโน้นสามตัวแต่โผล่ออกทางปากถ้ำด้านนี้ถึงสองตัวอีกตัวหนึ่งคือไอแ้แหวงหายไปไหนไม่มีทางออกด้านอื่นอีกแล้วนอกจากด้านนี้ด้านเดียวกะเหลี่ยงร่างยักษ์พูดมาอย่างเป็นปริศนาและระหว่างที่พรานใหญ่ยืนหลีตาคิดอยู่แย่สายก็ชี้ไปอย่างซากช้างอีกตัวหนึ่งที่ถูกจันยิงคว่ำขาตีนเนินอาจจะนาขึ้นไปสู่ปากถ้ำบอกต่อมาว่าผู้กองนึกออกไหม ไอตัวนั้นถ้าไม่ถูกยิงล้มเสียก่อนมันกําลังบ่ายหน้าไปไหนทําไมมันไม่เตลดิดหนีไปทางอื่นทําไมจึงพยายามจะตะเกียกตะกายย้อนกลับไปยังปากถ้านั่นอีกและทําไมมันทั้งสองตัวล่วงหน้าผ่านปากถ้ามาก่อนราวคืนหนึ่งจึงยังหากินใกล้เคียงอยู่กับบริเวณนี้ได้กลิ่นเราแล้วก็ยังไม่คิดหนีพระพิณไม่เอ่ยคาใดในขณะนั้นทั้งสิ้นเดินเข้าไปพิจารณาดูซ่าของช้างตัวที่หมอบตายอยู่คานเนินอีกครั้ง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 ซึ่งยืนล้อมอยู่ในขณะนี้อย่างไม่เข้าใจในความหมายว่าเขากับแง่ายหาหรืออะไรกันอยู่บอกเสียงแห้งว่าไอแหวงหลบฉากซุ่มอยู่ในถ้าเสียแล้วล่ะครับเสียงชายยานอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งเบิกตากว้างคุณแน่ใจหรือคำตอบมารู้เอาแน่ชัดอีตอนที่เราเผเชิญหน้ากับไอสองตัวนี่แหละครับหลักฐานสิ่งแวดล้อมพอจะทาให้สันนิษฐานได้อย่างนี้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 ฉันก็สงสัยแต่แรกแล้วตอนที่รอยเลือดของมันขาดหายไปดาดินว่ามองหน้าพรานใหญ่กับแง่สายสลับกันตอนนั้นดูเหมือนแง่สายก็มีท่าว่าจะอยากจะค้นให้ทั่วแต่คุณเร่งให้เขานำออกมาทางปากถ้ำด้านนี้ผมยอมรับ ว, ว่าผมพลาดในข้อนั้นแล้วพินสารภาพแล้วสมบพรม์พึมพำสาบแช่งตนเองหยิบชายผ้าของมาที่เกียรเอวไว้ขึ้นมาซับเหงือ่อ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 ผมก็ลืมนึกถึงไปในข้อนี้ว่าแต่ในอุโมงค์ถ้ำบริเวณที่ก่อนจะผ่านปากเหวไอแหว่งจะหลบซ่อนอยู่ได้ยังไงมันมืดได้อับทึบหรือเกินชัยันยังสงสัยถ้าในเวลาปกติผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะซุ่มตัวอยู่ในบริเวณนั้นแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าไอ้แหวงเจ็บมากมันไปด้วยตัวของมันเองไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหนทางผ่านปากเหวที่รอดแหลมเช่นนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็ตามที่เราได้เห็นกันแล้ว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 ต้องเป็นอย่างที่พ่านใหญ่ว่าแน่ๆลูกโขลงสองตัวนี้อาจออกมาหาอาหารให้จากโขลงที่กำลังเจ็บซุ่มตัวอยู่ของมันก็ได้มันถึงไม่ได้ผลากหนีไปไหนไกลปวนเปียนอยู่ใกล้าปากถ้ำตัวสุดท้ายที่คว่ำอยู่ริมเนินนี่ก็บอกท่าเห็นชัดแล้วว่ามันพยายามจะวิ่งหนีย้อนกลับเข้าไปในถ้ำอีกพยาของมันจะต้องหลบอยู่ในถ้ำนั่นเองไม่งั้นมันจะพยายามย้อนกลับเข้าไปอีกทําไมถ้า ง, งานก็นับว่าเราโชคดีมาก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 ไอ้แห่งไม่มีทางที่จะย้อนกลับออกไปทางปากถ้ำด้านโน้นลองคิดดูถ้ามันยังมีแรงพอที่จะย้อนกลับออกไปได้มันก็น่าจะเดินผ่านอุโมงค์ทะลุออกมาทางด้านนี้พร้อมกับลูกโขล ง, งของมันแล้วน่าจะเป็นอย่างคุณชัยยันว่าครับรับผิดดวงความเห็นมาอีกคนแหน่หน้าขึ้นสํารวจอากาศและเหลือบไปที่นาฬิกาข้อมือของอดีตนายทหารปืนใหญ่มันยังเหลือเวลาอีกอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าสองชั่วโมงก่อนจะเที่ยง เป็นอันว่าเราจะบุกเข้าไปค้นมันในถ้ำอีกคุณชายยันกับคุณหญิงพร้อมไหมครับผมน่ะพร้อมเสมอแวดแต่น้อยเถอะนอกพื้นเมื่อกี้นี้เขายัางชั่วดีหรือยอังถ้าอย่างไงล้วก็พักสักอีกสักชั่วโมงก็ได้ดาดินเอี้ยวดัดคอไปมาแล้วยิ้มอย่างทระหดตาเป็นประกายวาวบอกมาอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องห่วงฉันเรียบร้อยดีแล้วละอย่าเสียเวลาเลย ระพินพยัยามหน้าเป็นความหมายกับทุกคนและออกเดินนำผ่านซากช้างตัวนั้นตายเนินกลับขึ้นไปสู่ปากถ้ำที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ภายหลังจากสำรวจตะเตรียมกันพร้อมแง่าสายก็คว้าเชือกขึ้นมาผูกเอวอีกครั้งแต่ระพินหลี่ตาคิดเราจะย้อนรอยกลับเข้าไปตามเส้นทางเดิมจนกระทั่งถึงตำแหน่งรอยเลือดครั้งสุดท้ายของไอแวงเขาพูดอย่างใคร่ครวญ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 กล่าวจบนักผจญภัยหนุ่มชาวกรุงก็ก้มลงมองดูจด6 0หในโตดับเบิลไรเฟิลในมือเดาะขึ้นลงอยู่สองสามครั้งก็ยื่นส่งมาให้ระพีนกล่าวเสียงหนักๆต่อมาว่าศึกไอ้แหว่งถ้าเกิดขึ้นในป่า ข, ข้างนอกเตืนทุกกระบอกล้วนมีโอกาสที่จะใช้งานได้ทั้งสิน้นแต่ในถ้ำใต้ภูเขาที่เรากําลังจะบุกเข้าไปนี่มันมีอยู่เพียงกระบอกเดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้คือกระบอกที่จะลั่นขึ้นเป็นนัดแรกและนัดสุดท้าย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 ซึ่งเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสทันได้ระเบิดกระสุนนัดนี้หรือไม่โดยไม่ลืมจะหักลํากล้องออกตัวดูกระสุนที่บรรจุอยู่ทั้งสองนัดเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วปีนหักลําคืนเข้าที่แล้วตบหลังแง่ทรายออกคําสั่งให้เริ่มนําประสาทของทุกคนบัดนี้เขม่งเกลียวเครียดหนักเสียยิ่งกว่ามเมื่อขาที่เดินผ่านออกมาเที่ยวแรกไม่มีใครอ่านความรู้สึกนึกคิดของใครถูกท่ามกลางความเงียบสงัด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 พอเรียบร้อยก็เคลื่อนหน้ากันต่อไปอย่างลำบากยากเย็นแต่ก็ยังดีกว่าขามาเพราะต่างพอจะรู้ทิศทางอยู่บ้างแล้วไม่มีใครพลาดหลุดลงไปแขวนอยู่ขอบเหวอีกพ้นจากบริเวณเหวก็บรรลุ ถ, ถึงปลักตะไข้ที่เดิมอันเป็นตำแหน่งที่รอยเลือดของไอแหวงขาดหายไปพรานใหญ่สืบเท้าก็ไปชิดแงทรายซุบซิบหาหรือกันแผ่วบาพร้อมกับส่องไฟสารวจดูบรเวณนั้นอย่างถี่วนชั่วขณะหนึ่ง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 ในความมืดอันคุมมคลื่อนนั้นอยู่อึดใจหนึ่งโดยไม่ได้ปรี ป, ปากคำใดหัวใจเต้นแรงอย่างเงียบกริบที่สุดแง่ทรายจะดฝีเท้านำหน้าแถวไประพินส่งไฟฉายในมือของเขาไปให้ดารินช่วยถืออีกกระบอกหนึ่งสองมือกระชับไรเฟิลพร้อมทิ้งระยะห่างจากแง่ทรายออกมาพอที่จะวาดปากกระบอกปืนได้โดยไม่ติดพุ่งสายตาตามแสงไฟฉายที่อีกหลายคนช่วยกันส่องกลาดอยู่ไปมานั้น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 ทางไปนรกสนดาปแน่ๆดาลินกระซิบกับชายยันเบาที่สุดเพื่อนชายสาวเท้าขึ้นมาประชิดคอยประคองหลอนไว้กลิ่นฉุนเหมือนกรรมฐ า, านปกคลุมไปทั่วจนแทบจะหายใจไม่ออกออกซิเจนลดน้อยลงเปน็นําดำแต่แง่าสายยังคงนํารุดหน้าไปราวกับผุ่นทองแดงที่ปัสศจากชีวิต จ, จิตใจระพินเองแม้จะทรหดสักเพียงใดก็ตามบัดนี้เขาก็อยู่ในอาการกระสับกระส่ายไม่ผิดไปกับคนอื่นๆโดยไม่อาจคณนได้ว่า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 ถ้าไม่ใช่ดารินก็คงเป็นชายยันถอยมาประทาัาเขาเต็มแรงเสียหลักหงายหลังอีกคนสายเชือกที่ผูกเอวกันไว้พลอยกระชากให้แง่าสายขมำหน้าลกด้วยทั้งเจคนล้มลุกประทา่ากันชุรมูลไฟฉายกระเด็นดุดจับมือไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่ามกลางเสียงร้องลั่นไม่เป็นภาษาของพรานพื้นเมืองทั้งสามคนวินาทีของหัวใจอันแทบจะหยุดเต้นนี้พระพินไพยวันสำเนียด ต, ตนเองว่านอนหงายอยู่กับพื้นรอบด้านมืดมิดไปหมด ไรเฟื่องยังคงกระชับมั่นอยู่ในมือทั้งสองของเขาความสว่างอันส่องจ้าออกไปกลางถ้ำในรกนี้มาจากไฟฉ า, ายของใครคนหนึ่งที่หล่นอยู่กับพื้นและเปิดค้างอยู่วันส่องจับไปยังสิ่งหนึ่งอย่างถนัดตาสะท้อนภาพเข้ามาในจักสุ ป, ประสาทอันตรุงของเขาและทันทีที่เห็นประสาททุกส่วนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอมาภาาไปหมดความขาวโพลนเป็นประกายยามมึกระทบลําไฟคือแท่งงาอันมืดมางอนแหลม เจ้าของร่างยักษ์ปากรหนราวกับสัตว์ยุคดึกดำบันนั้นยืนตระ ง, ง่านอยู่ในซอกโขดหินรินปากทางที่ทุกคนโผล่ผ่านเข้ามานั่นเองหูใหญ่กลางหุ่มหัวขนาดตุ่มสามโคกก้มต่ำลงเล็กน้อยดูราวกับว่าเตรียมจะพุ่งงาลงมาใส่ไอ้แหว่งพญาโคจะสารร้ายยืนถมืนค้ำอยู่เหนือร่างของกลุ่ ม, มนุษย์ที่กาลังล้มกลิ้งอยู่ในขณะนี้ห่างเพียงไม่กี่วาเท่านั้น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 จักรพัดแห่งช้างป่าคงยืนชะเง้อมสนิทนิ่งอยู่เช่นนั้นฝ่ายมนุษย์ที่ร่มความกำมำ ง, งายก็ดูเหมือนจะหยุดลมหายใจกันไปชั่วขณะเบิกตาโป่งจ้านิ่งไปยังภาพนั้นราวกับถูกสะกดเสี้ยววินาทีต่อมาสติสัมปชัญญะก็กลับคืนมาสู่รพิน์โดยครบถ้วนเขาคอมเมนจ้องร่างใหญ่โตมโหาราร น, นั้นตาไม่กระพริบประทับปืนมัน่นค่อยๆไปโยงตัวลุกขึ้นยืนอย่างเตรียมพร้อม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 ดวงตาทั้งสองเบิกโพรงจ้องนิ่งสวนนำไฟมายังมนุษย์ราวกับแก้วสะท้อนแสงชายยันกระดิกตัวได้เป็นคนต่อมาคว้าไหล่เฟื่อที่ตกอยู่ขึ้นมาอย่างตะลีตะลานแต่รพินตะคุบมือไว้หมดความจาเป็นเสียแล้วครับไอแหวงของเราสิ้นแล้วท่ามกลางความตึงผึงเพิดของทุกคนรพินลดปืนในมือลงอย่าง ช, ช้าหลับตาพร้อมกับถอนหายใจเชื่อง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 ตำแหน่งที่มันยืนพิงขัดอยู่ในระหว่างซ่อกหินมีเลือดหยดอยู่อีกกองหนึ่งและนั่นเป็นเลือดจำนวนสุดท้ายก่อนที่ชีวิตของมันจะปิดโปรงจากล่างไอ้แหวงดับชีพมาแล้วกว่าหกชั่วโมงซึ่งคงจะเป็นเวลากลางดึกของเมื่อคืนนี้เองแล้วผนหันมามองดูหน้าทุกคนในคณะและในที่สุดก็จับนิ่งอยู่ที่นักมนุษยวิทยาคนสวยผู้กาลังยืนงนันเหมือนจะไม่เชื่อในสายตาจากภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า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 เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่คุณหรือใครจะต้องสรรเสริญยกย่องฉันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกเราทั้งหมดสามารถกําจัดไอแหว่งลงได้สําเร็จนี่คุกความปราบปลื้มยินดีไม่เพียงแต่พวกเราเท่านั้นแต่พวกชาวป่าทุกคนที่ท่องเที่ยวหากินอยู่ในดงแถบนี้ทั้งหมดด้วยที่จะพลอยอนุโมทนาสาธุเราได้ทําอย่างที่ได้รับปากและประกาศกับพวกเขาไว้แล้วสมตามคําพูดฉันดีใจที่สุดดีใจจนไม่รู้จะกล่าวอย่างไรถูก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 ขอแผ่อุทิศไปให้แก่เจ้าในโรคหน้าวิญญาณของเจ้าน้ บ, บัดนี้ร่องลอยอยู่ที่ใดจงมารับรู้ในคำขอมาและกุศลจิตของข้าด้วยกล่าวจบราชสกุลสาวก็ปนมมือขึ้นจบไหว้ซากนั้นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็พ่านปรากฏขึ้นต่อหน้าของทุกคนในบัดนั้นซากของราชาแห่งช้างป่าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งยืนถมืนพิงผน้ำถ้าไว้ด้านหนึ่ง และกลุ่มโคทินงอกอีกด้านหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวน้อยๆแล้วค่อยๆซุดลงมาหมอบฟุบอยู่กับพื้นอย่างสงบราบคาบเป็นดุษณีตรงหน้าแทบเท้าของดารินทรวราริททั้งหมดที่นั่งพักกันอยู่ทะลึ่งพวดขึ้นยืนเสียงชายยานร้องออกมาลั่นถําทุกคนขนลุกชันขึ้นทั้งตัวในปาฏิหาริย์อันปาฏิหารินั้นหญิงสาวเองบัดนี้ก็ยืนตะลึงตัวแข็งเย็นเฉียบไปทั้งล่างหลอนมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่ง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 ในเงาสลัวของเวิ้งถ้ำใหญ่และเห็นใบหน้านั้นเป็นมันระเรื่องอนุญาตไหมครับผมมีสิ่งที่จะบอกกับผู้กองและนายทั้งสองคนและพินชา ย, ยันและดาดินจ้องหนุ่มชาวดงพเนจรอย่างประหาใจก่อนที่พลายใหญ่หรือชั ย, ยันจะพูดเช่นไรนั่นเองดาดินก็ไปยักหน้าตอบมาโดยเร็วอนุญาตถ้ามีอะไรหรือแง่ายแง่าสายอึ้งไปอึดใจมองศบตาระพินนิ่ง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 มันเป็นเพราะอะไร